บทที่24อย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลาขี่สุดทั้งคณะที่ติดตามมากู้ชีวิตดารินาไว้ในนาทีวิกฤตขี่สุดได้พากันไต่ทางอย่างเร่งรีบพรานนี้ลงมาจากบริเวณด้านบนอันมีลักษณะเหมือนเนินหลังกต่าวของกลางยอดขุนเขาอันกว้างใหญ่นั้นทันทีระหว่างที่พากันลนลานวิ่งกันลงมานั้นอาการสั่นสะเทือนของพื้นหินและกลุ่มควันคงปรากฏขึ้นอยู่ในสภาพที่เริ่มจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกที ลักษณะของมันคล้ายๆภูเขาไฟกำลังจะปะทุขึ้นหรือมิเะนั้นก็เกิดการเคลื่อนตัวอยู่ด้านล่างอันต่ำลงไปใต้เนินเขานั้นในสภาพแผ่นดินไหวด้านล่างห่างลงไปประมาณ 5-600 เมตรกลุ่มลูกหาบอีกส่วนหนึ่งพร้อมสัมภาระราส่วนใหญ่กองรอคอยอยู่กำลังพากันเต้นย้อยๆโบกมือเรียบเป็นเชิงเร่งเร้าให้ทุกคนเร่งเวลาลงมาโดยเร็วมองเห็นอยู่ลิบๆพร้อมกัน เสียงแผดร้องกล้องของช้างใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งรวมกลุ่มอยู่กับลูกหาบสี่ถึงห้าคนเหล่านั้นด้วยซึ่งแม้จะมองเห็นในระยะใกลดารินก็จำได้ดีที่สุดว่ามันคือเจ้าด้วนของหลอนนั่นเองมันร่วมขบวนอยู่กับคณะของพี่ชายในขณะนี้ด้วยแต่รออยู่ข้างล่างเจ้าด้วนหลอนร้องตะโกนแหลมทักทายลงไปก่อนอย่างดีใจสุดขีด ดูเหมือนจะแสดงอาการตื่นเต้นยินดีียกว่าที่มองเห็นภาคพวกค น, นอื่นๆสะอีกและมันก็ร้องแปรนชูงวงกวัดแกว่งเหมือนจะทักทายเรียกร่อนให้ออกพ้นมาจากบริเวณนั้นอย่างเร็วที่สุดอย่างฉุกรละหุกแข่งมรณะแต่ก็ดำเนินไปอย่างเต็มไปด้วยสติใครครวนอันรอบค้อบของพรานครูผู้เฒ่าตลอดจนเชษฐาและอนุชาทั้งหมด ทั้งหมดได้พากันเลาะลัดไตเนินกันลงมาด้วยความคล่องแคล่วว่องไวโดยพยายามตัดลัดทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ท่ามกลางความรู้สึกชัดเจนว่าเนินของภูเขาอันมีลักษณะเหมือนกระทะที่คว่มก้นขึ้นนั้นปรากฏเป็นรอยปริแยกอยู่ทั่วไปแต่ก็ยังไม่ถึงกับรุนแรงเกินไปนะักดารินเกิดพลังขึ้นอีกครั้งในความอิดโรยป้อแป้แต่เดิม เพราะตรรนัตตีว่าหากคืนชักช้าตัวหล่อนเองและพระพวกทุกคนอาจถูกธรณีสูบลงไปพร้อมกับผิวของเนินเขาอันกำลังทำท่าจะถล่มสุดลงไปในบัดนี้เมือ่อใดก็ได้ประกอบกับการฉุดลากขิ่ดึงพี่ชายทั้งสองและเพื่อนซึ่งขนาบมาอย่างใกล้ชิดระยะเวลารว่างนี้ไม่มีใครมีโอกาสที่จะพูดจา ก, กันเรื่องอื่นใดอีกเลย นอกจากคอยร้องบอกเตือนการให้คอยหลีกหลบจากบริเวณที่ปริร้าวแต่กระแฮงอยู่ทั่วไปขณะที่แล่นกระเจิงกันลงมาพอห่างจากส่วนยอดของเนินหลังเต่าที่กลุ่มของเชษถาปีนขึ้นไประเบิดเป็นช่องทางและพบดารินอยู่ใต้โพรงนั้นเพียง6 0ถึงเจเมตรเท่านั้นตำแหน่งนั้นก็ซุดถล่มพ่วบลงไปกลุ่มควันสีเทาพุ่งขึ้นสู่เบื้องบนราวกับปล่องโรงสีแต่ก็เป็นเพียงเฉพาะม่านควันเท่านั้น ไม่มีประกายของลูกไฟหรือเท่าลาวาพ่นตามขึ้นมาด้วยนายไอหลังคาใสาๆที่เราปีนขึ้นไปเห็นนายหญิงอยู่ข้างล่างตะกี้นี้มันพังลงไปแล้วเสียงนานอินตะโกนบอกลัน่นเพราะแกแล่นเหลียวหน้าเหลียวหลังอยู่ทางด้านหลังของทุกคนมันพังตรงไหนก็ให้มันพังไปสำคัญอย่ามาพังถล่มเอาตรงที่เรากาลังแล่นกันลงไปอยู่ในขณะนี้กันแล้วกัน เชิถาต่อขณะที่ประคองน้องสาววิ่งหัวซุปหัวซุนโขดหินสองซ้ำแห่งที่คนในคณะนั้นแล่นผ่านเริ่มหักล้มฟาดลงมาแต่กระจายอยู่กับพื้นเดี๋ยวตำแหน่งนั้นเดี๋ยวตำแหน่งนี้ใกล้ๆทางผ่านที่ทั้งคณะกําลังวิ่งฝ่าวุบเหวจะฟาดลงมาทับแต่ต่างก็หลบหลีกผ่านไปได้อย่างจวนเจียนเป็นที่วาเสียวยิ่งชายยันโดนเอาเศษหินที่กระดอนขึ้นมาจากแท่งใหญ่ซึ่งหักล้ม กระทบเข้าแผ่นหลังก้อนบ่อบขนาดกำปั้นมันไม่ถึงกับรุนแรงนะักแต่ถึงกระนั้นก็เซศีรษาปากแทบจะหน้าขมาลงไปโดยทิศทางที่เอียงลาด45องศานั้นขยีนเองก็ร้องจ้าเมื่อสเกตฝุ่นปลิวเข้ามาเต็มหน้าแล้วสองคนกับในชวนก็แล่นตเตลิดนําหน้าลงไปก่อนโดยไม่ต้องรอจับหมู่กันอยู่เรออนุชาร้องตะโกนสั่งพร้อมกับยกเท้าถีบหลังขณะที่ทั้งสองอย่างระล้าระลังอยู่ ไม่ต้องรอไปก่อนเร็วเดี๋ยวธรณีสู่พ่อมึงลงนรกอดีตพรานชดตวัดลั่นซึ่งขยินและในชวนกับลูกคาอีกสองคนก็ห่อนแนบลม้ม ล, ลุกคลุกคลานรวมทั้งกลิ้งหลุนหลุนลงไปจากบริเวณอันตรายนั้นโดยไม่ต้องมาคอยภาวะาพะวงอยู่นั้นอินส ก, กิดมาทางเบื้องหลังซึ่งทั้งเชษฐานและอนุชาตรนักดีว่าตราบใดก็ตามที่ยังมีครูพาน ครุมอยู่เบื้องหลังคอยกําหนดทิศทางให้อยู่แบบนี้ก็ย่อมจะวางใจได้ว่าจะไม่มีวันเกิดอันตรายร้ายแรงใดๆขึ้นแม้การจะดูว่าหวาเสียวหน้าสะพรึงกลัวเพียงไรมันไม่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันบังเอิญประจวบเหมาะแต่น่าจะเกิดจากแรงอาถรรพ์ของอะไรชนิดหนึ่งเป็นอาถรรพ์ที่จะมาลบล้างสยเวทอาถรรพ์เดิมของเจ้าผีร้ายมนตราให้สูญสลายหมดสิ้นไปสัที ที่สุดของการเตลิดนี้ภัยจากภูเขารูปหลังเต่าที่กำลังปริร้าวและมีอาการจะซุดลงไปนั้นทั้งคณะก็ลงมาถึงยังบริเวณพื้นราบที่พาคอีกส่วนหนึ่งรอคอยอยู่ก่อนแล้วโดยสวัสดิภาพแม้จะถลอกปอกเมิงได้เลือด ก, กันบ้างพอสิบตลอดจนรอยฟกช้ำดำเขียวคนละเล็กคนละน้อยพอลงมาถึงตำแหน่งที่ปลอดภยัยทุกคนก็ซุดพวบลงไปนั่งหอบหันกลับขึ้นไปทางยอดเนินประหลาดลูกนั้นอีกครั้ง ส่วนบนของมันแบบนี้สุดพวบลงมาแล้วผิดรูปร่างไปจากลักษณะกระทักควม่มอันเคยเห็นอยู่เดิมกลุ่มควันสีเทาลอยกลุ่นมัวมนไปหมดมันพุ่งขึ้นมาจากยอดเนินนั้นสู่ท้องฟ้าเบื้องบนและตามแนวแยกแตกกระแหงทุกแหง่งซึ่งปรากฏเห็นรอยร้าวทั่วไปหมดตลอดทั้งเนินลูกหาบที่ลอยอยู่ด้านล่างและกระโดดโลดเต้นร้องเร่งอยู่ในขณะนี้ปรูกันเข้ามารับส่งเสียงโวยวายพูดกันฟังไม่ได้สับ และกรบด้วยเสียงผู้จาทักทายแสดงความปิติยินดีขีดสุดของพวกนั้นคือเสียงโกนจนาดแหลมยาวของเจ้าด้วนมันเดินดุ่มดุมตรงมาที่ดารินผู้กำลังสุดลงไปหมอบหอบอยู่กับพื้นทันทีพอมาถึงก็ใช้งวงสูดดมและรัดรอบตัวหล่อนไว้เบาๆดารินพลิกกายขึ้นกอดวงมันไว้แน่นเอาแก้มแนบไว้ด้วนสามวันเต็มๆที่เจ้าทอดทิ้งฉันไป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 เชษฐาและอนุชาสองพี่น้องหันกลับไปเพ่งเนินใหญ่หลังเต่าที่ฝ่ายตนปีนป่ายขึ้นไปนั้นด้วยอาการพินิษคร่ครวนเพราะยังไม่แน่ใจว่าอาการปริร้าวใต้เนินลูกนั้นจะกินแดนติดต่อไปในรัศมีกว้างไกลอีกเพียงไหนและจะมีอาการเกิดอันตรายขึ้นมากกว่านี้หรือไม่เป็นต้นว่ามีเท่าของลาวาพ่นตามขึ้นมาซึ่งนั่นหมายความว่าภูเขาใต้ดินเบื้องล่างได้ระเบิดขึ้นแล้ว และไม่มีทางที่ทุกคนอันรวมกลุ่มกันอยู่ในขณะนี้จะหนีรอดไปได้ปรากฏว่านอกจากกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาแล้วไม่มีร่องรอยของมหันตภัยใดๆที่จะเป็นผลสืบเนื่องติดตามมาอีกเนินสุดยอดเพียงแต่ถล่มลงมาเท่านั้นเสียงที่ลั่นคลืนครานอยู่ใต้ภูเขาก็ค่อยๆแผ่วจางลงเป็นลำดับกระทั่งในที่สุดก็เงียบสงบไป ภูมิประเทศของเนินเขาลูกนั้นอันเป็นยอดสูงสุดของทิวที่ติดต่อกันมาเป็นเทือกและเนินนั้นอยู่ใจกลางได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเห็นทันตาไม่เหลือร่องรอยเดิมใดๆอีกจากสภาพที่แลดูเหมือนกระทะที่คว่ำเอาก้นขึ้นมาหรือรอยนูนแบบหลังเต่านั้นบัดนี้ได้มีระดับต่ำลงมาจากเดิมแต่ยังไม่ถึงกับสุดลงมาสู่แนวราบเป็นลักษณะที่มียอดบุบยุบเปลี่ยนทรงลงไปเท่านั้น ทุกคนระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกที่ไม่ต้องส่งซานพลาญนี้จากบริเวณนั้นออกไปอีกแล้วความสนใจทั้งหมดก็พุ่งไปจับอยู่ที่น้องสาวคนเล็กของคณะที่เพิ่งจะช่วยกันขึ้นมาได้ซึ่งบัดนี้นั่งครึ่งนอนเหยียดยาวเอาหลังพิงโคนหินก้อนหนึ่งกลางวงล้อมหลับตาลงอย่างหมดเรี่ยวแรงไปอีกครั้งเชษฐาชา ย, ยันเข้ามาตรวจดูอาการในทันทีโดยยังไม่ซักถามอื่นใดก่อนทั้งสิ้น ภายหลังให้การประถมพยาบาลให้พักสงบนิ่งๆอยู่ประมาณ10นาทีระหว่างการเฝ้าจับตาดูอยู่ใกล้ชิดดารินวราริจก็ถอนใจเฮือกขึ้นพร้อมกับลืมตามองหน้าพักพวกที่รายล้อมรอบตัวอยู่ในขณะนี้ไปทีละคนเหมือนจะดูให้แน่แ่ว่าเป็นพักพวกของหล่อนใช่จริงหรือเปล่าและมีจำนวนการครบถ้วนหรือไม่สภาพของหลอนในขณะนี้ยังพูดอะไรไม่ออก จะนอนพักให้หลับเสีก่อนไหมยังไม่ต้องกังวลกับอะไรก่อนเลยทั้งสิ้นและสําหรับวันนี้เราจะยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนก่อนเลยแต่จะยึดตรงนี้แหละเป็นที่พักพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยขึ้นเบาๆด้วยน้ําเสียงปราณีและเข้าใจความรู้สึกภายในของหล่อนดีที่สุดขณะที่กล่าวก็เอื้อมือมาลูบที่ศีรษะหล่อนไม่ตอบแต่ชี้มือไปทางยอดเดินที่ยังมีความลอยกล่นอยู่นั้นเชษฐายิ้มให้อย่างปลอบใจไม่ต้องกลัว มันจะไม่ถล่มทลายลงมามากกว่านี้อีกแล้วเราไม่ต้องเร่งรีบหนีไปไหนและที่นี่ปลอดภัยเพียงพอพระยังติดอยู่กับคอน้อยหรือเปล่ายังอยู่ไหมน้องสาวคนเล็กเอามือขึ้นรูปทรงอกแล้วกำมตรงตำแหน่งนั้นไว้แน่นพยักหน้าลงดีมากวิเศษสุดด้วยอำนาจของพระพุทธคุณและพระอรหันต์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแท้ท ที่อนุบาลพิทักษ์รักษาน้อยเอาไว้ได้จนกระทั่งพวกพี่ไปพบอวินาทีสุดท้ายว่าแต่ตอนนี้เธอรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเกิดจะปกติดีหมนทุกอย่างแล้วค่ะพี่ใหญ่น้อยดีใจนึกว่าเราจะไม่พบหน้ากันอีกแล้วลอนกล่าวขึ้นเสียงแหบพร่าน้ําตาซึมออกมาด้วยความปิติใจเหลือที่จะกล่าวต้องพบสิถึงยังไงก็ต้องตามการจนพบนั่นแหละ แลเชื่อมั่นด้วยว่าน้องจะต้องไม่เป็นไรถ้าหากพระยังไม่หลุดจากคอพี่ชายกลางตกมาที่ไหล่ของหล่อนกล่าวขึ้นด้วยเสียงห้าวชัดเจนของเขาชายยันเอามือของหล่อนไปบีบกลุมไว้มัน่นทุกคนอยู่ในสภาพปลุกปลอบให้กำลังใจเต็มที่สมวันครึ่งที่พวกเราบากบั่นติดตามเธอมาอย่างแทบไม่เป็นอันกินอันนอนแต่นั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าเราทําได้สําเร็จผลงดงามที่สุด และบัดนี้ขอให้รู้ด้วยว่าบัดนี้มันตรายพินาศอย่างเด็ดขาดแล้วด้วยน้ำมือของเธอเองต่อไปมันจะไม่มีโอกาสติดตามรังควานพวกเราได้อีกแล้วร่อนร้องขอน้ำเบาๆเชษฐาส่งกระติกบรันดีไปให้พร้อมกับน้ำน้องสาวคนเล็กของคณะที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ขีดสุดรับไปดื่มทั้งสองอย่างยกมือขึ้นกุมขมับแล้วสะบัดหน้าอยู่ไปมาเหมือนจะทบทวนความเป็นไปและเป็นมา ในที่สุดก็เงยขึ้นมองไปยังกลุ่มพักพวกที่รายล้อมรอบตัวอีกครั้งมีคำถามมากเหลือเกินแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรถูกหล่อนพึมพมออกมาถ้าฝ่ายพี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงอยากที่จะให้เธอนอนพักสงบสติอารมณ์ซะก่อนพี่รู้ว่าเธอกำลังสับสนจะต้นชนปลายไม่ถูกเท่าเท่ากับฝ่ายพี่ก็อยากจะรู้นับตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอได้พลัดพรากจากพวกเราไปในคืนนั้น ลอนสำรวจไปยังทุกคนอีกครั้งรวมทั้งพวกลูกหากพวกเราอยู่ครบกันทุกคนและเรียบร้อยดีโดยไม่มีใครได้รับอันตรายใช่ไหมคะครบหมดเช ธ, ธ้าตอบหนักแน่นข้าวของสัมภาระแล้วก็ของส่วนตัวของน้อยโดยเฉพาะไรเฟิลกับวิทยุไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรตกหล่นหายไปเลยอนุชาตอบพร้อมกับส่งไรเฟิลเวเทอร์บีและวิทยุมือถือประจาตัวไปให้น้องสาว พอหล่อนมองเห็นก็หลับตาถอนใจอีกครั้งพึมพำอะไรฟังไม่ได้สับในลำคอต่อมาจึงถามด้วยเสียงแผ่วเบาอย่างอิดโรยว่าทุกคนตามน้อยมาได้อย่างไรคะตอนนี้ขอให้น้อยเป็นฝ่ายถามก่อนเถอะเชษฐาพยียกหน้าไปทางเจ้าด้วนซึ่งยืนโยกแกวง่งตายอยู่ช้าๆไม่ห่างออกไปข้างหน้าหลอนนักมันอยากจะเข้ามาใกล้นายหญิงของมันให้มากที่สุดแต่น้นอินสั่งให้ถอยห่างออกไปก่อน และมันก็ปฏิบัติตามอย่างแสนรู้มาร์กุเทศนำทางในการติดตามค้นหาน้อยอยู่นั่นอนุชาบุ้ยป่าไปทางช้างป่าคู่บรารมีของหลอนถ้าไม่มีมันนำทางอย่างแม่นยำและถูกต้องที่สุดพวกเราทั้งหมดก็ไม่สามารถตามน้อยได้รอกหรือมิเช่นนั้นก็อาจช้าเกินไปเจ้าด้วยมารู้ว่าน้อยอยู่ที่ไหนและเร่งนำเรามาตลอดเลยแม้กระทั่งตาแหน่งสาคัญที่สุดที่เราไปพบน้อยเข้าในนาทีวิกฤตสุดยอด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 ทุกสิ่งทุกอย่างที่สำเร็จลงได้ด้วยดีก็เพราะเจ้าด้วนตัวเดียวเท่านั้นท่านลำพังตัวพี่เองพี่ใหญ่และลุงอีนก็หมดปัญญาแล้วเมื่อคืนนี้เราเดินสาวรอยน้อยมาตลอดครึ่งคืนโดยไม่มีการหยุดพักเลยเพราะถ้ามัวแต่พักก็มีวันตามทันทางด้านพี่ๆนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนนะักเธอหายไปเราก็ออกตามในทันทีได้เจ้าด้วนไปตัวนำทางสำคัญทำให้ตามพบได้เร็วขึ้นและทันการ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 ตอนนี้มันสับสนมึนงงไปหมดแล้วตกลงพี่อนุ ญ, ญาตให้น้อยนอนพักเสก่อนปรับประดับจิตใจเรียกสติกลับคืนมาให้สมบูรณ์เสียก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันทีหลังตอนนี้เราหมดปัญหาสําคัญไปอีกหนึ่งเปราะแล้วคือตามตัวน้อยกลับคืนมาได้ในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดและไอพ่อมดหมอผีมันไตรก็พินาศลงอย่างเฉียบขาดแน่นอนแล้วในครั้งนี้เอาละนอนพักเสีย เมื่อตื่นขึ้นภาวะจิตใจและความทรงจำของน้อยจะกลับคืนมาเองพี่ชายใหญ่รูปศีรษะอีกครั้งอนุชาและชายยันก็จัดการปูผ้าใบทำเป็นที่นอนให้รอนในทันทีในขณะที่นานอินก็สั่งให้พวกลูกหาบทั้งหลายเริ่มวางปางพักชั่วคราวอันแปลว่าการเดินทางสำหรับวันนี้จะสิ้นสุดลง ต, งตรงตำแหน่งนี้ก่อนโดยยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนทั้งสิ้นดารินเอ็นการลงยงอ่อนเปลี่ย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 วิยาชนิดหนึ่งประมาณสองซีซีและยากินอีกชุดหนึ่งที่หลอนได้รับจากคำสั่งของตนเองหลังจากนั้นน้องสาวคนเล็กของราชสกุลวราริสก็ประสานมือวางไว้บนอกดับความรู้สึกทั้งมวลพลอยดับไปในทันทีมันเป็นยามตะวันบ่ายชายกำลังรับขุนเขาใหญ่ทางด้านตะวันตกที่แลเป็นทิวลิปลิปกั้นขอบฟ้าอยู่ไม่ต้องห่วงไม่มีใข้ หัวใจเต้นในสภาพค่อนข้างปกติความดันโลหิตสูงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นน้อยตื่นเต้นเต็เตมที่แต่ใจก็แข็งมากปล่อยให้พักหลับสัก 5-6 หชั่วโมงตื่นขึ้นมาเชื่อว่าคนจะเรียบร้อยดีเหมือนเดิมช่ยยันบอกพักพวกเหมือนตนเองจะเป็นหมอเชษถาเพี้ยกหน้าช้าๆแต่ไม่วายมองดูน้องสาวคนเล็กอย่างเป็นห่วงอนุชาคลี่ผ้า่วยออกคลุมให้ถึงอกแล้วทำสัญญาณให้ทุกคนถอยห่างออกมา พวกเราเองทั้งหมดก็ย่ำแย่เต็มทีแล้วครับเดี๋ยวหุงหากินอาหารเสร็จก็เห็นจะต้องพักกันเหมือนกันเพราะวันนี้เราหนักกันมาโดยไม่มีโอกาสได้พักเลยกว่า1ิบชั่วโมงแล้วผมสังเกตดูแล้วน้องไม่เป็นอะไรมากนอกจากอาการที่ดูเหมือนจะช็อกเท่านั้นสภาพร่างกายโดย ท, ทั่วไปเรียบร้อยดีและไม่มีอะไรสะบักสะบอมนักพวกเราอีกแย่กันไปหมดทุกคนโอเคทุกคนพัก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 ลุงแน่ใจไหมว่าไอ้มันตรายจะไม่มีโอกาสกลับมาทำริษกับพวกเราอีกแล้วนานอินเอาหัวเป็นประกันครูพรานผู้เฒ่าบอกหนักแน่นยิ้มย่องพ่องใสนาขบาทที่นาคเทวีมอบให้นายใหญ่ไว้แล้วนายหญิงเป็นคนเวียงเข้าใส่มันจะทำลายล้างอิทธิฤทธิ์ของไอผ้ผีมีอาคมกล้านั่นหมดสิ้นไม่มีเหลือมันจะหวนกลับมาไม่ได้อีกแล้วตลอดไป ต่อไปนี้เราตั้งหน้าตั้งตาตามนายรพินได้โดยไม่มีอะไรมาคอยสกัดขัดขวางอีกไม่มีใครปราบมันไตรได้นอกจากนายหญิงคนเดียวเท่านั้นเทพเจ้าอรหันเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยนายหญิงไว้ทุกด้านเพียงแค่รอกำหนดเวลาเท่านั้นราตรีนั้นเป็นราตรีแห่งความสงบราบคาบที่สุดอีกราตรีหนึ่ง ดารินวละดาริศรับสนิทอย่างอบอุ่นและปลอดภัยท่ามกลางพี่น้องเพื่อนและบริวารของหล่อนซึ่งได้มารวมกลุ่มร่วมคณะกันอย่างครบถ้วนอีกครั้งณนะที่พักแกรมชั่วคราวอันเป็นซอกตีนเขาตำแหน่งไม่ห่างจากบริเวณที่หล่อนและคณะรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อยามบ่ายที่ผ่านมาไม่มีวี่แววหรือเงื้อมเงาของภัยลีลับใดๆที่จะแผ่วพานกลายกล้ำเข้ามาเลยแม้แต่น้อย ขณะจิตหนึ่งในห่วงนิทราเจตสิก ข, ของห ล, ล่อนแว่วสำเนียงลำนาวเพลงหนึ่งทุ้มต่ำลอยชัดเจนแผ่วเบามาจากปลายเนินอันเป็นบริเวณที่หล่อนได้ถูกพวกพี่ๆช่วยกันดึงตัวขึ้นมาได้นั้นโอ้ใครไหนครวนจวนคำ่ำพลอดคำหรือเธอครวนใครเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งไหน มันเป็นเพลงรักเรียกหาบทเก่าที่เคยได้ยินจากจิตประสาทมาแต่หนหยแต่ไรนั่นเองนับตั้งแต่ได้ข่าวว่าระพินไพรวันจากหล่อนไปแล้วและเสียงนั้นก็เป็นเสียงอันไพเราะราวกาละเวกของเจ้าอาดีตองครักษ์ประจาตัวแงาสายนั่นเองแงาสัยนายนว่าหลอนได้อุทานเรียกออกไปห่างไกลเหลือไกลเกินห่างอ้างว้าง ฝันเคยเคียงใกล้เธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งใดจิตใจไหวหวันเสียงเพลงบทนั้นดังใกล้เข้ามาทุกขณะเหมือนผู้ร้องจะเดินร้องลงมาจากเนินถล่มลูกนั้นฉันอยู่นี่แง่ท า, ายไปบอกเขาด้วยว่าฉันอยู่นี่ดารินระรำ่ำระรังออกไปสวดมนต์ส่งพรวอนฟ้า ขอนิทราแนบเธอนิรัน์ฝากหัวใจฝ่ายสัมพันธ์ฝากกันวันหรือไทยจิตใจขนึงติดตรึงมั่นในหัวใจคร่ำครวญเธออยู่ไหนเธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมาหล่อนมองเห็นแล้วท่ามกลางแสงสว่างนวลของเดือนแรมร่างสูงตรงานในชุดพรานกระเรียง เดินเลาะ ล, ะละัดโขดแก่งแง่หินที่ผุดแซมอยู่ทั่วไปตรงข้ามมายังบริเวณพักนอนของหล่อนแล้วก็มาหยุดยืนอยู่ทางด้านปลายเท้าใบาหน้างามราวกับเทพระบุตรของอดีตคนใช้ชาวดงละไมไปด้วยรอยยิ้มได้ยกมือข้างหนึ่งชี้มาทางหลอนพร้อมกับร้องเพลงนั้นอีกท่อนหนึ่งมาว่าฝากลมพิ้วพรมโชยผ่านแล้วก็หยุดเว้นระยะ กล่าวมาด้เสียงพูดนุ่มๆว่าต่อสิครับนายหญิงรู้จักเพลงนี้ดีที่สุดอยู่แล้วนี่ฝากทานพฤกษ์ไพไม้ป่าช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบที่ว่าทวินหาเธอหล่อนได้ร้องต่อในบทสุดท้ายของเพลงนั้นออกไปแกซายยิ้มพรายจนเห็นฟันขาวเป็นเงาค่อยๆห ย, ย่อนกายลงนั่งบนก้อนหิน ทางด้านปลายเท้าที่หล่อนนอนอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อยถูกต้องครับผมไม่เพียงแต่นายหญิงเท่านั้นที่ยังถวิญหาอยู่ในขณะ น, นี้แม้ผู้กองเองก็ยังถวิญหานายหญิงอยู่ทุกขณะจิตรัพินไพร์วันดารินวราริศอัคคเนรุธจิตรังคนางเป็นคู่ที่ถวิญหาซึ่งกันและการอย่างด้าเวทนามาหลายชาติหลายภพเต็มที่แล้ว แงซ้ายเขาอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ไหนก็ตามผู้กองปลอดภัยแล้วโดยการเสียสละและยอมเสี่ยงครั้งล่าสุดของนายหญิงแล้วแล้วฉันเองละ่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในที่ปลอดภัยเช่นกันนายหญิงหมดสิ้นเคราะหกรรมอันใหญ่มหันแล้วแล้วมันไตรใบหน้าที่แพาวไปด้วยรอยยิ้มนั่นสั่นไปมาช้าๆเชิงปราม อย่าไปเอ่ยถึงมันอีกเลยครั้งนี้นายหญิงทำให้มันต้องพ่ายแพ้พี่นาาไปอย่างราบคาบแล้วจะไม่มีพิษภัยใดของราชปุโรหิตเจ้าเล่ตนนั้นหลงเหลืออยู่อีกแม้เท่ากระผีกริน้นต่อไปนี้นายหญิงมีหน้าที่อย่างเดียวที่จะติดตามผู้กองให้พบเท่านั้นและขอให้สังเกตสัญญาณจากผมแงซ า, ายจะส่งสัญญาณมาเป็นเครื่องนาทางนายหญิงเองเมื่อสิ้นฤทธิเดชของมันไตร ผลทางก็จะเริ่มสะดวกปลอดโปร่งขึ้นแล้วผมเฝ้ารอคอยเวลานี้อยู่เวลาที่นายหญิงจะมีโอกาสกำจัดมันไตรลงให้ได้ซะก่อนลุงอินพูดไว้ถูกต้องแล้วไม่มีใครปราบมันไตรได้นอกจากนายหญิงคนเดียวเท่านั้นแต่นายหญิงจะต้องเสียสละและเอาชีวิตเข้าแลกอย่างกล้าหาญเช่นที่ปฏิบัติมาแล้วแต่ฉันต้องการพบเขาโดยเร็วที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกำหนดเวลาของมันต่อให้นายหญิงดิ้นรนตะเกียกตะกายสักขนาดไหนมันก็จะไม่ก่อนหน้าของเวลานั้นเวลาของการประจวบเหมาะพอดีได้ฝันหล่อนยิ้มทั้งน้ำตาจริงๆนะแง่ทรายเจ้าหนุ่มโฉมงามในคราบของอดีตคนใช้หัวรอแผวใจเย็นๆนายหญิงอดทนอดกลั้น เพียพรพยายามมานะอุตสาหะต่อไปแล้วนายหญิงจะไม่มีวันผิดหวังรอครั้งก่อนๆแง่สายไม่อาจพูดประโยคนี้กับนายหญิงได้แต่ครั้งนี้รับรองได้เต็มปากคำํำก็ครั้งก่อนและครั้งนี้มันต่างกันยังไงครั้งก่อนหน้านี้นายหญิงมีเคร้อยยิ่งใหญ่นะักมีมารร้ายตามผจนอยู่จนแม้แ ง, ง่สายปรารถนาที่จะเข้ามาช่วย ก็ยังช่วยได้แต่เพียงผิวเผินห่างๆในรอบนอกเท่านั้นแต่ครั้งนี้มันไม่มีอุปสรรคสำคัญอะไรอีกแล้วส่วนขวากน้ำที่จะบุกบันต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาสู้เกิดมาเพื่อผจนกับชีวิตอันยากเข็ญเสี่ยงสารพัดภัยทั้งผู้กองและทั้งนายหญิงนั่นแหละนี่เขาจะเฉลียวรู้สักนิดไม่ว่าฉันกาลังติดตามเขามา เป็นเพียงกรรมบางตาบางใจเพียงน้อยนิดเท่านั้นถ้าเขารู้เขาจะต้องหยุดรอฉันหรือเสาะแสวงร่องรอยเพื่อพบฉันให้ได้ก็เพราะเขาไม่รู้นะสิครับนายหญิงก็จะยังรู้ไม่ได้เสีด้วยถึงแงาซายเองก็ฝืนลิขิตบอกเขาไม่ได้ต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้ดําเนินไปตามรูปรอยของมันเพื่อให้ทั้งเขาและนายหญิงชดใช้นี่กรรมจนหมดสิน้น มันคงไม่นานนักรอกเรื่องของกาเวนจะตัดให้ยกให้หมดสิ้นไปเลยทีเดียวย่อมไม่ได้มันต้องค่อยๆชดใช้สิ้นกันไปทีละเปราะทีละลับดับเอาละ่ะฉันเข้าใจและเริ่มมีกำลังใจอย่างเต็มที่แล้วเมื่อได้ยินข้อแนะนาจากเธอเช่นนี้แต่เธอสัญญาแล้วนะว่าจะส่งสัญญาณมาเป็นเครื่องนาหรือทิศทางให้แกฉันแน่นอน ผมเรียนแล้วว่าผมรอโอกาสนี้มา น, นานนับตั้งแต่วาระแรกที่ผมส่งสัญญาณเข้าไปเตือนนายหญิงเพื่อให้เกิดสังหรณ์รู้ว่าผู้กองได้ผ่าจากหนองน้าแห้งมาแล้วสำหรับคืนนี้ผมมาเยี่ยมเยียนแสดงความยินดีกับนายหญิงที่กาจัดไอ้มารร้ายลงไปได้ต่อให้นายหญิงไม่ได้เดินป่าติดตามผู้กองมาต่อให้อยู่ในเขตเมืองแดนซิวิไลหากยังกาจัดมันลงไปไม่ได้ มันก็จะส่งบนตราอาคมเข้าไปรบกวนเบียดเบียนย น, นายหญิงและผู้กองในรูปแบบอื่นๆไม่มีวันที่จะครองรักร่วมสุขกันได้หรอกจะต้องมีเหตุอันเป็นไปต่างๆนานาทางด้านผิดหวังพลัดพรากฉะนั้นเป็นการดีมากแล้วที่นายหญิงตามผู้กองมาในครั้งนี้และดำเนินการกับมันและถิ่นเดิมในอดีตของนายหญิงเองแง่ายขอลาจากไปเพียงแค่นี้ก่อน กล้าจบร่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินพละห่างออกไปดารินร้องเรียกเดี๋ยวแงซ า, ายมีอะไรที่เธอจะแนะนำฉันอีกบ้างไหมแงซ า, ายเอี้ยวคอข้ามลายตนเองมาทางด้านหลอนผู้เรียกทักสิ่งที่ผมจะเตือนนายหญิงก็มีแต่ว่าจงเก็บเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตการของนายหญิงเองไว้ร่วมทั้งภาพเหตุการณ์ที่นายหญิงได้พบได้รู้เห็น อันผู้อื่นจะรับฟังแล้วเกิดเป็นปัญหาขึ้นมากมายไม่รู้จบเก็บไว้ที่ตนเองให้มิดชิดที่สุดอย่าได้แพ่งพลาให้กับผู้ใดได้รู้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนายใหญ่นายกลางหรือนายทหารชา ย, ยันอย่า ก, ก่อให้เกิดเป็นปัญหาหรือคำถามมากมายอันจะเป็นข้อยุ่งยากเกินจําเป็นที่นายหญิงจะอธิบายได้นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วภาพของแง่ายก็เริ่มพลาดจางออก ด้วยการเคลื่อนไกลหายไปในรัติการอันดำมืดไดรินตื่นลืมตาขึ้นหล่อนพบตนเองนอนอยู่ใจกลางขนาบของพี่ชายสองคนขวามือเป็นเชษฐาซ้ายมือคืออนุชาห่างออกไปทั้งสองด้านคือหนานอินและชายยันบรรยากาศกลางดึกหนาวเยือกจับใจกองไฟกอะสุมอยู่ทางด้านปลายเท้าหนึ่งกองทันด้าศรษยอีกหนึ่งกอง ส่งเปลวสว่างอยู่พลอ่อมแคมดูเหมือนจะเป็นในชวนหัวหน้าลูกหาบซึ่งอาจอยู่เวรยามคอยเฝ้ากองไฟ่ผลัดที่เท่าไรไม่ทราบได้นั่งหมผ้าป่วยหันหลังให้อยู่ที่กองไฟด้านปลายเทา้าราชสกุลสาวได้รับการพักผ่อนนอนหลับมาเพียงพอแล้วนับตั้งแต่พลอยหลับอย่างสลบทลายไปตั้งแต่ตอนบ่ายจัดที่ผ่านมาบัดนี้อาการอ่อนเพลียของหล่อนหายไปหมดสิน้น ราภัยรอบด้านอันเต็มไปด้วยก้อนหินมากกว่าต้นไม้ที่แวดล้อมอยู่ยังดำสนิทและเงียบสงัดหล่อนค่อยๆขยับตัวออกไปทางด้านบนเพื่อไม่ให้พี่ชายทั้งสองที่กำลังหลับสนิทรู้สึกตัวพอพ้นออกมาได้ก็หันไปรื้อคนสัมภาระส่วนตัวที่สมกองรวมกันอยู่คว้าได้แจ็กเก็ตหนังมาสวมคุมกลายไว้และเดินย่องอ้อมทางด้านศรีรษะของพรรพวกทุกคนตรงเข้าไปที่กองไฟด้าน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 ฉันจะนั่งสูงไฟและเป็นยามแทนให้เองขณะที่กล่าวอ่อนโยนหล่อนก็สุดกายลงนั่งบนขอนไม้หยิบเศษกิ่งไม้โยนเข้าไปในกองเพื่อให้มันลุกสว่างเพิ่มขึ้นหัวหน้าลูกหาบอึกๆอัอกๆมองดูหล่อนอย่างประหลาดใจนายหญิงสบายดีแล้วเหรอในชวนถามขึ้นอย่างงงๆหล่อนยิ้มให้อีกครั้งเอื้อมมือไปยังตากาแฟที่วางอยู่ริมกองไฟ รีใส่ถ้วยพลาสติกยกขึ้นจิบแล้วถือคลึ่งอยู่ในมือสบายดีที่สุดแล้วไม่ต้องห่วงและขอขอบใจพวกในชวนทุกคนที่ตามฉันจนพบเราคงมีเรื่องคุยกันมากแต่ขอให้เป็นพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้ฉันต้องการให้ในชวนไปนอนซะก่อนกรากกลามสะบักสะบอมกันมามากแล้วไม่ใช่หรือแล้วนี่ยังต้องมานั่งผลัดเวรเฝ้ายามกันอีกความจริงสำหรับคืนนี้ฉันคิดว่าพวกเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่เวรยามอะไรกันอีกเลย ทุกคนควรจะพักนอนให้เต็มอิ่มเฉพาะที่นี่คืนนี้มันจะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นไม่มีไอผีดิบหรือโคลงช้างผีลงมาก่อกวน ร, รังควาเราอีกแล้วไปสิไปนอนสิแล้วนายหญิงหล่อนพยายามตบตามกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็ได้บุหรี่ที่ใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อด้านบนครึ่งซองควักออกมาคาบไว้ต่อด้วยกิ่งไม้เล็กๆที่ติดอยู่ในกอง ฉันอยากจะนั่งผิงไฟตรงนี้สักหน่อยนอนมาเต็มอิ่มแล้วหน้าหญิงบอกแล้วตบที่ต้นแขนหัวหน้าลูกหาบเชิงเตือนให้ปฏิบัติตามคำสั่งอีกครั้งในชวนได้แต่ขยับตัวแต่ยังไม่ยอมลุกขึ้นจ้องหน้าหลอนดารินเห็นอาการมองอย่างพินิชเช่นนั้นก็หัวเราะเบาๆถามมาอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมหน้าตาฉันไม่เหมือนเดิมหรือหรือสงสัยว่าฉันจะกลายเป็นไอพวกผีดิบ พวกนั้นไปแล้วกระมังไหนพอจะมีสเสบียงกลางอะไรรองท้องไหมนอกจากกาแฟนี่ชักขิวแล้วสิว่าแล้วหล่อนก็เชเง้อขึ้นดูเนื้อย่างเสียบอยู่กับไม้ท่อนใหญ่วางพาดอยู่สูงแบบรมควันเหนือกองไฟแล้วชักมีดข้างเอวออกมาจากฝักชะโงกเอื้อมมือไปแล่ออกมาชิ้นหนึ่งหัวหน้าลูกหารีบกระวีกระวาดไปหยิบเครื่องกระป๋องอันเป็นซุปนํามาเปิดและอุ่นไฟให้หล่อนทันที ขณะนั้นเองทางบริเวณพักนอนของพี่พี่เชษฐาก็ขยับตัวลุกขึ้นนั่งพร้อมทั้งสะกิดที่แขนอดีตฟรานชดกับชา ย, ยันปลุกให้ตื่นขึ้นพี่ชายทั้งสองและเพื่อนชายคนหนึ่งซึ่งรอโอกาสอยู่ก่อนแล้วนับตั้งแต่ได้ตัวน้องสาวคนเล็กกลับคืนมาโดยปล่อยให้พักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจจนแน่ใจว่าพอจะพูดกันได้รู้เรื่องได้พากันลุกขึ้นจากที่นอนและเดินตรงมายัางดารินวราริสพร้อมกันหมดทั้งชุด ขณะนั้นมันเป็นเวลาใกล้รุ่งแล้วทั้งเชษฐาอนุชาและชัยยันต่างก็พักนอนหลับกันไปตั้งแต่หัวค่าอันช่วยให้กับปรี้กระเปล่ามีกําลังขึ้นด้วยเช่นกันดารินได้ยินเสียงฟีเทาของบุคคลทั้งสามจึงเอี่ยวตัวมามองพอเห็นพี่ๆกับเพื่อนชายเคลื่อนเข้ามารายล้อมอยู่รอบตัวก็ยิ้มให้แก่ทุกคนแต่ยังไม่เอ่ยอะไรขึ้นก่อนทั้งสิน้นทั้งเชษฐาอนุชาและชัยยันต่างย่อนกายลงนั่งริมกองไฟใกล้ๆ สายตาสามคู่จับนิ่งมายังหล่อนเป็นตาเดียวด้วยอาการของแววค้นหาสำรวจอย่างพินิษ์ปกติเรียบร้อยดีแล้วหรือน้อยถึงได้ลุกขึ้นมานั่งอยู่คนเดียวในเวลานี้ผู้เอยขึ้นอย่างปราณีเป็นคนแรกคือพี่ชายใหญ่ขณะที่โอบแขนกอด น, น้องสาวเล็กไว้เบาๆดารินคงยิ้มอยู่เช่นนั้นด้วยพลังใจที่กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แล้ว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 กรแทบจากกระอักกันออกมาเป็นเลือดทุกคนนั่นแหละในการติดตามค้นหาตัวน้อยในครั้งนี้อนุชาเอ่ยขึ้นห้าๆ ห, หันไปหยิบถ้วยกาแฟรินจากกาจ่ายให้เชษฐาและชัยยานรวมทั้งตนเองด้วยแต่เธอยังไม่ได้ตอบพวกเราเลยว่าเธอสบายดีแล้วหรือโดยเฉพาะที่นี่อดีตพรานชดเคาะไปที่ขมับของตนเองสมองความทรงจาสภาวะทางระบบประสาทและจิตใจ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 ถ้าหากเล่าความจริงไปหมดอีกเจ็ดวันเจ็ดคืนหลอนก็ไม่สามารถที่จะยุติการซักไซไล่เรียงของกลุ่มพี่ๆไปได้และสาภาพปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งหลายๆปัญหาเป็นสิ่งที่หลอนไม่อยู่ในฐานะจะอธิบายทุกคนทราบได้จากเหตุการณ์ข้อเท็จจริงทั้งหลายที่ผ่านเผชิญมาตามลำพังคนเดียวขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้น้อยเป็นปกติดีแล้วทุกอย่างคะ่ะขอให้ทุกคนวางใจได้ หรือใครเห็นว่าน้อยมีอะไรผิดปกติแผกเพี้ยนไปอย่างไรทั้งอากับกริยาท่าทางก็ขอให้ทักท้วงดูตรวจสอบได้หน้าตาท่าทางอากับกริยาก็เหมือนน้อยคนเดิมนั่นแหละแต่ฉันดูตาเธอไม่มีแววเลยมันแข็งแข็งทื่อๆยังไงพีก่กนชา ย, ยันเอ่ยขึ้นหน้าตาเฉยแต่หางเสียงเป็นการสัพยอกเสียมากกว่าอย่าบ้าห น, นะน่าชยยัน เห็นฉันเป็นพวกผีดิบหมื่นแสนปีพวกนั้นไปเสีแล้วหรือหลอนร้องขึ้นเบาๆเพื่อนชายหัวร้อนแล้วพยักหน้านายลองเล่าให้ฟังสิมันไปยังไงมายังไงนับตั้งแต่กระแสน้ําจากภูเขามันโกรกลงมาซัดตัวเธอหายว่าไปกับตาในคืนนั้นพวกเรารู้ว่าถึงยังไงเธอก็ไม่ตายแต่เราไม่ถูกเท่านั้นว่าเราจะลําบากยากเกย็นสักแค่ไหนในการติดตามหาเธอให้พบและจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ ซึ่งก็โชคดีพอสมควรที่แม้จะลำบากยากเกียนสักแค่ไหนมันก็ไม่ถึงกับเสียเวลามากมายเกินไปนะักดารินจุดบุรีอีกตัวหนึ่งช้าๆเริ่มรู้สึกลำบากใจที่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหลายให้พวกพี่ๆฟังอธิบายให้ชั้นเข้าใจก่อนไม่ดีกว่าหรือว่าทุกคนตามฉั้นมาได้ถูกยังไงจนกระทั่งสามารถระเบิดช่องทางด้านบนของภูเขาลงไปช่วยได้ทันน้อย ทังฝ่ายพี่ๆจะยังไม่บอกอะไรน้อยก่อนทั้งสิ้นเจนกว่าน้อยจะลอาฟังโดยละเอียดทั้งหมดนับตั้งแต่น้อยได้สูญหายจากพวกเราไปเพราะมันเต็มไปด้วยความลึกลับและปริศนาเหลือเกินในกรณีที่พวกเราค้นพบว่าน้อยยอมไปกับช้างผีสิงของไอ้มันไตรและยอมให้มันนําเข้าไปสู่อาณาจักรร้างใต้ภูเขาที่มีเท่าลาวาปกคลุมไว้ข้างบนสรุปง่ายๆก็คือยอมตัวตกเป็นเชลยของมัน ชนิดที่ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างสุดแต่มันจะชักจูงไปเฉฐากล่าวขึ้นเคร่งครวมขณะที่จ้องตาหล่อนขมิงเอาละค่ะน้อยจะไล่ฟังใ น, นที่สุดหล่อนก็เอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังโดยพยายามไม่ให้มีข้อความใดขัดหรือค้านกันเองก่อให้เกิดพิรุธขึ้นเริ่มตั้งแต่ได้สติกลับขึ้นมาโดยพบตนเองค้างติดอยู่บนกระเช้าเทาวันใหญ่กลางลำต้นของพยาไม้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 และตกดึกก็เผชิญหน้ากับจอมพิลิมันไตรซึ่งเข้ามาเจรจากับหลอนส่วนรายละเอียดของการสนทนาที่เกี่ยวโยงไปถึงอดีตชาติของหลอนดารินละเวนเสียไม่นำมาบอกเล่าใดๆทั้งสิ้นคงบอกแต่เพียงมันไตรมีข้อแลกเปลี่ยนว่าหากยินยอมไปกับมันมันก็จะละเว้นไม่ทำราวีก่อกรรมทาเข็นกับคณะของราพินและคณะของพี่ๆของหลอนอีกต่อไป โดยให้สัตว์สัญญาแลกเปลี่ยนกันดารินให้เหตุผลว่าหล่อนไม่มีทางเลือกในภาวะเช่นนั้นเมื่อได้สัญญาจากมันไตรว่าจะยุติการจองล้านจองผลานระพินและฝ่ายของหล่อนก็จำใจต้องตกปากรับคำกับมันว่าจะยินยอมเสสละตนเองไปกับมันทุกหนทุกแห่งโดยหวังไว้ว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยจากอิทธิฤทธิ์ของมันไตรส่วนตนเองนั้นจะขอไปแก้ไขเหตุการณ์เอาภายหน้า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 เมื่อเรามาถึงตอนนี้พวกพี่ๆหันมองตากันเองเพราะจากร่องรอยหลักฐานการติดตามมานระยะต้นมันสอดคล้องต้องตรงกันทุกประการมันบอกน้อยหรือเปล่าว่ามันจะเอาน้อยไปไหนเพื่ออะไรเทษฐายิ่งคําถามทันทีหล่อนเบี่ยงคําตอบไปตามที่กําหนดไว้แล้วว่ามันบอกแต่เพียงว่าจะเชิญให้น้อยไปเห็นอาณาจักรดั้งเดิมแท้จริงของนิทรานคร ให้ได้ไปเห็นความมหัศจรรย์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพราะในครั้งก่อนที่เราได้ผ่านไปพบในบางส่วนนั้นเป็นแต่เพียงผิวเผินเท่านั้นความเรืองรองแห่งนิทรานครแท้จริงยังถูกซ่อนเร้นลับอยู่ในที่ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดค้นพบมานับแสนปีแล้วตลอดเวลาแห่งการเล่าความของหลอนอนุชาไม่เอ่ยสักคใดทั้งสิ้นนั่งลูกคางจับตามองน้องสาวขมิงเหมือนจะค้นหา่องระอะไรบางอย่าง คงปล่อยหน้าที่การซักให้เป็นของเชิฐาและชัยยันเพื่ออะไรกันมันบอกหรือเปล่าว่ามันอยากได้เธอไปทําแฟนอยู่ในเมืองร้างใต้ภูเขานั่นชัยยันถามขึ้นมันไม่ได้บอกอะไรบอกแต่เพียงต้องการตัวฉันให้เข้าไปสู่อาณาจักรนั้นเท่านั้นและเธอก็ไปกับมันทนันทีที่รู้ว่ามันคือไอ้ผีดิบพ่อมดร้ายอันตรายขีดสุดเธอคิดว่าฉันมีทางเลือกอย่างอื่นหรือ ในเมื่อฉันเผชิญหน้ามันตามลำพังคนเดียวขณะที่หลงป่าเลิดเปิดเปิงอย่างไร้จุดหมายไร้ที่พึ่งและนั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่ามันขู่ว่าถ้าฉันขัดขืนมันทั้งฝ่ายระพินและฝ่ายเราจะถูกมันแผลงฤทธ์เล่นงานให้เต็มที่ทีเดียวมันบอกว่าทุกคนของทั้งสองฝ่ายได้ถล่มเข้ามาในกับดักของมันแล้วฉันคิดว่าฉันยอมเสี่ยงเพียงคนเดียวดีกว่า อย่าเพิ่งขัดพี่ชายใหญ่ของคณะโบกมือห้ามชายยันแล้วเรีกหน้าเตือนให้หล่อนเล่าต่อความจริงบางส่วนก็ถูกเปิดเผยต่อไปตามข้อสัญญาตอนรุ่งสางมันตรายได้ส่งช้างอันมีงาสีดำสนิทเข้ามาทำหน้าที่เป็นพาหนะรับตัวหล่อนไปหลอนขึ้นนั่งบนคอช้างใหญ่ตัวนั้นมีช้างติดตามคุ้มกันมาด้วยอีกสองตัวบ่ายหน้าตัดดงไปไเรื่อยๆ ตลอดเส้นทางหล่อนได้พยายามทำสัญญาณตำหนิไว้ตามกิง่งและต้นไม้ที่ผ่านเพื่อว่าพรรคพวกอาจตามมาพบเข้าจะได้ติดตามถูกคัมได้พักนอนมีเผือกมันไปสเสวีอาหารจัดไว้ให้พร้อมเช้ารุ่งขึ้นอีกวันก็เดินทางต่อผลทางเป็นแผ่นดินที่ถล่มต่ำลงมาตามลำดับจากการสังเกตของหล่อนคัมบอกเล่าของหล่อนตามนี้ไม่มีอะไรขัดข้าน ก, นกันกับฝ่ายของพี่ชาที่ติดตามร่องรอยมาตลอด เพราะฝ่ายของเชษฐาค้นพบได้ทุกระยะตรงกันหมดทุกอย่างจนกระทั่งในที่สุดช้างทั้งสามตัวก็ได้นำหล่อนลอดเข้าไปใต้น้ำตกระดับล่างของหน้าผาใหญ่บริเวณที่มีกำแพงภูเขาสูงกั้นไว้รอบด้านหล่อนได้เข้าไปพบกับดินแดนประหลาดเข้าแห่งหนึ่งภายหลังเมื่อช้างผาน้ที่มันไตรให้มารับนั้นนาลอดช่องน้าตกเข้าไป ต่อจากนั้นน้อยก็ลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างจําเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยเหมือนคนถูกวางยาสลบจนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงระเบิดอยู่เหนือศีรษะและได้ยินเสียงร้องตะโกนให้สติลงมาของพี่ใหญ่พี่กลางและลุงอินหล่อนสรุปข้อความในตอนท้ายเป็นการตัดปัญหาลงเพียงแค่นั้นเชษฐาอนุชาและชัยยันมองดูกันเองอีกครั้งเมื่อหล่อนกล่าวสิ้นกระแสความลงในตอนท้าย น้อยเธอแน่ใจหรือว่าที่เธอเล่ามาให้พี่ๆฟังนี่นะ่ะหมดเพียงแค่นี้อนุชาหรืออดีตพรานชดเอ่ยขึ้นต่ำๆเป็นประโยคแรกนับตั้งแต่ฟังน้องสาวเล่ามาก็หมดแค่นี้ละค่ะทำไมพี่กลางสงสัยอะไรอีกหรือหล่อนย้อนถามวางหน้าเรียบสนิทที่สุดถ้าหมดความรู้สึกจำอะไรไม่ได้อีกเลยในทันที ที่ไอ้ช้างผีลงนั่นนําเธอลอดผ่านน้าตกเข้าไปพบแผ่นดินที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาค่ะเหมือนคนนอนหลับสนิทไปงั้นแหละไม่ฝันไม่เห็นอะไรอีกทั้งสิ้นอนุชาเอามือขยี้จมูก พ, มพึมพำอะไรอยู่ในลําคอมีอาการเหมือนจะคลางแคลงใจอยู่เชษฐาถามมาตำต่ำว่าเอาละ่ะนัดบอกว่ามารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่ได้ยินเสียงระเบิดและได้ยินเสียงพี่ตะโกนลงไปไหน ลำดับความทรงจําซิพี่ตะโกนลงไปว่ายังไงดารินรี่ตาลงเมมริฟิปากหล่อนชักจะเลือนลางอยู่เหมือนกันในเหตุการณ์ตอนนี้เพราะขนาดนั้นต้องบ่นสะกดเข้าอย่างจังมีเสียงเปรี้ยงขึ้นก่อนเหมือนเหมือนฟ้าผ่าลงมาแล้วเป็นเสียงจําได้ว่าเสียงของพี่ใหญ่ตะโกนลั่นดังมากทีเดียวดูเหมือนจะร้องว่าน้อยอย่าถอดพระเรื่ออะไรทํานองนี้แหละคะ่ะ ตอนนั้นมันสับสนชลมุลไปหมดคิดให้ดีสิหลังจากนั้นน้อยได้ทำหรือปฏิบัติอย่างไรต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นอีกพี่ชายใหญ่ซักมาช้าๆเมื่อจะเป็นการทดสอบอะไรบางอย่างพอได้ยินเสียงพี่ใหญ่ตะโกนลงมาก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งลักษณะเหมือนเส้นเชือกแข็งกระด้างวงกลมๆตกลงมากระทบตัวน้อยล่นอยู่ข้างหน้าไม่ทันสังเกตชัดว่ามันเป็นอะไร แล้วก็มีเสียงของลุงอินกับพี่กลางร้องกล้องลงมาให้น้อยหยิบสิ่งนั้นเวียงเข้าใส่มันไตรค่ะตอนนั้นทั้งมันและกลุ่มไอพิธิบริวารของมันกําลังยกขยงตรงรี่เข้ามาที่น้อยเหมือนจะฉีกเนื้อถือหนังรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงไรเฟิลแผสนันลงมาด้วยคงมีใครสักคนยิงปืนลงมายังกลุ่มไอพิธิพวกนั้นแล้วน้อยก็เวียงสิ่งที่คว้าขึ้นมาได้ตรงเข้าไปที่มัน อาการของหลอนเริ่มตื่นเต้นเหมือนหวนคิดไปถึงเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ตอนนั้นน้อยตาฝาดไปหรือเปล่าไม่ทราบได้ทันทีที่เวียงวงกลมนั่นไปที่มันก็กลายเป็นบ่วงไฟเหมือนตะไลเพลิงหมุนควงเร็วจีไปรัดรอบตัวของมันได้แล้วลุกไหม้ชดช่วงขึ้นทันทีไอพวกส้ากต่างๆที่เดินทื่อตรงเข้ามาก็พลอยล้มลงหมดในเวลาเดียวกันนั้น แล้วพี่กลางพี่ใหญ่ลุงอินและชัยยันก็โหนเชือกไต่ลงมาจากด้านบนที่เป็นช่องโว่ซึ่งนั่นแปลว่าเราทั้งสองฝ่ายได้พบกันแล้วน้อยคงไม่ต้องเล่าอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะความเงียบได้ปกกลุ่มไปชั่วขณนะดารินวราฤทธิ์มองหน้ากลุ่มพี่ๆไปทีละคนตามลำดับอีกครั้งกลับไปกลับมาอยู่เช่นนั้นเชษฐานั้นมองประสานสายตาของน้องสาวนิ่งอนุชาเกาโนกแก้มช้าๆอย่างใช้ความคิดหนัก ส่วนชา ย, ยันเอานิ้วเคาะกะโหลกตัวเองเบาๆหลอนไม่สามารถจะทายความคิดอ่านของบุคคลทั้งสามได้แต่รู้ว่าเต็มไปด้วยความพิษสงงคลางแคลงและยังไม่สู้จะแน่ใจในบางสิ่งบางอย่างดูคล้ายๆกับว่าคนเหล่านั้นกำลังอยู่ในภาวะสับสนทําไมทุกคนนิ่งกันไปหมดทาไมไม่มีใครเล่าให้น้อยฟังมั่งว่าไปยังไงมายังไง พวกพี่ใหญ่พี่กลางชัยยาและลุงอินจึงลงมาจากเพดานหินด้านบนได้และรู้ได้ยังไงว่าน้อยอยู่ใต้เขาในบริเวณนั้นหล่อนเอ่ยถามอย่างงงงงและต้องการข้อเฉลยบ้างพี่จะบอกถึงเหตุการณ์ที่มันมาบรรจบ ก, กันพอดีก่อนนะเชิดถาเอ่ยขึ้ น, นเนิบตอนนั้นพวกพี่ลุงอินและลูกหาบางส่วนกำลังไต่เพื่อหาช่องทางลงจ า, จากพื้นครอบเหมือนกระจกอันเป็นหินผลึก บางแห่งใสบางแห่งฝ้าพอจะมองลงไปเห็นครูหาหินข้างล่างได้บางส่วนไม่สู้จะถนัดนะักพวกเรากําลังมองหาลู่ทางกันอยู่อย่างเต็มที่เพราะได้ไต่ขึ้นไปยังเนินหลังเต่าที่พื้นเป็นหินโปร่งตาจากภาพลับๆ ล, ล่อๆวั บ, ว บ, แบๆแวมๆของแสงตะวันบ่ายที่สาดลงไปพวกเรามองเห็นน้อ ย, ยืนประจันหน้าอยู่กับไอ้พิดิปมันไตรในลักษณะเลื่อนลอยไร้สติ เรารู้ว่าขณะนั้นน้อยต้องมวสะกดแน่ช้ยยันกับปลาตัดสินใจวางระเบิดเพื่อเปิดทางเพราะเราต้องแข่งกับเวลาที่สุดเพราะฝ่ายเรามองเห็นน้อยแล้วจากด้านบนกำลังประจันหน้ากับไอ้มันตรยเราไม่ได้ยินอะไรนอกจากภาพที่เห็นลงไปแต่รู้สึกว่าน้อยกำลังจะถอดสร้อยแขวนพระออกจากคอซึ่งถ้าถอดพ้นตัวหรือหลุดจากตัวเมื่อไหร่น้อยก็เสร็จมันเมื่อนั้นโดยพวกเราจะไม่มีทางช่วย อ, อะไรได้อีก กลางเป็นคนจุดชนวนระเบิดขึ้นทันทีโดยเราก็ไม่แน่ใจว่าอำนาจระเบิดจะทำให้หินบางส่วนหล่นลงไปกรบท้าเป็นอันตรายต่อ น, น้อยหรือเปล่าแต่เราก็ต้องเสี่ยงเพราะรอช้าไม่ได้อีกแล้วพอมันตูมขึ้นหินกลายเป็นรูโว่ได้ขนาดพอดีกับที่เราต้องการไม่ถึงกับถล่มลงไปมากนะักเราก็พลูการพลูมาที่ช่องระเบิดนั่นแล้วพี่ก็โยนบ่วงอันนั้นลงไปให้ ร้อมกับร้องสั่งลงไปอย่างที่น้อยได้ยินนั่นแหละมันเป็นอะไรกันแน่คะสิ่งที่มองเหมือนบวงวงกลมนั่นหลอนถามโดยเร็วด้วยความสงสัยขีดสุดภายหลังจากพยายาลำดับภาพเหตุการณ์ตอนนั้นประเดี๋ยวพี่จะเล่าฟังว่าสิ่งนั้นคืออะไรและพี่ได้มาอย่างไรแต่ที่น้อยสามารถหยุดมันได้ริดเดของมันทั้งปวงลงได้ ตลอดจนทำลายอาถรรพ์ของนิทรานครลงได้หมดสิ้นก็เพราะสิ่งที่มีอิทธิฤทธิ์เหนือฤทธิ์เดชของมันสิ่งนั้นแหละความจริงพี่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นที่พี่ได้มาจะมีมหิทธทานุภาพอย่างไรแค่ไหนเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเหนือโลกประทานให้พี่และลุงอินเข้าใจดีเป็นผู้แนะนำให้พี่นำติดตัวมาด้วยในระหว่างติดตามน้อยคราวนี้ลุงอินเพิ่งจะมาบอกพี่เอาวินาทีสุดท้ายว่าให้พี่โยนลงไปให้น้อย และบอกให้น้อยเป็นผู้เวียงเข้าใส่มันตรยัยพวกเราข้างบนมองไม่เห็นอะไรจากช่องที่ชงโงกดูนั้นเห็นแต่มันตรายและไอพิธพวกมันทุกตนล้มลงและเมื่อเราไต่เชือกลงไปเพื่อเอาน้อยขึ้นมาเรารู้สึกว่าบรรยากาศภายในโพรงข้างล่างนั้นร้อนแรงมากเหลือเกินมาได้รับฟังจากน้อยเดี๋ยวนี้เองว่าสิ่งนั้นได้กลายเป็นตะไลเฟลิงบุ๋นไปล้อมร่างของมันตรัยไว้พร้อมทั้งเผาผลาญจนเป็นเท่า และพอน้อยกับพวกเราไต่ช่องทางขึ้นมาได้ก็ปรากฏว่าพื้นที่ปกคลุมด้วยหินโปร่งตาอันเป็นบริเวณหนึ่งของภูเขาตำแหน่งนั้นเริ่มปริและถล่มลงเนื่องมาจากอาการไหวเคลื่อนตัวของแผ่นดินข้างใต้ลงไปซึ่งมันเป็นสิ่งแปลกประหลาดมากเป็นอาถรรพ์ที่ล้างอาถรรพ์เป็นสิ่งมีอิทธิฤทธิเหนือชั้นกว่าที่ทําลายล้างอิทธิฤทธิชั่วร้ายที่ต่ํากว่าเปรียบเสมือนเทพเจ้าประธานมาให้ และรอเวลาจนกระทั่งน้อยนั่นแหละจะต้องเป็นผู้ใช้สิ่งนั้นโดยเฉพาะทีเดียวเพราะเมื่อพี่โยนลงไปสิ่งนั้นก็ยังเป็นลักษณะเหมือนบ่วงธรรมดาอยู่แต่พน้อยเป็นคนโยนเข้าใส่มันไตรก็แปรสภาพเป็นบ่วงไฟไปทําลายมันทันทีดารินลืมตากว้างบัดนี้หล่อนรู้แล้วว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะหล่อนมองเห็นหนาคเทวีสําแดงกายขึ้น ขณะที่มันตรายถูกบ่วงไฟเผาผล่านดิ้นรนร้องโหยหวนอยู่ตลอดไม่ทราบว่าพี่ชายใหญ่ไปได้มาจากไหนอย่างไรสภาพภายในคูหาหินด้านล่างขณะที่หล่อนเผชิญอยู่กับด้านบนที่พวกพี่ชายชะโงกลงมามันแบ่งขั้นตอนกันอยู่เหมือนมีอะไรมาบังตาไว้ให้หล่อนเห็นอย่างหนึ่งฝ่ายของเชิดถาเห็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกัน พี่ใหญ่หรือพวกเราคนไหนไปได้สิ่งประหลาดมหาศิารา์ที่สามารถเผาผลาศัทธที่มันตาอาศัยสิงอยู่และสามารถผูกมัดพันธนาการดวงวิญญาณร้ายของมันไว้จนไม่อาจเร่ร่อนไปได้อย่างอิสระได้อีกแล้วค่ะมันไม่มีโอกาสที่จะมีอิสระอีกต่อไปเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจอยู่เหนือกว่านั้นได้มายังไงจากไหนคะ ราชสกุลสาวน้องคนเล็กถามขึ้นอย่างสุดพิศวงค์เชษฐาและศบตาชัยยันและอนุชาตอนนี้ท่านหัวหน้าคณะก็เริ่มอึดอจจัดใจที่จะบอกความจริงแก่น้องสาวขึ้นมาบ้างเหมือนกันน้อยมันเป็นเรื่องที่พี่เล่าลําบากเหลือเกินนะสําหรับสิ่งนั้นความจริงพี่ก็ไม่เคยรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่นานอินเป็นคนบอกพี่เองว่าเป็นหน้าขบา่าที่นาคาเทวีประทานให้มา เพื่อสำหรับใช้กําจัดมันไตรโดยตรงและก็มีเจตนาที่จะมอบส่งให้แก่พี่นานอินสั่งนักสั่งนาให้พี่เก็บรักษาไว้ให้ดีและนำติดตัวมาตลอดระยะที่ออกติดตามน้อยมาครั้นพอถึงเวลาเข้าได้เข้าเคมสำคัญที่สุดนานอินก็เป็นคนเตือนพี่ให้โยนสิ่งนั้นลงไปให้น้อยพร้อมกันนานอินก็สั่งให้น้อยเวียงสิ่งนั้นเข้าใส่ไอ้ผีดิบมีริสต น, นั้น หนากบาทของนาคเทวีดารินพึมพำรี่ดวงตาลงพี่ใหญ่ยังไม่ได้บอกให้น้อยรู้เลยว่าไปได้มาจากไหนอย่างไรพี่ชายใหญ่ของคณะอธิบายช้าๆให้หล่อนได้ทราบถึงเฉพาะเหตุการณ์ตอนที่ได้สิ่งมีอิทธิฤทธิแปลกประหลาดนั้นให้น้องสาฟังก่อนเหตุการณ์อื่นๆเริ่มตั้งแต่ระหว่างอ่อนพลียนอนหลับพักไปในขณะติดตามน้องสาในช่วงแรก นิมิตเห็นนางพญาแห่งบาดาลผู้มีสิริโฉมมาปรากฏตัวทักทายด้วยแล้วโยนบ่วงไฟส่งมาให้พอสิ่งนั้นตกลงตรงหน้าก็แลเห็นเป็นงูเห่าสองตัวขยอกกลืนหางกินกันเองตายติดขาค้างอยู่เมื่อตื่นขึ้นเล่าความฝันให้ทุกคนฟังนานอินผู้รู้ทางไสยศาสตร์มนเมื่อดีอยู่แล้วก็ได้บอกว่า สิ่งอาถรรพ์ที่จะปราบอาถรรพ์ร้ายได้ทุกชนิดซึ่งเรียกว่าหน้าขบาทเป็นการมาเข้าฝันเป็นปริศนาให้ทราบไว้ล่วงหน้าก่อนขณะที่ฟังนานอินแปลรหัสแห่งความฝันก็มาดิ้นนึกเลื่อมใสอะไรทั้งสิน้นแล้วเมื่อเดินทางต่อมาตัวเขาเองก็ได้มาพบกับของจริงคือและเห็นกูหาวสองตัวกำลังขยอกกินหาของแต่ละฝ่ายอยู่ขมวดเข้ามาเป็นวงกลม แลวทุกคนก็เห็นพร้อมกันหมดเมื่อเรียกให้มาดูที่สุดงูทั้งสองก็ตายคายอยู่ในขนาดนั้นกลายเป็นบ่วงงูอันตรงกับความฝันและสิ่งที่หนานอินได้บอกให้ทราบไว้ล่วงหน้าทุกอย่างเมื่อพี่และพวกเราทุกคนมาเห็นงูกินหางกัน2ตัวเช่นนั้นเรามีแต่ความตื่นเต้นประหลาดใจในอาเพศเพราะสภาพเช่นนั้นมันก็เป็นสิ่งผิดธรรมชาติวิกวิกาอยู่แล้วซึ่งมันก็ตรงกับความฝันทุกอย่าง จำยังมีพื้นฐานแห่งการบอกเล่าไว้ก่อนล่วงหน้าของลุงอินมารองรับขนาดนั้นพี่ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นหน้าขบาามีฤทธิเดชอย่างไรสำหรับจะปราบมันไตรได้แต่ลุงอินดีอกดีใจมากขอให้พี่เก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดแต่ลุงอินก็ไม่ยอมอธิบายให้รู้ว่าเราจะใช้สิ่งนั้นอย่างไรเมื่อใดจะเกิดผลได้ในทางไหนโดยบอกว่าเมื่อใดถึงเวลาจาเป็นจริงๆแล้วก็จะรู้เอง พี่ก็เก็บรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดเวลาติดตามน้อยและพี่ก็เพิ่งจะมารู้เอาในวินาทีสุดท้ายที่นานอินสั่งให้พี่โยนสิ่งนั้นไปให้น้อยและสั่งน้อยให้เบี่ยงเข้าใส่นั่นแหละเพราะน้อยก็บอกว่ามันได้กลายเป็นบ่วงเพลิงร้อนแรงไปตวัดรัดรอบร่างที่มีดวงวิ ญ, ญญาณเป็นอมตะของมันไตรไว้พร้อมทั้งเผาผลาญเป็นขี้เถ้าไปในที่สุดซึ่งมันก็แปลว่า มันไตรจะต้องถึงคราวสิ้นสุดลงเสียทีด้วยน้ำมือน้อยเพียงคนเดียวเท่านั้นฝ่ายพี่เป็นเพียงผู้เก็บเอาสิ่งนั้นมาให้น้อยใช้เป็นอาวุธแก้อาถันทั้งมวลของเจ้าวิญญาณชั่วร้ายที่มีฤทธิ์เย้ยฟ้าท้าดินนั้นเท่านั้นดารินขนลุกเกรียวขึ้นในทันทีดวงตาเป็นประกายหลอนยกมือขึ้นพนมและบัดนี้หลอนเข้าใจดีที่สุดแล้ว สำหรับบ่วงประหลาดที่พี่ชายโยนลงมาให้และตนเองเป็นผู้เวียงเข้าใส่มันไตรเพราะได้เห็นชัดกับตาบดทุกอย่างเห็นแม้กระทั่งการปรากฏองค์ขึ้นอีกครั้งของหน้าคเทวีและคำปราศัยบอกเล่าของนางพญาแห่งบาดาลซึ่งฝ่ายของพี่ชายอยู่ด้านบนในขนาดนั้นไม่มีโอกาสจะเห็นได้แน่นอนที่สุดในข้อที่ว่าวิญญาณอันคอยพยาบาท จองล้างจองผ่านมาทุกชาติพบของมันไตรได้ถึงที่สิ้นสุดลงแล้วตามกดวงล้อแห่งกรรมของมันที่เวียนมาถึงพอดีเอาละค่ะน้อยเข้าใจแล้วเข้าใจดีที่สุดในเรื่องหน้าขบ่า ท, ที่พี่ใหญ่ได้มาหล่อนเอ่ยแผ่วเบานึกย้อนไปถึงภาพที่เห็นชัดกับตาขณะที่มันไตรถูกบวงไฟรัดเอาไว้ดินทุรนทุรายอย่างเร่าร้อนเจ็บปวดอันผิดไปจากสภาพเดิมของมัน ซึ่งไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้มันมีความรู้สึกเช่นนั้นได้ครานี้ก็ถึงเวลาที่ฝ่ายพี่ใหญ่จะต้องเล่าให้น้อยฟังแล้วล่ะค่ะว่านับตั้งแต่น้อยถูกน้ำจากยอดเขาเทซัดจักหายไปพวกพี่ใหญ่ออกติดตามน้อยมาอย่างไรและระยะนั้นไอเจ้าด้วนของน้อยมันหายไปอยู่ที่ไหนฝ่ายของพี่ชายเริ่มลํำด่าเหตุการณ์ให้หล่อนฟังบ้างตามที่เผชิญมานับตั้งแต่เริ่มออกติดตาม เริ่มค้นพบร่องรอยในระยะแรกการไปพบเจ้าด้วนซึ่งสนิฐานได้ว่าถูกโครงช้างผีลงของมันไตรไล<ะ>่ล<ะ>ต้อนรุมทําร้ายลงไปจมปลักคโคลนจนไม่สามารถขยื่นได้และได้ช่วยการกู้ร่างของเจ้าด้วนขึ้นมาจากปลักคโคลนได้สําเร็จเจ้าด้วนเป็นมครคุเทศนาทางแกะรอยมาพบตําแหน่งที่ดารินยิงเสือไว้โคนไม้ใหญ่ต่อมาค้นพบหลักฐานหยุดพักในดงกล้วยป่า การมาพักแรมในป่าหินเหนือดงกล้วยลากฐานของการน่าจะพิสูจน์ได้ว่าลอาได้ขึ้นหลังช้างไปและได้เห็นรอยฟันบากกรีดริดกิ่งไม้เหมือนจะชี้ทางให้เป็นระยะการติดตามมาทุกระยะพบแม้กระทั่งตำแหน่งพักนอนตำแหน่งหยุดพักกินอาหารเรารู้ว่าเราจะไม่มีโอกาสตามน้อยได้ทันเลยแม้จะได้ร่องรอยแล้วก็ตาม เราได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงนับจากเวลาที่เราค้นพบหลักฐานในป่าหินชายยันเป็นคนบอกและได้เล่าถึงการตัดสินใจที่จะย่นระยะทางหรือชิงเอาเปรียบในด้านเวลาโดยให้กระชั้นเข้าโดยการออกติดตามในเวลากลางคืนด้วยวิธีหยุดพักเพียงเล็กน้อยพอหายเหนื่อยทั้งหมดเจ้าด้วนเป็นมั ค, คุเทศนำทางได้อย่างดีที่สุดแม้มันจะไม่สามารถพูดหรือบอกเล่าใดๆได้ก็ตาม แต่ก็สามารถรู้กันได้ด้วยอาการและสัญชาติญาณอัญชาญฉลาดของมันระหว่างที่ทางด้านดารินยังนอนพักรอเดินทางต่อในเวลารุ่งเช้าเป็นระยะเวลาของฝ่ายพี่ชาที่ติดตามมาโดยไม่ยอมเสียเวลาหยุดพักในเวลากลางคืนและนั่นคือการสาวรอยให้ใกล้กันเข้ามาทุกทีถ้าตกค่าน้อยนอนพักพวกเราก็นอนพักพอเช้าช้างมันก็พาน้อยเดิน เราก็ออกเดินแบบนี้ตามกันทั้งชาติก็คงไม่ทันหรือทันก็คงช้าไปกว่าเหตุการณ์ที่จะช่วยเหลือได้เสียแล้วเราจึงใช้เวลาช่วยโอกาสตอนน้อยหยุดพักนั่นแหละสาวระยะทางเข้ามาอนุชาพูดพูดน้อยที่สุดบอกความจริงให้ทราบและมันก็ได้ผลจริงๆตกบ่ายของวันนี้พวกพี่ๆตามน้อยมาทันจุดหมายปลายทางที่มันตรายให้ช้างของมันนาน้อยมา แต่ความฉลาดได้รู้อะไรดีอยู่ก่อนแล้วของเจ้าด่วนแท้แทนที่มันจะนำพวกเราตามหลังน้อยไปทุกก้าพอเข้าระยะจำเป็นมันก็แยกนำพวกเราอ้อมสกัดขึ้นมาบนเนินเขาอันเป็นหินผลึกด้านนี้หมายถึงว่าน้อยมุดใต้น้ำตกเข้าไปพวกของพี่ก็ขึ้นไปสํารวจดักอยู่ทางด้านบนอยู่ก่อนแล้วซึ่งเป็นเวลาที่สอดคล้องประจวบเหมาะกันอย่างทันท่วงที เหมือนเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทรงกำหนดเอาไว้ให้เจ้าด้วนพยายามใช้งวงผลักใสยพวกเราให้ขึ้นมาบนเนินนี้พร้อมทั้งส่งเสียงร้องทำอากาบเกเรยาชี้แนะต่างๆเราจึงแบ่งกันออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคุมข้าวของสัมภาร ะ, ร, าะรอคอยอยู่ตรงร่องเนินข้างล่างพร้อมเจ้าด้วนพวกพี่สามคนลุงอินขยินและพวกลูกหาบอีกจานวนหนึ่ง ไต่ขึ้นไปบนหลังคากลุมด้วยหินอันใสเหมือนแก้วผลึกนั่นและเราก็มองเห็นน้อยในสภาพที่บอกแล้วจนถึงกับต้องตัดสินใจระเบิดช่องทางลงไปเพราะขนาดนั้นถึงแม้จะมองเห็นได้เพียงลับๆ ล, ล่อๆก็ไม่สามารถจะส่งสัญญาณลงไปถึงน้อยให้รู้ตัวได้เพราะหินผลึกมันบังไว้เรื่องราวระหว่างฝ่ายติดตามและฝ่ายถูกติดตามก็มาบรรจบกันได้พอดี มือทั้งสองฝ่ายต่างนำมาลำดับตอนเป็นเหตุการณ์ที่ต่อนเนื่องประสานกันพอดีโดยไม่ขัดแยง้งดารินสดบฟังอย่างใร ต, ตรองและไข้ครวนไปทุกระยะถ้าจะสอบเวลาก็จะตรงกันได้หมดหล่อนตหนักได้นในบัดนี้ว่านอกจากจะขอบคุณคณะของพี่ชาที่ติดตามมาอย่างเพียบพร้อมไปด้วยความฉลาดไวพริบดีและเต็มด้วยสมรรถนะสูงสุดแล้วที่หลอนตกไปนี่บุญคุณอย่างสูงก็คือ เจ้าดวนผู้แสนจะพักดีและแสนรู้สำหรับหน้ากระเทวีไม่จาเป็นที่หล่อนจะต้องเอ่ยถึงเพราะนั่นเป็นหนึ่งในจำนวนสิ่งเหนือโลกมหัศจรรย์ซึ่งยืนหัดเข้ามาประทานความช่วยเหลือหล่อนเมื่อถึงวาระที่เวรกรรมยิ่งใหญ่ของหล่อนจะหมดสิ้นลงมีข้อสงสัยอะไรหรือ ย, ยังไม่เข้าใจอะไรอีกหล่อนก็สอบถามจนหมดสิ้นต่อคาถามของหล่อนที่ว่า บรรดาผู้พี่ๆที่ขึ้นไปอยู่ยังด้านบนและมองลงมาเห็นหล่อนรำไรนั้นมองเห็นพื้นสภาพของภูมิประเทศเบื้องล่างอย่างไรคำตอบของพี่ชายทั้งสองและเพื่อนตรงกันหมดคือเห็นว่าหล่อนติดอยู่ใต้ช่องภูเขาต่ำลงไปอันเป็นคูหาหินเก่าแก่ป ร, รากหักพังเป็นช่องทางเหมือนรังปลวกซึ่งข้อ น, นี้เป็นตรงข้ามกับที่หล่อนมองเห็นเนเป็นห้องบรรทมอันวิจิตรบรรจง สวยงามจนสุดที่จะพัฒ น, นาได้นั่นแปลว่าตาหล่อนเห็นไปอย่างหนึ่งและฝ่ายข้างบนเห็นไปอีกอย่างหนึ่งแสดงว่าสายตาของหล่อนที่เห็นไปเช่นนั้นเป็นการเห็นย้อนหลังไปสู่อดีตแต่สายตาของผู้ที่อยู่ข้างบนมองเห็นในภาพความเป็นจริงของภูมิประเทศในปัจจุบันจึงเป็นทนี่แน่ชัดแล้วว่าไม่สมควรอย่างเด็ดขาดที่หล่อนจะต้องเล่าความจริงให้ฟังว่า หล่อนได้ไปพบเห็นปรางมาหาปร า, าสาทอันโอรานของจิตปรางขนางให้คนเหล่านี้ฟังตามที่แงซายในฝันได้กล่าวเตือนไว้โดยตัดตอนเสียดด้วยคําบอกเล่าว่าหล่อนไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยนับตั้งแต่ช้างของมันไตรได้นําหล่อนลอดใต้ผาน้ําตกเข้าไปแล้วสิ่งที่หล่อนกําหนดระยะเวลาไม่ถูกว่าเป็นเวลานานสักเท่าใดตั้งแต่ช้างนําหล่อนลอใต้ถ้าน้ําตก เข้าไปสู่แผ่นดินเดิมของตนเองนอดิตการกับขนาดที่ได้ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่ถูกมารตรสกดให้ถอดพระเครื่องรางออกและพวกข้างบนก็ระเบิดเพาดานหินลงมาอย่างทันการนั้นหล่อนใช้เวลาอยู่ในนั้นนานสักแค่ไหนที่ได้ถูกเปิดเผยให้หล่อนทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุใดระหว่างที่หล่อนหลงทางอยู่คนเดียวเจ้าด้วนช้างคู่บารมีได้สูญหายไปไหนเพราะอะไร บันี้หลอนประจักษ์ชัดเข้าใจทองแท้เจ้าดูวยถูกแยกตัวออกไปก่อนฝ่ายพี่ชายไปนค้นพบช่วยเหลือทันต่อมามันจึงเป็นผู้นำติดตามหล่อนมาอย่างถูกทางที่สุดซ้ำยังสามารถชี้แนะโดยอาการให้ฝ่ายติดตามหล่อนมาเหล่านี้เข้าถูกทางทันเวลาวิกฤตสุดยอดอย่างพอดี QED ทุกอย่างเคลียร์แล้วคะ่ะทางด้านน้อยหล่อนกล่าวขึ้นช้าช้าชัดเจน ลุกขึ้นเดินไปกราบลงที่ตักของพี่ชายทั้งสองส่วนชายยันนั้นหลอนเข้าไปกอดคอแน่นและจูบหนักหน่วงที่แก้มของเพื่อนชายใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่น้ำตาคลอ ด, ด้วยความตื้นตันใจในป่าอาถรรพ์แต่ก่อนนี้น้อยมั่นใจอยู่เพียงสองคนเท่านั้นคือระพินไพรวันกับแงยทายแต่เดี๋ยวนี้ต่อให้ไม่มีสองคนนั่นอยู่ด้วยน้อยก็อบอุ่นและมั่นใจที่สุดในตัวพี่ใหญ่ พี่กลางชายยันนานอินขยินและพวกเราทุกคนพี่กับชายยันเป็นแต่เพียงผู้คล้อยตามเท่านั้นอดีตพรานชดกับนานอินโนนคือผู้ที่น้อยจะต้องขอบคุณเขาให้มากที่สุดรวมทั้งเจ้าด้วนด้วยถ้าเราไม่พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาให้ความร่วมมืออยู่ด้วยดารินมองไปยังพี่ชายกลางตาใสน้อยรู้มาตั้งนานแล้วล่ะค่ะว่าพี่กลางกับลุงอินยิ่งใหญ่ขนาดไหน เราทุกคนต้องใช้ทั้งฝีมือไหวพริบ ป, ปฏิภาณเข้าร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครในหมู่ของพวกเราทั้งหมดนี่ศึกใหญ่ในการติดตามระพีในครั้งนี้ก็คือไอ้มันตรยอุบาทและในที่สุดมันก็พินาศลงไปได้แล้วด้วยน้ำมือน้อยเองสุดสิ้นมันตรยัยอุปสรรคสำคัญที่เราจะติดตามระพีนันยิ่งใหญ่ที่สุดก็หมดสิ้นไปแล้วต่อไปนี้คงจะสะดวกขึ้นพอสมควรแล้ว ร้านชดกล่าวขึ้นด้ยวยน้ำเสียงสงบค่อนข้างเคร่งครึมของเขาพี่กลางไม่มีอะไรจะตำหนิน้อยนะคะอนุชาวราฤตยิ้มนิดหนึ่งจับข้อมือน้องสาที่มายืนอยู่ข้างๆไว้ไม่มีอะไรที่จะต้องตำหนิเพราะการที่เราต้องพลัดพรากจากการชั่วคราวจนพวกพี่ต้องออกติดตามในครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวน้อยที่ขายคำสั่งของพี่เลย มันเป็นเลขเกลนของไอปีศาทริตมากตนนั้นอย่างแท้จริงน้ำที่ถล่มลงมาจากด้านบนถูกช้างของมันทลายหินอันเป็นเขื่อนส่วนหนึ่งให้พังลงมาเป็นเพราะเคราะ์กรรมซึ่งมันผ่านไปแล้วพวกพี่ทุกคนบนสารกล่าวหมดในทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเพียงให้ตามตัวน้อยพบในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้ากลับไปถึงบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็คงจะต้องแก้บนกันเป็นการใหญ่ พวกเราเครียดหนักเหลือเกิน ร, ระหว่างติดตามน้อยเพิ่งจะได้มาหายใจกันสะดวกเอาในคืนนี้เองดารินหัวเราะเสียงใสรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นอย่างมากไปกว่าทุกครั้งหลอนกล่าวขอตัวจากพี่ๆซึ่งยังนั่งประชุมกันอยู่ที่กองไฟเดินกลับไปยังที่พักนอนตรงกลองสัมภระค้นหาทุบขึ้นมาได้จํานวนหนึ่งจุดขึ้นแล้วแยกตัวไปนั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางภูเขาถล่มที่หลอนหลุดรอด ออกมาได้พนมมือส ก, การ ะ, ะไรอยู่อึดใจหนึ่งแล้วปักทูปลงกับแผ่นดินบูชาต่อหน้าคะเทวีเทพพ ย, ยดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งแผ่มเมตตาอาโหสิให้แก่ดวงวิญญาณของราชปุโรหิตมันไตรตลอดเวลาพวกพี่ๆเฝ้าจับตามมอและซุบซิบคุยกันเบาๆต่อมาหล่อนก็เดินเอาไฟฉายส่องดูไปตามพวกลูกหาที่นอนเรียงรายอยู่ทั้งหลาย นับจำนวนไปทีละคนพ่อเห็นหนานอินซึ่งหลบนอนห่างกลุ่มอยู่คนเดียวก็ซุดตัวลงไปรูปหน้าอกแก่บบาๆอย่างสนิทใจเขารบรักใคร่ครูพรานผู้เฒ่ากล่าวรอดริมฝีปากออกมาแผ่วเบาทั้งทั้งที่ยังหลับตานิ่งเหมือนจะหลับสนิทว่าหนานอินมองเห็นหนาตอนที่เจ้าแง่ายมันเข้ามาหานายหญิงก่อนที่นายหญิงจะลุกขึ้นมาหล่อนตะลึงแล้วกระซิบอ้าว ลุงไม่ได้หลับหรอกหรือก็เพราะหลับเนาะสิถึงได้เห็นถ้าตื่นก็ไม่เห็นหรอกลุงเห็นยังไงนายหญิงเห็นยังไงหนานอินก็เห็นอย่างนั้นแหละเรารู้กันเองไม่ต้องพูดให้คนอื่นฟังหรอกลุงนี่ลึกลับมากเหมือนกันนะหนานอินก็สิษย์มีครูและหนานอินก็เลี้ยงเจ้าแงซายมาแต่เล็กแต่น้อยมันมาให้นายหญิงเห็นในฝันได้ทําไมหนานอินถึงจะไม่เห็นมาในฝันด้วย ไม่ต้องมาขอบใจอะไรนานอินร็อกนายหญิงที่ไปจุดธูปบูชาหน้าคเทวีเมื่อกี้นี้เนี่ยถูกต้องแล้วทั้งเทพทั้งอรหันต์หลายองค์เหลือเกินที่ช่วยนายหญิงไว้กลับไปคุยกับกลุ่มเจ้านายเถอะนานอินจะขอหลับต่อยญิงสาอดหัวรอกออกมาเบาๆไม่ได้เอื้อมมือไปหยิกแก้มหิวๆของครูพรานผู้เท่าเป็นการย้านิดหนึ่งแล้วลุกขึ้น่อนยังไม่ได้เดินไปรวมกลุ่มกับพี่ชาย แต่ลุกขึ้นมองเหลียวหาเจ้าด้วนเห็นมันยืนเป็นเงาตะคุ่มพิงโขดหินใหญ่อยู่ไม่ห่างออกไปนะักจึงเดินตรงเข้าไปหาทันทีมันเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งดารินมีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดเจ้าด้วนภายหลังจากที่หล่อนได้ถูกช่วยให้หลุดรอดพ้นขึ้นมาจากใต้ภูเขาอย่างฉุกละหุกเมื่อตอนบ่ายวันนี้แล้วก็พักเหมือนจะสลบไปตลอดค่อนคืนเพิ่งจะมาตื่นอะไรตอนนี้ หล่อนมีความรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่ได้ทักทายขอบคุณมันอย่างแท้จริงช้างป่าแสนรู้เหมือนจะเป็นสิ่งคู่บารมีทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนส่งเสียงครางยาวในลําคอเบาๆอาการของมันแสดงความดีใจเห็นชัดเมื่อหล่อนเข้ามายื่นปลายงวงออกมาโอบร่างกายหล่อนไว้แผวเบาและดารินก็กอดเอาหน้าแนบกับวงใหญ่นั้นน้ําตาซึมด้วน ถ้าไม่มีเธอเป็นกำลังสำคัญช่วยนำพวกพี่ๆฉันติดตามมาถูกทิศทานในคราวนี้เราคงไม่ได้พบเห็นหน้ากันอีกแล้วเธอมีบุญคุณต่อชีวิตฉันอย่างเหลือล้นแม้ว่าเธอจะเป็นเพียงแค่ช้างตัวหนึ่งก็จงรักพักดีและแสนที่จะยังรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าดวนไม่ตอบเพราะมันตอบไม่ได้คงมีแต่อาการที่สดงออกเท่านั้นค่อยๆ ค, ยคูข่าวลงหมอบ ดารินเดินเข้าไปในซอกขาหน้าของมันเหยียบขึ้นไปยืนที่โคนขารูปคลํำสีสัาและดวงตาเล็กตีแต่มีแววชลาและแสนรู้ของมันและจับสำรวจไปที่ห่อผ้าอันพันไว้อย่างแน่นหนาซึ่งหล่อนเองเป็นคนคล้องไว้ให้ที่คอของมันพร้อมกับกระดิ่งป้าคงกล่าวแผ่วเบาต่อไปว่าบารมีของหลวงพ่อทวดแท้ๆที่ช่วยคุ้มครองเธอไว้ ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงทำให้เจ้าช้างร้ายปีศาจสิงสั่งเหล่านั้นทำมันตรายต่อเธอไม่ได้ถนัดนะเธอคงจะเหนื่อยยากเพราะฉันไม่น้อยไปกว่าคนอื่นๆเหมือนกันนะใช่เจ้าด้วนมันเหนื่อยหนักและก็เสี่ยงภัยไม่น้อยไปกว่าเราทุกคนเหมือนกันในการติดตามหาตัวน้อยครั้งนี้เสียงตอบเรียบเบาดังมาจากเบื้องหลัง เมื่อหันไปก็พบอดีตพรานชดยืนอยู่ใกล้ๆพี่ชายกลางเดินตามหล่อนมาเมื่อไหร่ไม่ทราบได้ก่อนนี้พี่ก็ไม่เคยเชื่อว่ามันจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อ น, น้อยถึงขนาดนี้ตอนที่เราไปพบมันตกปลักอยู่ในหล่มโคลนและกว่าจะช่วยมันขึ้นมาได้ทุลักทุเลไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวดีที่ไม่พิกการขาแข้งหักไประหว่างที่ระเบิดต้นไม้ใหญ่ล้ม เพื่อให้เกิดแรงสูดตัวมันมาจากปลักโคลนน้อยภูมิใจมันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอย้ำว่ามันเป็นช้างของราพินค่ะถึงเขาจะไม่ได้เลี้ยงมันไว้ก็ตามแต่การที่เขาสมหวนมันไว้สั่งห้ามไม่ให้ใครไปทำอันตรายมันมาโดยตลอดมันก็เปรียบเหมือนช้างมีเจ้าของนั่นแหละและพอน้อยตามราพินมาในครั้งนี้มันก็จะต้องอย่างรู้ว่าน้อยมาตามนายของมัน พยายามหาทางช่วยทุกอย่างเท่าที่มันจะทำได้พี่กลางคะสมมติว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จสุดสิ้นลงด้วยดีมันจะเป็นไปได้ไหมคะในการที่น้อยจะเอามันไปไว้ที่หนองน้าแห้งให้มันเป็นช้างบ้านเสียทีหล่อนปรึกษากับพี่ชายกลางซึ่งตามปกติแล้วมักจะมีเรื่องปีนเกลียวต่อปากต่อคำกันเป็นนิจสินแต่สาหรับค่ำคืนนี้ อนุชากลับเป็นฝ่ายเอาใจน้องสาวคล้อยตามหมดทุกอย่างถ้ามันตามน้อยกลับไปด้วยน้อยก็ดูแลเลี้ยงมันได้แต่ด้วนเป็นช้างป่ามาแต่กําเนิดมันมีอิสาระเสรีเต็มที่อาจไม่อ ย, อยากอยู่ใกล้ชิดคนในถิ่นที่มีมนุษย์อยู่มากๆกก็ได้และเราไม่ควรจะไปกักขังมันควรจะปล่อยมันไปตามต้องการของมันเองจะเหมาะกว่าแต่น้อยเชื่อแน่คะ่ะ ดารินย้ำคาหนักแน่นอย่างมั่นใจขณะที่ลูบลงไปบนผิวอันสากกระด้างอย่างแสนรักแน่ใจว่าน้อยอยู่ที่ไหนเจ้าด้วยจะต้องอยู่ที่นั่นด้วยมันจะไม่ตเตลิดเปิดเปิงไปไหนอีกแล้วถ้าเราให้ความเมตตาปราณีมันอย่างเสมอต้นเสมอปลายให้ความรักกับมันอย่างจริงใจก็สุดแล้วแต่ใจน้อยเถอะสาคัญที่สุดก็คือ ขอให้งานของเราสาเร็จลุล่วงไปซะก่อนเท่านั้นตอนนี้ยังตั้งความหวังหรืออนาคตใ ด, ดๆไม่ได้ทั้งสิน้นแล้วอดีตพรางเชอ้ก็หัวเราอยอย่างอารมณ์ดีกล่าวต่อมาอย่างเย้ๆว่าเคยจำคำโบราณเขาพูดไว้ได้ไหมที่ว่าเลี้ยงช้างก็ต้องกินขี้ช้างหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่มาก บางเวลาอาจก่อเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้และหยุดมันยากซะด้วยเจ้าของจะต้องพลอยลำบากยุ่งยากใจโดยเฉพาะเวลาเกิดเกเรตกมันขึ้นมามันไปทำอะไรเจ้าของจะต้องพลอยเดือดร้อนรับผิดชอบเสมอไป <c oughs> เชื่อ ว, ว่าคงไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกคะ่ะในเรื่องนั้นเราจะให้ด้วนอยู่อย่างอิสระไม่ได้เอามาใช้งานอะไรให้เขาต้องลำบากและจะไม่ขัดใจเขา เขาอยากจะท่องเที่ยวไปไหนบ้างในป่าดงพงไพรรางหนองน้ําแห้งก็ติดกับป่าใหญ่อยู่แล้วช้างที่ชอบก่อเรื่องร้ายๆนั้นถูกเจ้าขอใช้งานหนักเหมือนทาสเอาตะขอเกี่ยวศัพท์ บ, บังคับอยู่ตลอดเวลาพอได้โอกาส ก, าก็มาจะแผลงฤทธิ์เอาบ้างเป็นธรรมดาแต่ด้วนจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีย่ยเพื่อนผู้มีบุญคุณกับเราระหว่างที่เขานําทางติดตามน้อยมาด้วนทําอะไรไม่สมควรบ้างไหมคะ อนุชา ย, ยิ้มสันศีษะปราพฤตตัวเรียบร้อยและรู้ภาษาได้ดีมากโดยเฉพาะเมื่อมีลุงอินเป็นผู้สั่งเราหยุดมันก็หยุดรอพอเราสั่งให้ออกนำทางก็ออกนำทางไม่ถลายทะเลือกไปที่ไหนหรือขาดคำสั่งเลยนอกจากเวลาจำเป็นจริงๆที่มันรู้ว่าเราไม่เข้าใจต่อสถานการณ์ก็จะแสดงอาการบอกเป็นเครื่องชี้นาว่าทางฝ่ายเราควรจะปฏิบัติอย่างไร อย่างเช่นตอนที่มันนำพวกเราอ้อมสกัดมาดักน้อยบนยอดเนินนั้นแทนที่จะนำพาสะกดรอยตามหลังเข้าไปยังช่องใต้น้ำตกที่น้อยถูกนำเข้าไปทำให้การช่วยเหลือสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์พี่ยอมรับว่ามันรู้ทุกอย่างเพียงแต่พูดภาษาคนไม่ได้เท่านั้นไม่ผิดหวังรอบค่าสาหรับเจ้าด้วนตัวนี้ลอนเต็มไปได้วยความชื่นชม และต่อไปนี้เมื่อสิ้นมันไตรไปแล้วน้อยเชื่อว่าช้างป่าทุกตัวจะไม่มาเป็นพิษเป็นภัยใดๆกับเราอีกเลยเห็นด้วยแล้วน้อยยังนึกเสียใจว่าสมัยก่อนนี้เคยยิงช้างเป็นว่าเล่นล้มเสียหลายเชือกแทบนับไม่ถ้วนต่อไปนี้น้อยปฏิญาณว่าจะไม่ฆ่าช้างอีกแล้วยกเว้นแต่จําเป็นจะต้องป้องกันตัวจริงๆเท่านั้นน้อยเป็นคนยิงไอแหว่งตายแต่ถึงจะตายมันก็ยังไม่ยอมล้ม ไปยืนแอบตายในซอกภูเขาอันลึกล้ำที่สุดและขณะตายแล้วยังยืนตายอย่างเต็มไปด้วยสง่าสมศักดิ์สิพญาโคจาสารอย่างแท้จริงน้อยทำบาบามากนะคะสำหรับชาตินี้เดี๋ยวนี้ไม่มีความคิดที่จะฆ่าสาชนิดใดอีกเลยถ้าไม่ใช่เพราะป้องกันชีวิตตัวเองหรือพักพวกและอยากจะขอร้องพวกเราทุกคน ให้ปฏิบัติตามที่น้อยตั้งปฏิธานเอาไว้ด้วยของใครใครก็รักเขาอยู่ถึงกลางป่าดงพงลึกพวกเราก็ยังอุตส่าห์บากบั่นมาเบียดเบียน ร, รังแกเขาความคิดของเธอดูจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะน้อยมองเห็นแล้วค่ะสำหรับบาปปุนคุณโทษได้เชื่อในกฎแห่งกรรมร้อยเปอร์เซก็ดีเป็นกุศลบารมีสำหรับตัวเองผลทางข้างหน้าเรายังต้องผจนอีกมากนะ ถึงอย่างไรก็อย่าเพิ่งถือศีลเคร่งเสีย ก, ก่อนเวลาอันควรเลยตอนนี้เรายังมีชีวิตผจญก ร, รมอยู่ในป่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างลูกป่าถ้าจําเป็นจะต้องฆ่าอะไรก็คิดเสว่าชาติก่อนมันเคยฆ่าเรามาก่อนและมาใช้กรรมเก่าเราในชาตินี้ก็แล้วกันไปไปนั่งคุยกับพี่ใหญ่และชัยยันเขาต่อเถอะจะได้หารือกันด้วยว่าจะเอายังไงกันต่อไปอีกหลายชั่วโมงกว่าจะสว่าง เราอาจพักกันอีกสักระยะให้สมกับที่กรากรมหนักมาสามถึงสี่วันและออกเดินทางสายๆของวันพรุ่งนี้ก็ได้กล้าจบอนุชาส่งมือไปให้น้องสาจับและฉุดลุกขึ้นยืนทั้งคู่พากันเดินกลับมายังกองไฟที่เชษฐาและชัยยันนั่งรอยอยู่อีกครั้งดูเธอแจ่มใสปราดเปรียวเหมือนเดิมแล้วน้อย ว่าแต่พรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นกันยังไงดีเพราะตั้งแต่พวกเรามัวลหลงพลัดกันเองและติดตามหา ก, กันอยู่สอถึงสาวันนี้เราทิ้งทางด้านระพินเด็ดขาดเลยชายยานเปลยะขึ้นพูดกับหล่อนก็จริงแต่ความหมายของประโยคดูจะฟังความเห็นหาหรือไปอยังทุกคนียมากกว่าดารินอึ้งไปหล่อนกำลังจนต่อปัญหานี้เช่นกันเรื่องนี้คงไม่ยากมันเป็นหน้าที่ของอนุชาลุงอิน และคิดว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าด้วนเช่ฐาเอ่ยขึ้นอย่างไม่ต้องคิดอะไรมากขนาดน้อยตกยินในกำรร ม, มือของมันไตรแท้เจ้าด้วนยังนำทางเราให้ตามมาจนพบจนได้ทำไมมันถึงจะนำทางเราตามระพินให้พบไม่ได้หรื อ, อยังไงกลางประโยคหลงังอดีตทูตทหารหันไปถามทางน้องชายช้าหรือเร็วแค่ไหนจะตามพบกันจุดใดเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เรื่อจะตามจนพบนั้นผมแน่ใจครับพี่ใหญ่และผมก็มั่นใจอย่างเดียวกับพี่ใหญ่นั่นแหละคือถ้ายังมีเจ้าด้วนอยู่กับเราด้วยเช่นนี้มันจะเป็นมครคุเทศนําทางติดตามระพินได้ดีกว่าผมหรือลุงอินซะอีกน้อยเธอแน่ใจไม่ว่าเสร็จสิ้นจากการติดตามตัวเธอจนพบแล้วเจ้าด้วนสามารถจะยังรู้ในความต้องการของเราโดยเฉพาะของเธอว่าจะต้องตามระพินต่อไปมีอะไรที่พี่ใหญ่สงสัยในเรื่องนี้หรือคะ ก็ยังไม่สู้จะแน่ใจนะพี่สังเกตเห็นมันแสดงตัวอย่างขมีขมันเอาจริงเอาจังเฉพาะตอนที่เธอพลัดหายแยกออกไปจากคณะเท่านั้นแต่เท่าที่แล้วแล้วมันนั้นจริงอยู่แม้มันจะดูคล้ายๆร่วมทางมากับเราด้วยแต่มันก็อยู่ลักษณะป้วนเปียนใกล้ชิดกับคณะของเราในบางขณะเท่านั้นบางทีก็แยกหายไปทั้งวันแล้วไปดักรอคอยอยู่ข้างหน้าคือมันก็อิสระเสรีไปตามระษาของมัน ส่วนเราก็เดินรุดหน้าของเราไปเพียงแต่มันคอยตามมาให้เห็นเป็นระยะระยะเท่านั้นสรุปก็คือเราไปไหนมันจะคอยตามไปด้วยแต่ไม่ได้อยู่ในลักษณะ น, นำทางโดยตรงเราเป็นฝ่ายตัดสินใจเองโดยตลอดต่อไปมันอาจเข้ารูปแบบเดิมก็ได้คือมันท่องเที่ยวของมันไปตามเรื่องไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเราตลอดเวลาแค่นึกจะโผล่ไม่เห็นเมื่อไหร่ก็โผล่ ซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ว่านี้เราก็จะหวังอะไรไม่ได้น้องสารูบมือทั้งสองเข้าหากันแล้วยื่นไปอังไฟไว้รีฟิบามีรอยยิ้มอย่างแน่ใจและเกิดความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมถ้าเฉพาะในปัญหาข้อที่พี่ใหญ่ว่านี้ก็ขอให้ทุกคนสบายใจได้ค่ะแม้เราจะส่งภาษาพูดกันไม่ได้ระหว่างน้อยกับเจ้าด้วนแค่มองตากันก็รู้ความหมายแล้ว เราสามารถเข้าใจกันได้ด้วยกระแสจิตและสัญชาตญาณ น, น้อยจะสั่งมันในเรื่องให้นำทางนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตัดสินใจของพี่กลางและลุงอินด้วยว่าจะยอมตามมันไปทุกฝีก้าวหรือเปล่าเพราะถึงอย่างไรมันก็คงไม่ฉลาดไปกว่าพี่กลางหรือลุงอินไปได้หรอกอนุชาพยักหน้าลงนิดหนึ่ง ถ้าเธอเข้าใจและรับรู้ไว้ล่วงหน้าได้เช่นนี้ก็เป็นการดีแล้วเจ้าด้วนแสดงความสามารถนำพวกเรามาเอาตัวน้อยกลับคืนจากเนื้อมือของมันไตรได้ก็จริงแต่ในการใช้ให้มันนำทางออดติดตามระพินต่อไปนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับวินิจฉัยวิเคราะห์ของพี่ลุงอินพี่ใหญ่และพวกเราทุกคนเป็นหลักด้วยจะฝากความหวังฝากชีวิตไว้กับช้างป่าเพียงตัวเดียวย่อมไม่ได้ ประเดี๋ยวพ่อพาปีนเขาสูงๆติดต่อกันสักสิบยอดพวกเราก็จะไปกันไม่ไหวเสียก่อนเท่านั้นแรงช้างกับแรงคนมันไม่เหมือนกันป่าบางสภาพช้างผ่านไปได้แต่มนุษย์อย่างพวกเราผ่านไปไม่ได้หรืออนณาเขตแดนบางแดนพวกเราผ่านได้เจ้าด้วนอาจผ่านไม่ได้ดาริขบวดคิ้วอย่างพิศวงหันมาจ้องหน้าอดีตพรานชด ประโยคแรกน้อยเข้าใจค่ะที่ว่าถ้าเราเดินตามเจ้าด้วนทุกระยะย่อมไม่ได้เหมือนกันแต่พี่กลางพูดว่าบางเขตบางแดนเจ้าด้วนก็ไม่สามารถผ่านไปได้นั้นหมายถึงสถานที่อย่างไหนบ้างอนุชาบาราริสเงียบไปนานสายตาของอดีตนับคเนจอผู้ยิ่งใหญ่ในไพรลีลับจับนิ่งไปยังประกายไฟในกองที่แลบเลีย ก, กิ่งไม้แห้งอยู่พรอมแพรมเชฐาและชัยยันก็พลอยหันไปมองหน้าเช่นกัน ถ้าคิดย้อนหลังสักนิดพี่ใหญ่ชายยันและแม้แต่น้อยเองก็น่าจะนึกรู้ได้ว่าบางบริเวณสัตว์ป่าสามัญธรรมดาไม่อาจผ่านเข้าไปได้เพราะมันมีพรมแดนลี้ลับอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแบ่งกั้นอยู่อณุชาวเว้นระยะไปแค่นั้นชายยันลืมตาโพลงร้องออกมาว่าเดี๋ยวแกหมายถึงใช่เทือกเขานิลการอันเป็นอาณาจักรนครวานนอนของวายา หรือพรมแดนมรกตนครของจักรราชอดีตพรานชดกล่าวมาเกือบจะเป็นเสียงกระซิบทำเอาอีกสามคนนิ่งเงนันเบิกตาคิดและชะงักงานไปครู่ใหญ่กลางเธอคิดว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องผ่านเข้าไปยังดินแดนยิ่งกว่าลี้ลับนั้นอีกหรือในการสาวรอยตามระพินคราวนี้ถ้าเราก้าวสกัดระพินระหว่างทางไม่ทัน และถ้าเราเกิดสงสัยหรือได้ร่องรอยว่าเขาจะมีการผ่านเข้าไปที่นั่นถ้าเราไม่ตามเขาไปยังที่นั้นด้วยแล้วเราจะตามเขาพบได้อย่างไงภายหลังจากเกิดความเยี่ยวกันไปครู่ใหญ่เทศษากล่าวขึ้นครืมๆว่าก่อนอื่นเราจะต้องเข้าหาต้นเหตุเสียก่อนว่าพระพิณ น, นําคณะนายเจ้าพวกนั้นไปค้นหาอะไรเขาต้องการค้นหาตําแหน่งตกของเครื่อง B 5 2ลสิบนั้น แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือระเบิดนิวเคลียสิบเมกะตันที่ติดอยู่ในเครื่องเธอยอมรับในข้อนี้ไหมใช่ผมยอมรับและเราก็รู้เป้าหมายของเขาอยู่ก่อนแล้วแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับที่ระพินจะต้องแวะเข้าไปในนครวานนอรของวายาหรือมรกฏนครของจักรราชก็ถ้าหากมันมีหลักฐานที่ทำให้เขาบังเกิดความเชื่อมั่นแน่นอนว่า B 5 2ลํานั้นไปหล่นอยู่ที่นครวานนอร หรือที่มรกรนครระครับนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะต้องหาทางเข้าไปที่นั่นให้ได้หรือแปลกจริงอะไรที่ทําให้พี่กลางคิดไกลถึงขนาดนั้นคะน้องสาวคนเล็กถามโดยเร็วหน้าตาตื่นไปหมดขณะนี้เราได้เดินทางตามเข้ามาใกล้แค่ไหนบ้างแล้วไกลจนกระทั่งเข้ามาสู่ใจกลางของนิทรานครของมันไตรเช่นที่เราเผชิญกันอยู่นี้ ก็ยังไม่พบร่องรอยหรือติดตามเขาได้ทันเพราะฉะนั้นการที่จะต้องเดินทางไกลต่อไปทําไมถึงจะเป็นไปไม่ได้พี่ไม่ได้พูดว่าพี่แน่ใจเพียงเป็นการสังหอนว่าอาจจะเท่านั้นคนอย่างระพินเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นอย่างไรไอเรื่องที่จะหันหลังกลับโดยยังไม่ได้วีแวรอะไรในงานที่เขารับมอบหมายเป็นไม่มีวานเสล่อต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวสุดห้วงจักรกวาล คนคนนั้นจะต้องบุกบั่นไปให้ถึงนอกจากเขาจะตายลงซะก่อนเท่านั้นและพี่ชายกลางก็หันมาจับมือน้องสาวคนเล็กที่นั่งหน้าซีดเผือดอยู่น้อยรู้สันดาลหรือนิสัยใจคอเขาดีกว่าพวกเราซ์อีกไม่ใช่หรือขนาดพี่กับลุงอินไปติดอยู่ในคุกเมืองมรกรนครเขายังนําพวกเธอไปตามพี่ออกมาจนได้งานครั้งนี้ก็เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ลงได้รับงานแล้วไม่มีวันหันหลังกลับเว้นอยู่กรณีเดียวเท่านั้นคือตายซะก่อนกลางพูดให้เราต้องคิดหนักเสียแล้วชยายยันพึมพำออกมาดวงตารีลงแววกังวลชนิดหนึ่งผ่านผู้ไปบนสีหน้าของเขามันหมายถึงลูกรักเมียควันที่รอคอยอยู่เบื้องหลังแต่ก็ชั่วขนาดจิตเดียวเท่านั้นที่อดีตนายทหารปืนใหญ่เพื่อนตายของพี่น้องในราชสกุลวราริศ กลับคืนมาเป็นชายยันคนเดิมเหมือนๆกับครั้งตาสินใจเด็ดขาดจะออกเดินทางร่วมมาด้วยมันหมายถึงตายไหนตายกัน B-52 อาจสูนหายไปในสองดินแดงที่เราผ่านมาแล้วนั่นก็ได้แต่ถ้าดรพินแน่ใจว่ามันตกที่นั่นเขาก็จะต้องนำคณะนายจ้างเข้าไปเพื่อหเห็นกับตารู้แน่ชัดออกไปให้ได้ปัญหาที่ว่าจะกู้กลับคืนมาได้หรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องภายหลัง แล้วถ้าเขากับคณะบ่ายหน้าไปที่นั่นน้อยคิดยังไงเอาละตอบแทนน้อยให้ก็ได้เชิดถาเอ่ยขึ้นเรีย บ, ยบแต่มั่นคงยิ่งในน้ำเสียงเราเพีินไปถึงไหนเราก็จะต้องไปจนถึงที่นั่นไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลอีกทั้งสิน้นเราก็ตั้งปณิฐานไว้เหมือนเขาเช่นกันคือทางด้านเขาถ้าไม่พบเรื่องตกเขาไม่ยอมถอยกลับส่วนทางด้านเราหากยังไม่พบเขา ก็จะไม่ถอยกลับเหมือนกันน้อยเคยบอกไว้แล้วนี่ว่าจะไปเก็บกระดูของคนคนนี้มาชาปนากิจงั้นไม่ใช่หรือดารินรวราริตตอบด้วยสีหน้าและแววตาซึ่งบัดนี้เรียบสนิทว่าค่ะแน่นอนถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเรื่องนี้ถึงเจ้าด้วนจะไม่สามารถนำพวกเราไปได้เมื่อใกล้บริเวณนั้นเข้าไปอดีตพรานชดกับนันอีกก็สามารถนาไปได้ถูกต้องไหม ยังจำเส้นทางได้อยู่อีหรือเปล่าเชษถาหันมาถามอนุชานักเดินโดงผู้กแกร่งกล้าในอดีตยิ้มบางๆที่มุมปากไม่ต้องห่วงครับถึงยังไงผมก็ยังมีลุงอินเป็นคู่คิคดอยู่อีกทั้งคนและแกะแม่นย้ำต่ดเส้นทางมากกว่าผมเสียอีกเอาละ่ะพี่คิดว่าเราทั้งหมดสี่คนนี่เนะี่ยควรจะนอนพักเอาแรงกันอีสนิดก็ยังดีก่อนสว่างแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ ตอนเราตื่นขึ้นมาแล้วทั้งหมวดชวนกันลุกขึ้นจากกองไฟที่ก่อไว้เดินกลับมายังบริเวณที่พักนอนตามเดิมพี่ชายทั้งสองและเพื่อนเข้าประจำที่ของตนแต่น้องสาวคนเล็กของคณะยังคงนั่งอยู่เพราะได้นอนพักมาอย่างพอเพียงแล้ววีแววของความง่วงไม่ได้ปรากฏขึ้นเลยหล่อนใช้เวลาว่างนั้นตรวจสอบไรเฟิลุดเวมกประจามือ ซึ่งตลอดเวลาอันได้พลัดพรากจากกันไปนั้นฝ่ายพี่ชายได้เก็บรักษาและนำพามาด้วยเป็นอย่างดีตรวจกระสุนสอบปฏิบัติการของกลไกอย่างคนไม่ประมาทและได้รับการอบรมมาจนคุ้นเคยเป็นนิสัยแล้วบรรจุกระสุนขึ้นรังเพลิงแล้วลดนกเหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติเป็นประจำในใจก็คิดจำพึงว่า อาวุธคู่มือกระบอกที่ล้มสัตว์และฆ่ามนุษย์ร้ายๆในชีวิตกลางป่าดิบดงดำมาจนแทบน้ำไม่ถ้วนแล้วของหล่อนกระบอกนี้ต่อไปนี้ก็คงเป็นเพียงภาระหนักที่หล่อนมีความจำเป็นที่จะต้องติดมือหรือสะพายไหลไปงั้นเองไม่ได้คิดที่จะไปล่าสังหารราวีสิ่งใดอีกแล้วนอกจากเพียงแค่ป้องกันชีวิตของตนเองและพักพวกชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นร่วมกันก็สำรวจกระสุนปืนสร้างประจำตัว การเพิ่มเติมเข้าเข็มขัดซองปืนจนครบจำนวนและง่วนตรวจดูเป้หลังส่วนตัวค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยใช้ไฟฉายส่องทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นของส่วนตัวแบ่งจากกองสัมภาระส่วนใหญ่มาเก็บไว้ในเครื่องหลังยังอยู่ครบถ้วนแสดงว่าระหว่างที่หล่อนลงพลัดพรากไปนั้นไม่มีใครมาเปิดหรือหยิบอะไรออกมาเลยนอกจากจะหิ้วติดขบวนมาด้วยเฉยๆ เ, เท่านั้น ราเซียอันเป็นตะขอเกี่ยวด้านหน้าขาดออกและเหลดทองเคของคริสติน่าที่หล่อนเก็บได้ระหว่างระยะทางติดตามในตอนต้นก็ยังเก็บซ่อนไว้ใต้ก้นเป้ตำแหน่งเดิมดารินหยิบเอาเลดข้อมือเส้นนั้นขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งคิดถึงเจ้าของเหลดเส้นนั้นมากเป็นพิเศษใช่ไหมเสียงงิมงิของชา ย, ยนดังมาเบาๆเพื่อนชายยังไม่ได้หลับตาแต่นอนชันเข่า เอาแขนดุลศีสษมองดูอยู่เงียบๆนานแล้วดารินไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มคลึมๆเดาะสิ่งนั้นขึ้นลงในมือช้าๆเสียงชั ย, ยันบอกต่อมาว่าป่านนี้ไม่รู้แม่ผมทองคนนั้นที่เอานายรพินของเธอไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ราพินต่างหากที่จะต้องหอบหิ้วบุคคลเหล่านั้นเธออย่าพยายามยั่วแย่อะไรให้ฉันไม่สบายใจหน่อยเลย ฉันมีความเชื่อมั่นจากสัมผัสที่หกว่าถึงอย่างไรก็ตามอเมริกันนายจ้างกลุ่มนั้นทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายเป็นคนดีพอสมควรหรือถ้าจะไม่ดีมาก่อนก็จะต้องกลายเป็นคนดีไปในที่สุดภายหลังจากมาร่วมเป็นร่วมตายอยู่กับระพินภายในอาณาจักรป่า ด, ดำอันแสนจะเหี่ยมโหดนี้ระพินจะต้องเอาคุณธรรมความดีเข้าชนะใจพวกเขาจนได้ฉันเชื่อเช่นนั้น ก็ดีฉันอยากจะบอกกับเธออย่างนั้นมาตั้งนานแล้วจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรมากและจะเก็บของพวกนั้นเอาไว้ทาไมอีกให้มันหนักชายยันถามมาขณะที่อ้าปากหาก็ไม่หนักหนาอะไรเลยที่ฉันจะเอาติดตัวไปด้วยเพื่อคืนให้แก่เจ้าของเขาหากเรามีโอกาสได้พบกันถ้างั้นก็มานอนเสียเถอะอย่ามัวแต่นั่งคิดอะไรอยู่ให้เสียเวลาเลยถ้ามีเวลาควรใวยโอกาสพัก ลืมตาตื่นมีเรี่ยวแรงเมื่อไรค่อยว่ากันใหม่นักระจญโชคระจญภัยที่ดีจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่าปล่อยให้ความฟุ้งซ่านมันเผาผลาญสมองและจิตใจของเราโดยเปล่าประโยชน์นั่นเป็นข้อแนะนำที่ดีและมีเหตุผลที่สุดของเพื่อนชายซึ่งคบหารักสนิทเสมอญาติกันมาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ชายคนหนึ่งเหมือนกัน ดารินแทกกายเข้าไปนอนตรงที่ของหล่อนซึ่งเพิ่งจะสังเกตได้เดี๋นนี้เองว่าหลอนได้ถูกขนาบข้างไว้ด้วยเชษดฐาและชายยานคนละด้านส่วนพี่ชายกลางนอนถัดออกไปทางริมขวาสุดซึ่งบัด น, นี้เงียบสนิทไปแล้วอัธชามีธรรมชาติประจำตัวเหมือนพรานป่าอาชีพคือหลับง่ายตื่นเร็วและมักจะไม่พูดอะไรโดยไม่จาเป็นในเวลาเดินป่าส่วนพี่ชายใหญ่ตอนนี้หลับหรือเปล่ายังเดาไม่ถูก เห็นนอนเอามือประสานกันวางอยู่บนอกเห็นพวกพี่ๆและพวกลูกหาบทั้งหลายในยามนี้แล้วหล่อนก็มีความสงสารและรู้สึกเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเพราะตัวของหล่อนเองแท้ๆที่พล่อยทำให้ทุกคนที่ร่วมขบวนมาด้วยต้องมาลำบากยากแค้นแสนเข็นเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ทุกขณะจิตเช่นนี้วางไรเฟิลทางด้านศีรษะแล้วค่อยๆเองกายนอนราบลงกับพื้นที่ปูไว้ด้วยผ้าใบ พฤติการหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านพบเห็นมากับตนเองเข้ามาเป็นภาพสับสนยุ่งเหยิองอยู่ในสมองอยากที่จะขจัดลืมมันลงไปได้มันล้วนเป็นเหตุการณ์ที่หล่อนจะต้องเก็บเงียบไว้คนเดียวตลอดไปชนิดที่จะแพร่งพลายบอกเล่าให้ใครพลอยมารับรู้ด้วยไม่ได้เลยแม้จะเป็นคนที่รักสนิทและไว้วางใจที่สุดก็ตามเพราะมันจะมากเรื่องมากปัญหาชนิดที่หล่อนอธิบายตลอดทั้งชาติก็จะไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ อย่างที่แงสายเข้ามาเตือนในความฝันนั้นถูกต้องแล้วระหว่างที่ทําเป็นหลับตานิ่งนั้นหล่อนรู้สึกว่าชายยานผู้นอนขนาบข้างอยู่จะฟ้อสังเกตอากาศกริยาหล่อนอยู่พักใหญ่พอเห็นหล่อนนิ่งไม่กระดุกกระดิกอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็หลับไปดารินถอนใจลึกเหตุการณ์ทุกลาดับขั้นตอนนับตั้งแต่ชางที่ถูกบันดาลขึ้นมาด้วยมายาเวของมันไตรนําลอดใต้ผ่าน้ําตกเข้าไป ปรากฏอยู่ในความทรงจำของหล่อนทุกขณะชนิดจะไม่มีวันลืมเลือนตราบชั่วชีวิตสิ่งที่หล่อนมองเห็นสัพพะสัมเนียงที่หล่อนได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความเจรจาบอกเล่าของราชปุโรหิตมันไตรทุกประโยคทุกถ้อยกระทงความยังคงก้องอยู่ในสมองรวมทั้งคำพูดตอบโต้ของตนเองด้วยนบัตนี้ อาฐานแห่งนิทรนครอันเป็นอาณาจักรในอดีตของตัวหล่อนเองได้สุดสิ้นลงแล้วร่อมพร้อมกับการ อ, าอาวสานโดยสิ้นเชิงของดวงวิญญาณซึ่งเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์ของมันตรัที่เฝ้ารอคอยการกลับคืนมาของหล่อนนับอนันตการได้ถลม่มล่มถูกกลบฝังจมลงไปสู่ใต้พื้นปฐพีชนิดที่จะไม่ปรากฏให้ผู้ใดมาค้นพบได้อีกตลอดชัว่วนิรันดร์ ด้วยน้ำมือของจิตตรงังขนางผู้กลับชาติมาเกิดเป็นดารินในพบนี้โดยไม่มีผู้ร่วมคณะคนใดได้ทราบถึงตื้นลึกหนาบางใดทั้งสิ้นพวกพวกของหล่อนได้เห็นและได้เข้าใจเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นคนละด้านคนละแง่บุมกับที่หล่อนพบเห็นเผชิญมากับตนเองระพรินไพรวันเล่าขณะนี้เขาอยู่ที่ใด เขาจะได้ล่วงรู้รำลึกย้อนไปถึงอดีตของตนเองได้หรือไม่ว่าเขานั้นคือใครมีสายโยงใ ย, ยเกี่ยวข้องกับหล่อนมาในอดีตการเช่นไรบ้างจึงมีเหตุให้ต้องมาชดใช้กรรมทนทุกขเวทนาด้วยการพลัดพรากจากรักในชาติภพนี้หล่อนมองย้อนอดีตเห็นทะลุกรุปโปร่งหมดแล้วเท่าว่าอนาคตยังเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ยญิงสาวขยับ ก, กายอย่างอัดอั้นตันใจขณะนั้นเองก็สัมผัสได้กับฝ่ามืออบอุ่นของพี่ชายใหญ่ที่เอื้อมมากลุมหลังมือของหลอนไว้แล้วบีบเบาๆมีเสียงกระซิบบอกมาว่าถ้านอนไม่หลับหรือหลับไม่ลงก็สวดมนต์ภาวนาไปแล้วจะหลับได้เองหลอนนอนนิ่งไปอีกในฉับพลันนั้นเชษฐาวราฤทธิ์อัลหลอนคิดว่าเขาควรจะหลับไปนานแล้วยังคงเป็นผู้เฉียบวัย เท่าทันต่อความคิดจิตใจของน้องสาวคนเล็กอยู่เสมอไม่เคยเสื่อมบุกคลิกพิเศษชนิดนี้ของเขาไปเลยดารินรู้สึกใจหายว่าไม่ทราบว่าพี่ชายใหญ่จะอ่านลึกมองเห็นตลอดไปถึงสิ่งที่หลอนได้เผชิญมาเพียงไรหรือไม่ยากที่จะคาดคะเนหรือเดาถูกเพราะเขาเป็นคนฉนลาดคมลึกซึ้งและเก็บงนงความรู้สึกได้มิชิดที่สุดสิ่งที่หลอนทาได้ในขณะนี้คือ พยายามสงบดวงจิตอันฟุ้งซ่านและสะกดตัวเองให้หลับตามคำสั่งมารู้สึกตัวอีกครั้งแสงตะวันสายสาดเข้ามาจับอยู่ที่เปลือกตาหญิงสาวเอามือป้องไว้และดึงกายลุกขึ้นนั่งพอลืมตาขึ้นกวาดมองไป ร, ร, บรอบๆ ก, ก็พบว่าตนเองตื่นสายกว่าทุกคนเพราะรอบด้านอันเป็นบริเวณที่พักนั้นพวกพี่ๆและลูกหากทั้งหลายกำลังปฏิบัติภารกิจกันอยู่สแสดงว่าคงจะต้องตื่นขึ้นมาก่อนนานแล้ว คนเหล่านั้นคงจะมีเจตนาปล่อยให้หลอนนอนพักกลับตามสบายโดยไม่ปลุกและไม่มีวี่แววว่าจะเร่งร้อนเคลื่อนย้ายนานอินและขยินเป็นผู้นาหลอนเดินอ้อมเนินดินอันอยู่ไม่ไกลาจากที่พักนักไปยังแหล่งทานน้ำบนซอกเขาซึ่งเข้าใจว่าคงจะเกิดขึ้นจากการทะลักขึ้นมาของน้ำเบื้องล่างโดยแรงสะเทือนของแผดินไหวเมื่อบ่ายวันนี้เป็นน้าที่มีลักษณะขาวคล้ายน้ำนมแบบเจือจางแต่จืดสนิท มีกลิ่นกรรมาฐานปราปวนอยู่บ้างเล็กน้อยภายหลังจากใช้เวลาเพียงไม่นานหลอนก็ชำระศาสางร่างกายจนสะอาดหมดจดโดยสะแม้กระทั่งเส้นผมรู้สึกสดชื่นแจ่มใสและมีกำลังกลับขึ้นมาอย่างเต็มที่ไม่ว่าทางกายหรือจิตประสาทเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่และซักชุดเก่าเรียบร้อยแล้วก็ตรงกลับเข้ามายัางคณะทั้งหมดที่ดูเหมือนว่า ทุกคนจะรอคอยหลอนอยู่ก่อนเพื่อการตัดสินใจที่จะดาเนินการต่อไปดารินตรงเข้าไปทักทายพวกลูกหาบทุกคนพร้อมทั้งกล่าวขอบใจจากใจจริงเพราะเมื่อบ่ายวันนี้หลอนยังไม่มีโอกาสที่จะพูดจา ก, กับคนเหล่านี้ทั่วหน้านนะักเนื่องมาจากกลับไปซะก่อนด้วยความอ่อนเพลียทุกคนของพวกลูกหาบยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความยินดีอย่างบริสุทธิ์ใจที่ได้ตัวหลอนกลับคืนมา ซึ่งเขาเหล่านั้นแต่ละคนก็ล้วนมีส่วนในการติดตามโดยไม่ย่อท้ออยู่ด้กันทั้งสิน้นนายหญิงสบายใจเหอะพวกเราทุกคนเคารพรักนายหญิงถึงเราจะไม่มีความคิดไม่มีปัญญาเราก็มีแรงมีใจสู้พวกเจ้านายจะเอายังไงเราก็เอาด้วยตายที่ไหนเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นนายชวนหัวหน้าลูกหาบกล่าวแทนเหล่าลูกหาบทุกคนด้วยภาษาชาวป่าของเขา มันอาจห้วนสั้นไม่ไพเราะในรูปประโยคแต่ความหมายของมันแสดงแกนลึกของหัวใจออกมาอ่านได้ชัดเจนจากศีนีนาและแววตาไม่เสียแรงที่พวกเธอทุกคนเป็นลูกหนองน้ำแห้งเป็นคนของระพินขอให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันรู้สึกในความจงรักภักดีรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของทุกคนเกินกว่าที่จะพูดออกมาได้หล่อนกล่าวด้วยเสียงใสเข้มกังวานแม้จะเบา ขณะที่เข้าไปจับมือพว้ลูกหาเหล่านั้นจนทั่วหน้าทีละคนอาการจับของนายหญิงบีบแรงหนักหน่วงยิ่งนายหญิงแข็งแรงดีเหมือนเดิมแล้วหรอครับในชวนถามขึ้นยิ้มยิ้มแทนคําตอบดารินกําหมัดขวาชูขึ้นแล้วชกมาต่อยในช่วงสั้นๆเชียวปลายคางของหัวหน้าลูกหาเป็นนิดเดียวพลางหัวเราะทุกคนพลอยหัวเราะคลืนตามไปด้วยบรรยากาศเต็มไปได้วยความแจ่มใสร่าเริง สภาพของความตึงเครียดขีดสุดที่ต่างได้รักกันมาถึง3วันเต็มๆได้คลี่คลายบรรเทาลงแล้วขณะนั้นก็มีเสียงดีดนิ้วแรงๆดังมาจากตำแหน่งที่เชิดท้าชายยานและอนุชา ย, ยืนรวมกลุ่มกันอยู่พอหันกลับไปก็เห็นอนุชากวักมือเรียกหล่อนจึงเดินตรงเข้าไปทุกคนกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เธอคนเดียวเท่านั้นรีบกินเสียหลังจากนั้นเราจะเคลืยร์ต่อกันละพี่กลางกับพวกเราทุกคนกำหนดเส้นทางไว้แล้วหรือคะ หล่อนถามขณะที่กินอาหารมือแรกแห่งวันไปตามมีตามเกิดแต่ถึงอย่างไรมันก็ยังดีกว่าพวกเผือกมันหรือกล้วยป่าที่ประทังชีพระหว่างพัดพลากจากคณะออกไปก็กําหนดไว้คร่าวๆก่อนเท่านั้นเดี๋ยวเราจะหารือกันอีกทีเพื่อ ว, า, วางเข็มให้แน่เราพลาดรอยของฝ่ายระพินตั้งแต่เหยียบเข้ามาในนรกดําแล้วต่อไปนี้จะต้องเป็นเรื่องอ่านใจกันและพยายามหาวิธีก้าวสกัดดักไปเป็นระยะระยะ เราจะไม่ใช้วิธีค้นหารอยก่อนแล้วแกะตามไปข้างหลังซึ่งแบบนั้นไม่มีวันตามได้ทันผู้ตอบหล่อนเป็นพี่ชายใหญ่ขณะนั้นทั้งสามชายกำลังยืนรวมกลุ่มใช้กล้องส่องทางไกลสำรวจไปยังเนินเขาที่ถลม่มทลายลงด้วยอาการไหวตัวของแผ่นดินเมื่อบ่ายวานนี้ซึ่งยามที่แสงตะวันสาดสว่างไปทั่วแล้วเช่นนี้ทาให้มองเห็นภูมิประเทศได้อย่างถนะัด มันคงมีอาการค่อยๆ ย, ยุบตัวลงอีกอย่างช้าๆและนิ่มนวลจนไม่รู้สึกในคืนที่ผ่านมาเพราะรอยร้าวฉานแตกแยกเป็นริ้วระแหงที่เคยมองเห็นอยู่ทั่วๆไปนั้นบัด น, นี้ส่วนใหญ่ได้เคลื่อนสลิเข้ามาชิดกันแล้วเหมือนจะเป็นการกลบโรง่าำใต้ภูเขาว้าอย่างมิดชิดโดยไม่เปิดโอกาสให้ใครขุดค้นหรือแลรอดลงไปเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ได้อีก ด่รินถือจานพลาสติกที่บรรจุข้าวร้อนๆกับเนื้อย่างรมควันลุกขึ้นมายืนกินมองตามคนเหล่า น, นั้นไปด้วยตาเปล่าของหลอนฮุบ ป, ปากสนิทไม่มีโอกาสที่จะบอกได้เลยว่าเบื้องล่างตามลงไปยังเนินที่ถล่มนั้นหลอนได้เข้าไปพบอะไรบ้างขณะ น, นี้สามชายกำลังหารือกันเองเบาๆโดยมีหนานอินนั่งยองๆอยู่ใกล้ๆจ้าสัมผัสของหลอน พี่ชายทั้งสองและชายยันรู้สึกว่าจะมีข้องติดหรือสงสัยอะไรหลายๆอย่างที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ยอดข่าวลูกนั้นเป็นอย่างมาก2 3สาครั้งระหว่างที่หาหรือกันเองซุบซิบได้ชำเลืองมาที่หลอนแต่ก็ไม่เอ่ยเป็นคำถามใดๆให้หลอนต้องลำบากใจที่จะตอบมีอะไรน่าสนใจมากไปกว่าที่พวกเราพบเห็นกันเมื่อวานนี้หรือคะหลอนแกล้งหยางเสียงอนุชานิ่ง ชายยันยักไหล่นิดหนึ่งแต่เสียงต่ำๆของพี่ชายใหญ่บอกโดยไม่หันมาทางหล่อนว่าเมื่อตอนเช้าตรู่พวกเราได้ขึ้นไปสำรวจบนยอดเนินถล่มนั้นกันอีกครั้งแต่ไม่พบร่องรอยรูโพรงที่เราระเบิดไว้เพื่อเป็นทางโรยเชือกหย่อนตัวลงไปเอาน้อยขึ้นมาเลยหินมันถล่มลงมาปิดทางสมรวดแล้วจนจำไม่ได้ซุดีซ้าว่าตาแหน่งไหนที่พวกเราวางระเบิดไว้ และบริเวณทั่วไปก็มีรอยหดของพื้นหินเข้ามาชนก่ายเกยกันจนมองดูเหมือนใครเอาอีเตอร์ยักษ์มาทุบทําลายลักษณะเดิมเสียหมดกลายเป็นก้องหินครุกระไปทั่วแล้วก็มีระดับลดต่ำลงมากกว่าเดิมมากมันกลบฝังทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างใต้สนิทดีเหลือเกินประเดี๋ยวขอน้อยขึ้นไปดูมั่งได้ไหมคะเชษฐาสันศีสัก่วยการเสียเวลาเปล่า ี่คิดว่าไม่มีอะไรที่เราจะสนใจกับที่นี่อีกแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำรอคอยอยู่ข้างหน้ามากมายนะักทุกสิ่งทุกอย่างของนรกดําเป็นปริศนาที่ไม่อาจตีความออกเป็นความลี้ลับที่ปราศจากคำตอบเป็นอจินไตคือคิดค้นหาข้อสรุปไม่ได้ถ้าไปมัวคิดก็จะบ้าตายซะก่อนได้ตัวน้อยกลับคืนมาในสภาพที่ปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นได้ว่า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 มหาปราสาทจิตตรงางคนาและอุทยานสวยสวรรค์ของข้าลาก่อนดวงวิญญาณของท่านปุโรหิตมันตรข้ามองเห็นแล้วในความสเสน่หาและผูกพันเฝ้ารอคอยมานานของท่านแต่ระหว่างข้าและท่านเราหาใช่คู่ของการและกันไม่ข้าจึงต้องหลีกหนีหน้ามาทุกชาติพบเช่นนี้ดารินรำพึงอยู่ในใจขณะรีตามองดูกลุ่มหมอควันเนื้อเนินตำแหน่งนั้น พลันสะดุ้งตื่นจากพวังเมื่อฝ่ามือหนักๆของพี่ชายกลางตบลงที่ไหล่พร้อมทักว่าถือจานข้าวตาค้างอยู่นั่นแหละน้อยกินเร็วๆเข้าเถอะพี่จะสั่งเก็บของแล้วหลอนรู้สึกตัวยิ้มเศร้าๆและอิ่มทันทีเมื่อนั้นอดีตพรานชนจึงหันไปสั่งการกับนานอินและขยินข้าวของสัมภาระเริ่มเก็บในทันทีเตรียมการย้าย ทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางเมื่อเวลา10บนิกนาทีระหว่างที่เวียงเป้ขึ้นพาดไหลและกล้มลงผูกสายรัดสองปืนสั้นที่ต้นขากันแกว่งดารินเหลียวมองไปรอบและอุทานออกมาว่าเอ๊ะเจ้าด้วนหายไปไหนนี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันนี้ใครเห็นเจ้าด้วนมั่งไหมอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรกับมันก่อนในตอนนี้เลยมันก็คงจะไปหาอะไรกินตามเรื่องของมัน ไม่ต้องรอมันให้พร้อมหน้าซะ ก, ก่อนหรอกเมื่อเราจะเดินเราก็ออกเดินประเดี๋ยวก็เจอมันเองไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งในหนทางที่เราตัดสินใจบ่ายหน้าไปจำไว้อย่างเดียวว่ามันไม่ใช่คนมันเป็นช้างป่าเรื่องหลงพลัดหรือตามรอยเราไม่ทันนั้นไม่มีวันใชหรอกเว้นแต่ว่ามันจะเจตนาแยกทางไปเองก็ช่วยไม่ได้เหมือนเหมือนอย่างที่เราได้พูดกันเมื่อคืนนี้แล้วชายยันตอบมา ดารินเริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายหล่อนไม่สบายใจเป็นอย่างมากเหตุผลที่ชายยันบอกมันก็ถูกแต่หล่อนไม่อยากจะเห็นมันหายหน้าไปจากคณะทั้งหมดเลยมองไปทางพี่ชายสองคนก็ไม่เห็นมีใครแสดงความเห็นหรือรู้สึกกังวลอะไรหล่อนจึงเดินตรงเข้าไปที่นานอินผู้กําลังบงการเก็บข้าวของอยู่ลุงเจ้าด้วยของฉันหายไปไหนลุงรู้ไหมครูพรานเท่าเงยหน้าขึ้นยิ้มเห็นฝันข้างหน้าหรอ มันลงไปรอเราอยู่ในป่าล่างเพราะข้างบนนี่ไม่มีอาหารสาหรับมันเลยออกไปเมื่อใกล้ฟ้าสางเดี๋ยวก็พบเองนะหญิงเพราะเราจะมุ่งหน้าลงไปในดงข้างล่างอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรมาทำร้ายเจ้าด้วยได้อีกแล้วช้างป่าทุกตัวที่เราจะพบต่อไปเป็นช้างป่าธรรมดาไม่มีมนตราอาคมใดๆมาสะกดสั่งงานได้อีกและนี่เราจะมุ่งหน้าไปทางด้านไหนหรือจุดไหนเป็นแห่งแรก ยังไม่มีใครบ่ฉันเลยพรานเท่านานอินดีอยู่อย่างหนึง่งและเป็นความดีสำหรับหล่อนยิ่งเสียกว่าระพินหรืออดีตพรานชดพี่ชายกลางของหล่อนเสียอีกในข้อที่ว่าในป่าแล้วถ้าหล่อนมีคำถามหรือสงสัยอะไรแกก็จะบอกให้ไม่ทําเป็นเย็บปากอมพนัให้มีน้ำโหต่อไปนี้เราจะบ่ายหน้าขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือตลอดละน้าหญิง ถ้าจำเป็นต้องอ้อมหรือปลีกทางที่ผ่านตัดตรงไปไม่ได้พอเราพ้นทางละบากนั้นแล้วก็จะต้องหันขึ้นตะวันออกเชียงเหนืวไปเรื่อยๆเหมือนตอนที่หนานอินนำทางพรานชดไปค้นหาคุ้มเพรพระอุมาในครั้งนั้นนายชดมีแผนที่เก่าหนานอินมีขมองที่พอจะได้เอามาผสมกันราจสกุลสาวอึ้องไปขณะจิตเสียงที่กล่าวต่อมาของหลอนเกือบเป็นกระซิบ นี่ทั้งลุงอินและพี่กลางแน่ใจตกลงใจกันอย่างเด็ดขาดแล้วหรือที่จะมุ่งเข้าสู่เทือกพระศิวะครูพรานคงยิ้มเรื่อยๆอยู่เช่นนั้นอย่างไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นนานอินไม่รู้แต่นานอินได้รับคําสั่งจากพรานชดให้นําทางไปทางด้านนั้นพรานชดน่าจะรู้อะไรได้ดีกว่านานอินจุดหมายปลายทางของเราก็คือเทือกพระศิวะเมืองของไอ้แงซายนั่นแหละ แต่ถ้าโชคดีที่จะไม่ต้องเดินกันไกลนะเราก็อาจาตามพบนายรพินก่อนในระหว่างเส้นทางนี้ถามจริงๆเถอะขณะที่เราทั้งหมดมาอยู่กันที่ตรงนี้ทั้งลุงและพรานชดพอจะสังเกตเห็นลู่ทางหรือมีเครื่องหมายอะไรชี้บอกให้เข้าไปสู่เส้นทางซึ่งเคยเดินผ่านกันมาก่อนแล้วมั่งไหมแกสั่นหัวผู่ของส่วนตัวเสร็จก็เวียงขึ้นคอนบ่าพลางลุกขึ้นยืน พรานชดกับ น, นานอินไม่เคยผ่านที่นีมาก่อนอย่างที่บอกกับนายหญิงแล้วแต่ถ้าเดินไปอีกสักสองวันอย่างน้อยเราก็คงจะพอจับสังเกตเห็นทิวเขาที่ช่วยให้จำได้บ้างขออย่างเดียวอย่าเบี่ยงนอกทิศนอกทางที่ตั้งไว้ก็แล้วกันโ น, น่นนายใหญ่โบกมือเรียกมาแล้วเ ร, เราไปกันเถอะนายหญิงนานอินจะต้องออกเดินนําไปข้างหน้า นายหญิงเดินเกาะหมู่ไปกับนายใหญ่และนายทหารชา ย, ยันก็แล้วกันอย่าแตกแยกไปไหนคนเดียวโดยไม่บอกใครแกพูดได้แค่นั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนโวกโวกของอดีตพรานชดสั่งการมาพวกลูกหาบเริ่มเคลื่อนขบวนแบกหามลงจากซอกเขาตำแหแต่งที่พักแรมมาโดยมีพี่ชายกลางชี้มือกำหนดเส้นทางควบคุมบงการอยู่ตัวเขาเองหลบเข้าข้างทางรอให้พวกลูกหาเหล่านั้นผ่านไปก่อน รูพรานยิ้มให้ดารินอีกครั้งแล้วเดินดุมๆอย่างคล่องแคล่วว่องไวผิดไปจากอายุวัยชราของแก่ไล่หลังลูกหาบเหล่านั้นไปเมื่อ น, นั้นเองหล่อนจึงสาวเท้าเข้ามายังกลุ่มของพี่ชายซึ่งดูเหมือนจะรอคอยอยู่ก่อนแล้วย่าไปตั้งคำถามอะไรกับลุงอินแก่มากๆถึงเวลาออกเดินไปก็แล้วกันและจําไว้ห้ามแตกแยกขบวนพี่ชายกลางพูดมาครืมๆเป็นงานเป็นการอีกครั้ง ประโยคแรกนั้นสออชัดว่ารู้ทันอยู่ตลอดเวลาส่วนประโยคหลังเป็นการปรามค่ะแต่ถ้าน้อยแตกแยกขบวนเมื่ อ, อไหร่ก็ขอให้รู้ด้วยว่าน้อยมีเหตุผลของน้อยเหมือนกันหล่อนตอบเสียงคร้มๆเช่นกันพี่ชายขมวดคิ้วในขณะที่ดารินเดินเฉียดผ่านหน้าเขาเขาจ๊บ ป, ปากเบาๆตั้งต้นอวดดีอีกแล้วน้อยน้องสาวคนเล็กของกระไม่ตอบโต้ใดๆอีกทั้งสิ้น เดินตามหลังพวกลูกหาปยันสงบเคร่งขรึมพยายามใช้สายตาพินิษฐ์พิจารณาสถานที่ภูมิประเทศแวดล้อมไปทุกขณะเชษฐาชายยาและอนุชาเดินรวมกลุ่มกันมาเบื้องหลังห่างออกไปเพียงเล็กน้อยส่วนขยินนั้นถูกสั่งให้ไปคุมอยู่รังท้ายกระบวนอันเป็นหน้าที่ของมันอยู่แล้วค้นทางเลาะเรียบไปทางระหว่างซอกตีนเขาสองลูกที่ลาดเข้ามาบรรจบกันบางขณะทอดขึ้นสูง และบางขนาดก็เส้นทางลิฟต์ล้วลงไปสู่เบื้องต่ำสองฝั่งเป็นหินภูเขาไฟที่แข็งตัวมาแล้วนับเป็นพันๆปีมีเหล่าวัชพืชเล็กๆงอกแซมอยู่ประปายเป็นระยะๆะะสภาพของลูกเขาเหล่านี้เปรียบเสมือนเขาหัวโล้นปราศ จ, จากไม้ยืนต้นหนานแน่นนอกจากนานๆครั้งจะเห็นต้นไม้ใหญ่เคาะขนาดสยาหรือตะโกป่ายืนต้นโดดเดี่ยวอยู่ห่างไกลออกไป มีโตกตรวยเงื้อมชะ ง, ง่อนหินที่เหลื่อมล้ำเป็นทิวอยู่ในสภาพของป่าในยุคหินทำให้แลดูวังเวงใจอย่างไรบอกไม่ถูกชายยาส ก, กิจเชิฐาและบุยป่าไปยังภูมิประเทศอันงดงามแต่หน้าวันระแวงเหล่านั้นเชฐาแกจำได้ไหมสำหรับสภาพของป่าแบบนี้มันเคยเป็นที่อยู่ของไอตัวจำพวกไดโนที่เราเคยเผชิญกันมาแล้วในครั้งนั้น และขอภาวนาอย่าให้มันมีโพรออกมาอวดโฉมกับเราอีกเลยเพราะเ7็มเเอามันไม่อยู่แน่สมมุติว่าจะมีเจ้าตัวไทแรนโนซอรัสชูหัวขึ้นมาจากหลังเนินลูกใดลูกหนึ่งที่เป็นเนินแวดล้อมเราอยู่ขนาดนี้เพราะตอนนี้เราไม่มีเจ้าพระรามแง่ายถือธนู8ปปอนด์ติดใดนาไม้มาเป็นหลักประกรันให้ด้วยมันน่าแปลกเมื่อหวนคิดย้อนหลังตอนที่เรามาตามกลางไป เราพบสิ่งที่เราไม่คาดคิดสารพัดอย่างแต่สอบปากคําจากกลาและลุงอินแล้วปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์พิฤึกกึกเกืออย่างที่เราพบเลยนอกจากเสือเขี้ยวดาบกับนครวา น, อนนอนของวายาเท่านั้นอดีตนายทหารปืนใหญ่ราพึงออกมาอย่างสุดชะงนท่านทูทหารโบกนอกราชการซึ่งความจําเป็นบีบบงังคับให้ต้องมาบุกบานอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์อีกครั้ง ตอบด้เสียงต่ำลึกของเขาว่ามันเป็นความอาถรรพ์ของใครพิสดารเสียมากกว่าสิ่งที่เราพบมาแล้วนั้นแม้จะยืนยันได้กับสายตาของพวกเราทุกคนมันก็น่าจะสรุปได้ว่าเป็นไปในลักษณะของอุปรักหรือมารผจนบันดาลขึ้นด้วยอำนาจลี้ลับเพื่อทดสอบความมานะพยายามของเราเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เราได้ผ่านพ้นไปได้แต่เมื่อเรามีเจตนาแน่วแน่และจริงจัง เราก็สามารถผ่านมันไปได้เชื่อแน่ได้ว่าต่อให้เราเดินทับรอยเดินไปทุกฝีก้าวกับที่ได้เคยผ่านมาแล้วเราก็จะไม่มีวันได้พบกับหลักฐานหรือซากโครงกระดูกของพวกไดโนเสาร์ที่เราทำลายมันไว้ในครั้งนั้นเพราะมันล้วนเป็นสิ่งมายาที่ป่าลึกลับบรรดาลขึ้นเล่นงานเราในขนาดนั้นเท่านั้นเดี๋ยวนี้ฉันพอจะหาข้อสรุปได้แล้ว อดีตพรานชลที่เดินจับกลุ่มไปด้วยได้ยินคำพูดเชิงรำพึงหารือของบุคคลทั้งสองได้โดยตลอดแต่เขาก็ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นอัดควันบุหรี่จากกันเป็นครั้งสุดท้ายและดิ ก, กระเด็นไปกระทบแง่หินข้างทางบอกมาทางพี่ชายเรียบรียบว่าผงขอแยกตัวไปเดินกับลุงอินข้างหน้าละครับเราจะไปกันเรื่อยๆตามสบายไม่ต้องเร่งร้อนอะไรทั้งสิ้น อีกสักครู่จะทดสอบวิทยุเรียกมาว่าในระแวกนี้เรายังใช้วิทยุติดต่อกันได้หรือเปล่าแล้วอนุชาก็ก้าวเท้าวรวดรวดตามติดพวกลูกหาวก็เข้าขาบวนเป็นแถวล่วงหน้าไปก่อนแล้วด้วยฝีเท้าอันเคยชินของคนที่เดินป่ามาแล้วอย่างโชคโชนเช่นเขาพอเฉียดจะผ่านน้องสาวก็บอกว่าไปเดินรวมกลุ่มกับพี่ใหญ่และชัยยันไม่ต้องตามพี่ขึ้นมา เรื่องอะไรน้อยก็มีเท้าเหมือนพี่กลางเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เดินช้าไปกว่าพี่กลางด้วยรู้ไว้น้องสาวไม่ยอมลดละสาวเท้าตามหลังพี่ชายกลางไปติดๆและหลอนก็เดินได้ทันจริงๆเชษฐากับชายยานโคลหัวพร้อมกันแต่ก็ไม่มีใครทักท้วงอย่างใดเพราะรู้นิสัยดารินดีอยู่แล้วรู้มากไปกว่านั้นเสียอีกว่าในการเดินทางเสี่ยงตายมาในครั้งนี้ถ้าบดจะบ้าดีเดือดขึ้นมาแล้ว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 มีแต่เรื่องกลัวผีเป็นสันดานประจำที่แก้ไม่หายเท่านั้นครู่ใหญ่ต่อมาแทนที่จะเป็นเสียงของอนุชาก็กลายเป็นเสียงของดารินที่ทดสอบมาทางวิทยุมือถือโดยเรียกหาพี่ชายและเพื่อนมาจากข้างหน้าซึ่งขณะนั้นขบวนด้านหน้าเลี้ยวรับมุมหินไปแล้วได้ยินชัดเจนน้อยวิทยุใช้การได้ดีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างขณะ น, นี้พี่ชายใหญ่วิทยุตอบไป ป่าใหญ่ในหุบข้างล่างรอคอยเราอยู่นี่แล้วค่ะเรากําลังเดินลงทางค่อนข้างกเทล่าชันพวกลูกหาต้องระมัดระวังกันมากและเดินได้ช้าลงเพราะถ้าพลาดก็หน้าขำ ม, มระวังหน่อยและไม่ต้องเร่งเวลานะว่าแต่เราเธออยู่ใกล้พี่กลางกับลุงอินหรือเปล่าเชษฐาถามไปลุงหน้าลงมาคอยอยู่ก่อนที่ตะพักแรกค่ะแต่ยังอยู่ในทิศทางที่มองเห็นกันห่างแค่20เมตรเท่านั้น ตอนนี้น้อยหยุดพักรอพี่กลางกับลุงอิน ก, กำลังช่วยผู้ลูกหาประคองสัมภาระขณะนั้นแดด ก, กำลังแรงกล้าเพราะใกล้เที่ยงทุกคนเริ่มเหงื่อโสมกายกลางทำไมเงียบไปฉันไม่ได้ยินเสียงของแกเลยช้ยยันวิทยุถามไปบ้างอืดใจใหญ่ก็มีเสียงของอดีตพรานชดบอกมาด้วยน้ำเสียงที่กังวลแฝงนิดๆว่าเดินตามลงมาเรื่อยๆตอนนี้ระยะมันค่อนข้างจะหักเป็นข้อศอก คดเคี้ยวมากอยู่สักหน่อยน้อยเริ่มดื้ออีกแล้วล่วงหน้าลงไปก่อนประโยคหลังดูเหมือนจะฟ้องขึ้นมาปล่อยตามสบายเขาเถอะขอให้อยู่ในสายตามองเห็นกันเป็นใช้ได้มันไม่ใช่งั้นนะสิน้ำเสียงอนุชาซ่อนความโกดหิดเอาไว้ไม่ได้รราเจ็ดสิบเมตรในป่าหินข้างหน้าดักทางอยู่มีฝูงลิงหางสั้นแบบลิงกังจับกลุ่มอยู่ที่นั่นไม่ต่ำกว่าห้าร้อยตัว มันเห็นเราแล้วกาลังมีการเคลื่อนไหวพลุกพลานแต่ไม่มีท่าว่าจะหลีกทางไปถ้าพวกเราลงไปใกล้กว่านั้นและพวกมันเกิดไม่ยอมหนียกขยงเข้าเล่นงานแล้วก็ยิงกันไม่ทันทีเดียวคําพูดของอนุชาที่รายงานขึ้นมาก่อนโดยยังไม่เห็นตัวกันทำให้เชษฐาและช ย, ยันตื่นตัวขึ้นทันทีชา ย, ยันหันไปกวากมือเรียกขยีนให้เร่งฝีเท้าเข้ามาใกล้แล้วส่งภาษาการเรียงงูงปลาปลา บอกให้ในายบ้านลมช้างรู้ว่าพักพวกเบื้องหน้ากำลังพบเข้ากับอะไรขยินอ้าปากวอไว้ใจมันไม่ได้นะนายไอลิงพวกนี้ตัวสองตัวก็ไม่เป็นไรถ้าจับฝูงเปร้ร้อยตัวมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเข้าใกล้ไม่ได้เรื่องกองทัพลิงหางสั้นบุกเข้าโจมตีคณะเดินทางทุกคนของฝ่ายเชษฐาซึมทราบแก่ใจดีแล้วเพราะเคยโดนมาก่อนจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด กลางลุงอินท่านสองคนนะ่นมีความเห็นยังไงสำหรับไอ้ลิงฝูงนั้นคราวนี้ชายยันวิทยุลงไปอย่างร้อนใจไม่เคยน่าไว้ใจเลยนายทหารนั้นอินบอกให้นายหญิงยิงไล่ลงไปก่อนถ้ามันได้ยินเสียงปืนมันอาจแตกหนีย้ายถิ่นไปแต่นายหญิงก็ไม่ยอมยิงเท่าที่มองเห็นน่ะห้า0หกร้อตัวเข้าไปแล้วแอบหลบอยู่ตามเนินหินอีกเท่าไรบ้างก็ไม่รู้ นั้นอินบอกมาทางวิทยุหังเสียงแก่สอบแววไม่สบายใจพอๆกับพรานชดบอกให้ทุกคนหยุดแค่นั้นก่อนจะตามเข้าไปเดี๋ยวนี้เช่ฐาสั่งเด็ดขาดและชวนกันสามคนเร่งฝีเท้ากึง่งวิ่งกึ่งเดินล้อลัดไปตามแนวเส้นทางระหวางซอกโขดหินที่พะพวกล่วงหน้ารับไปก่อนพอเลี้ยวโค้งข้อสอที่บังอยู่เบื้องหน้าก็แลลาดลงไปเห็นขบวนลูกหานหยุดพักกันระเกะระกะเป็นทิว ตามเส้นทางที่ลาดลิบล้วลงไปสู่แนวป่าเขียวทมืนเบื้องล่างและลึกต่ำลงไปกว่านั้นตรงชานหินล้ำหน้าไกลไปกว่าทุกคนน้อสาวคนเล็กกำลังยืนสภายไรยเฟิลเอากระติกน้ำขึ้นมากรอกเข้าปากเดิมอยู่อนุชาและนานอินยืนอยู่บนอีตาพักหนึ่งที่สูงเหนือขึ้นมาและกำลังใช้กล้องส่องทางไกลส่องสารวจลงไปยังหนทางเทลาดเบื้องล่าง ทั้งเชีอดถานและชัยยันจึงล้วงกล้องสองทางไกลขึ้นมาบ้างปรับเลนในทันทีตาระดับลงไปใกล้บริเวณที่จะเข้าดงทึบเป็นป่าหินแซมปากกล้วยโปรง่ปรงๆที่ออกเครือสุกเลื้องอร่ามฝูงลิงกังหรือลิงหางสั้นนับจำนวนไม่ถ้วนเต็มสพุกไปหมดบ้างก็นั่งสลอนกันอยู่บนโขดหินที่ขึ้นแซมอยู่ทั่วไปบางก็อยู่ในดงกล้วยทึ่งกล้วยปา ก, กินแน่นอนว่า มันจะต้องเห็นกลุ่มมนุษย์ที่กำลังทยอยกันเดินลงมาตามเส้นทางอันจะผ่านบริเวณที่พวกมันยึดครองอยู่ในขณะ น, นี้และหลายๆตัวที่จัดได้ว่าทะโมนใหญ่ของฟูงแงนมองเลิกคิ้วทำปากยื่นขึ้นมามันไม่มีความหวั่นเกรงใดๆทั้งสิน้นมีอาการเหมือนจะยึดครองเส้นทางโดยไม่ยอมหลีกให้อย่างเจ้าทินให้หลิงเจ้ากรรมพวกนี้ทำยุ่งซะแล้วสิชายยันอุทานออกมาน้อย เทพถ่ายยกวิทยุขึ้นเรียกเสียงเคร่งอย่านึกว่าสัตว์ป่าทุกตัวมันจะเป็นมิกกับเธอไปเสหมดแต่เราไม่ต้องการเสียงอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการเสียเวลาด้วยจากระยะห่างๆนี่แหละเธอยิงไรเฟิลไล่ลงไปถ้าไม่อยากให้มันตายก็อย่ายิงให้ถูกตัวโดยยิงไปให้กระทบโขดหินเสียงปืนอาจทําทให้พวกมันเตลดิดหนีเปิดทางให้เราตอนนี้มันดักขวางทางเราไว้ เธอต่ำลงไปใกล้พวกมันที่สุดขอให้ยิงไปสักนัดและดูท่าทีมันแทนที่จะปลดไรเฟิลออกปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ชายใหญ่ดารินกลับโบกมือขึ้นมาและกวักมือเรียกลงมาเถิดข้าพวกมันไม่ทำอะไรเราหรอกแต่ถ้ายิงมันอาจพูขึ้นมาก็ได้แม้จะเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดแล้วก็ตามเชษฐาสบัดอุบแล้วสั่งการไปทางน้องชายกลางกลับนานอินทันที กลางใช้เ1 6มิยิงไล่สักชุดหนึ่งถ้าหากมันยังไม่เตลิดเข้าป่าไปให้ตามด้วยเ7 9เราจะลงไปไม่ได้ถ้าพวกมันยังชุมนุมกันอยู่ตรงนี้อนุชาหงุดหงิดรำคาญใจอยู่ก่อนแล้วเขาเองก็มีความเห็นอย่างเดียวกันพี่ชายใหญ่ส่งไรเฟิลไปให้ลูกหาช่วยถือแล้วคว้าเอาเ1 6กกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำทันทีตะโกนบอกน้องสาลงไปว่าน้อยหมอบลง บางก้อนหินไว้ไม่งั้นถูกลูกปืนไม่รู้ด้วยแล้วก็ยกปืนขึ้นกระทับไหลผลักสวิตไปที่ฟูลออโต้ดารินร้องห้ามเสียงหลงแต่ตัวเองก็หลบวู่เข้าไปที่บางอยู่หลังก้อนหินใหญ่พ้นวิถีกระสุนพอเห็นน้องสาวพ้นจากทางปืนอดีตปรานชดนก็เหนียวไกปล่อยกระสุน 5.56 ม mm, ิลิเมตรแบบกลสั่นไว้ ลงไปยังบริเวณที่ฝูงลิงเหล่านั้นป้วนเปี้ยนอยู่ในทันทีเขายิงเป็นชุดชุดละห้ถึงหนัดกลัดไปยังทิศทางเบื้องหน้ารอบด้านไม่เจตนาที่จะฆ่ามันตัวไหนแต่หมายให้รกระทบโขดหินแตกเป็นสะเก็ดและใช้กำบรรณาเสียงเข้าขับไล่ฝุ่นจากโขดหินเบื้องล่างกระจายคลุ้งไปหมดตามแนวที่กระสุนแล่นไปกระทบมันผ่านหัวดารินผู้หลบอยู่หลังก้อนหินไปแค่สอกเดียวเท่านั้น เสงกระสุนที่ยิงรัวเป็นกลนสะเทือนเลื่อนล่านไปหมดพวกลูกหาบทั้งหลายที่อยู่ในระดับต่ำลงไปตามลําดับพากันอุดหูหมอบราบลงกับพื้นเทลาดนั้นด้วยสัญชาตญาณหลบภัยเหล่าวาดนอนทั้งหลายส่งเสียงร้องเจี๊ยบจ๊กแตกตื่นกันเป็นโกลาหนโอลมานกระโดดพลุกพล่านเห็นเป็นสีเหลืองสลับน้ําตาลตัดกับสีเทาแดงของหินลานตาไปหมด มองไม่ชัดว่าพวกมันตัวใดจะถูกปืนล้มตายไปบ้าหรือเปล่าแต่พวกมันกำลังปั่นป่วนเต็มที่ปากล้วยรอบด้านก็ไหวยวบยาบมองเห็นได้ชัดอนุชา ย, ยิงจนหมดแม็กกาซีนโค้ง30นัดแล้วหยุดเสียบแม็กใหม่เข้าไปแทนยืนมองดูผลที่จะติดตามมาเทศถาชายยาและทุกคนก็จับตามองอยู่ตรงกันข้ามกับดาเินที่ร้องเอตโลลั่นขึ้นมาฟังไม่ได้สับ ซึ่งไม่มีใครสนใจเพราะต่างพวงคอยจับดูปฏิกิริยาต่อไปของไอ้ลิงหางสั้นฟูงนั้นนึกภาวนาให้มันแตกหนีเข้าดงไปซะโดยเร็วแทนที่มันจะไปกลับปรากฏว่ามีแต่ความพลุกพล่านของพวกมันที่เคลื่อนไหวตัวอยู่อย่างจ้าละวันสองถึงสามนาทีเต็มๆที่ฝ่ายมนุษย์บนทางล่าชั้นบนเฝ้าจับตามองอยู่พวกมันหาได้เคลื่อนย้ายแตกหนีไปไหนอย่างที่หวังไว้ไม่ ตรงข้ามพอเสียงปืนสงบลงสักพักมันก็ปรากฏตัวเต็มพืชไปหมดทุกตัวหันหน้าเม้นมองขึ้นมายังกลุ่มมนุษย์อันเป็นต้นเสียงปืนที่สาดลงมาและจากการคาดคะเนด้วยตาปลาแต่แรกว่าประมาณสักหกถึงห้าร้อยตัวก็ปรากฏว่าจํานวนของพวกมันนับเป็นพันขึ้นไปสีเหลืองเหมือนฟางเต็มไปหมดเลยทั้งตามโขดหินและทางเดิน ส่งเสียงขู่ตะข้อโคกห้ากขึ้นมายังดุร้ายแม้จะระยะห่างไกลก็ได้ยินถนัดเพราะปริมาณอันมากมายเหลือเกินหลายตัวขนาดเครือ ง, เ, องเริ่มจะกระโดดตามก้อนหินไตาทางขึ้นมาหาฝ่ายมนุษย์แล้วนบบัด น, นี้พวกมันกําลังชาร์จขึ้นมายังดุร้ายกระหายเลือดเสียงพวกลูกหาวตะโกน ร, ร้องบอกกันลั่นและอนุชา ย, ยามนี้กระโจนรวดเดียวมาถึงดารินผู้ผหดขึ้นมายืนเต้นอยู่ กระชากแขนชุดให้ขึ้นมายังบริเวณด้านบนอันมีพักพวัวที่แตกตื่นชุลมุนอยู่ระหว่างที่พี่ชายฮิวเอาตัวลากถูลู่ถูกากงขึ้นบนนั้นดารินร้องเอตโลลั่นฟังไม่ได้สับมีอาการหัวเสยอย่างยิ่งที่อนุชาปเปิดฉากยิงขึ้นตาคำสั่งของพี่ชายใหญ่แต่ยามนี้ไม่มีใครสนใจฟังเสียงลงเล้งของหม่อมราชวงศ์สาวทั้งสิน้นเพราะสัญญาณภัยที่มองเห็นกันอยู่ยังโโจงแจ้งในขณะนี้ ทั้งหมดหมอบลงเข้าบางซอกหินไว้เร็วที่สุดเชษฐาตะโกนสั่งการลงไปอีกครั้งเสียงดังลั่นเพราะขณะนี้ M79 กระบอกหนึ่งขึ้นมาอยู่ในมือของชายยันแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่กำลังหักลำกล้องยัดระเบิดชนิดสเก็ตทำลายขนาด40ม ม, มเข้าไปในรังเพลิงแล้วหุบลำกล้องเข้าที่ยกขึ้นประทับไหลเล็งไปยังแนวทางลาดเบื้องต่ำนันแวดล้อมไปด้วยป่าหิน ซึ่งมองเห็นฝูงลิงชุดแรกนับจำนวนไม่ท้วนกำลังกระโจนรวดรวดตตยทางขึ้นมาหาฝ่ายมนุษย์อย่างกำแหงหานไ อ, จอ้จ๋อพวกเองควรจะหยุดกำแหงกันได้สะทีแล้วเอา้าเอาไปแดกสักลูกหนึ่งก่อนชายยันคำรามอย่างเดือดดาลใจพลักคันห้าไปด้านหน้าแล้วกะปากลํากล้องเครื่องยิงระเบิดให้มันพอดีกับกลางกลุ่มของบรรดาลิงเกเรกองหน้าชุดแรกพร้อมกับลั่นไกออกไป เสียงมันดังปังยังไม่ซู้จะรุนแรงอะไรนะจากการจุดชนวนส่งหัวระเบิดออกไปท้ายกระสุนที่ลอยลงไปนั้นเห็นเพียงกลุ่มควันที่ตามไปเบื้องหลังเป็นเส้นพอยิงเสร็จทั้งเขาเช่ถาและขยิงก็สุดตัวนั่งรูบลงอึดใจต่อมาสำเนียงสะเทือนเลื่อนล่อนของระเบิด40มมก็คำรนกระหึ่มขึ้นครืนใหญ่มันก้องกังวานไปทั้งขุนเขาประกายไฟแลบวาบแดงแสบ ณตำแหน่งที่หัวระเบิดตกแล้วกลุ่มควันเศษหินเศษลูกรางก็กระจายตลบเป็นม่า น, วานควันคลุ้งไปหมดเสียงระเบิดของมันดังสะเทือนขวนัญกว่าการยิงรัวของเ1 6อันเป็นไรเฟิลจู่โจมกวาดล้างหลายเท่าแม้จะเป็นเพียงแค่ลูกเดียวก็ตามภาพที่เห็นในวินาทีต่อมาภายหลังม่านควนันเจือจางลงปรากฏว่าเจ้าลิงดุร้ายพวกนั้นแตกกระจัดกระจายพล่านกันอีกครั้ง เหมือนมดแดงแตกรังแต่การแตกฝูงของมันในครั้งนี้ไม่เหมือนในครั้งแรกเพราะเป็นการแตกตื่นตระหนกตกใจอย่างแท้จริงในกลุ่มของพวกมันนั้นจะมีกี่ตัวบ้างที่ถูกสเก็ต ร, ระเบิดสังหารแดดดิ้นไปไม่สามารถจะมองเห็นได้ในขณะ น, นี้คงเห็นเฉพาะสภาพที่เคยแสดงกริยาดุร้าและกระโจนรวดพรวดเข้ามาเป็นระลอกนั้นได้หยุดชะงักลงอย่างเด็ดขาดกลายเป็นวิ่งพลานหางจุกก้นเพ่นไปตัวละทิศทาง โดยไม่มีตัวใดบังอาจสำแดงท่ากระเฮียนกระหือรือที่จะปรีตรงเข้ามาอีกเลยแม้แต่ตัวเดียวชายยันหักลำกล้องดีดปลอกเก่าที่ควรยังกลุ่นกรุ่นอยู่กระเด็นพล็อกออกมาแล้วหยิบอีกนัดหนึ่งบรรจุใหม่ทันทีแต่เช่ถาจับแขนไว้พอแล้วนัดเดียวพอพวกมันเพ่นกันป่าราบไปน่นแล้วเราต้องการไล่มันเท่านั้นไม่ได้ต้องการฆ่าล้างผลาญผลาญมัน สหายของเขาจึงยั้งมืออยู่แค่นั้นพร้อมกับจุป่าจิกจัก๊กสะบดดาตาของทุกคนที่แลลงไปในขนาดนี้และเห็นสภาพอันแตกกระจายนี้ของมันยังกึ่งสมเพศกึ่งขันขันมันจะรวมพวกกันมากมายสักแค่ไหนหรือมีสันดานดุร้ายเกรยเกรเช่นไรก็ตามแต่มันก็ไม่อาจทนทานกับอนุภาพของระเบิด40มิลเมตรจากเครื่องยิง M79 ไปได้พากันเปิดแนบเปลวจีไปคนละทิศละทาง โดยบายหน้าลงป่าทึบข้างล่างสับสนไปหมดพวกมันแจวอ้าวกันไปหมดแล้วนายพวกลูกหาบทั้งหลายพากันร้องตะโกนขึ้นแล้วช่วยกันโห่ร้องไล่สำทับหลังไปอีกเสียงชายยันตะโกนถามพักพวกยังย่ามใจว่าแถมส่งก้นมันไปอีกลูกเป็นยังไงมันจะได้เข็ตและไปเสพ้นไม่ใช่ไปจับกลุ่มดับรอคอยพวกเราอีกในป่าทึบข้างล่างโน่น แต่เชษฐาจับข้อมือข้างหนึ่งไว้มั่นปรามไว้พอเสียกระสุนเปล่าแค่นี้มันก็ไม่อยู่รอน้าอีกแล้วรับรองว่ามันไม่กล้าไปดักเราอยู่อีกรอบสองสามอึดใจต่อมาตามแนวทางลงเบื้องล่างที่เคยเห็นฝูงลิงดักอยู่เป็นกองเท้าก็โปร่งตาหมดไม่เห็นมีเหลืออยู่อีกเลยแม้แต่ตัวเดียวนอกจากบริเวณยอดหินระเกะระกะที่พวกมันเคยนั่งหรือไต่อยู่เท่านั้น ตำแหน่งที่ชัยยานยิงระเบิดลงไปก็ไม่ปรากฏร่องรอยอะไรเสียหายยับเยินมากนักเพราะมันตกลงในระหว่างซอกหินใหญ่และระเบิดขึ้นสเกตถูกก้อนหินบังอยู่ในเฉพาะแนวทางจำกัดไม่ได้ปลิวไปสังหารพวกมันมากมายนะักเว้นแต่เฉพาะตัวที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งระเบิดตกเท่านั้นที่ตายทันทีไม่เกิน 3-4 ถึงตัวซึ่งเห็นคาอยู่ตามยอดหินและเส้นทางเดินตรงกลาง ส่วนเจ้าพวกที่ถูกสเกตบริเวณไม่สำคัญก็บาดเจ็บแล่นลนลานตุปัตุเปหนีไปพวกมันส่วนใหญ่อาจไม่กลัวความตายแต่มันตกใจกำปั้นหน้าเสียงระเบิดเสมากกว่าทุกคนพากันถอนใจอย่างโล่งอกได้ริษบาดแขนพี่ชายกลางที่ยังยึดไว้มัน่นระหว่างที่ชัยยานทำหน้าที่ยิงระเบิดหล่อนพุดลุกขึ้นยืนมือทั้งสองเท้าเอวจ้องมองคุนเขียวมาที่เพื่อนชายผู้ยิงเอมก คนใจร้ายทำไมถึงเคี่ยมขนาดนี้ฮะชัยยันล่อนคำรามรอดลรฟานออกมาระหว่างที่ชัยยันและเชษฐากับขยินใต่าทางเข้ามารวมกลุ่มอุบะเยนน้อยนี่ชัยยันร้องลั่นอย่างโมโหเชษฐายิ้มครึมคึมให้น้องสาวเอื้อมมือไปตบไหลอย่างปลอบใจอย่ามองทุกสิ่งทุกอย่างในดงดิบแห่งนี้ในแง่ดีเกินไปนักน้อยถ้าขืนปล่อยให้มันรูเข้ามาถึงพวกเราเมื่อไหร่ เกิดเรื่องใหญ่เมื่อนั้นน้อยจะโหดชีวิตลิงฝูงนั้นกว่าชีวิตความปลอดภัยของพวกเรากันเองนั้นหรือหญิงสาวยังคงหน้าบูดตาวาวอยู่เช่นนั้นมองหน้าทั้งชายยาและพี่ชายกลาของหล่อนสลับกันก็พราะพี่กลาในสี่ไปยิงไล่มันก่อนถ้าพวกเราไม่ทําอะไรกระโตกกระตากและแค่อยๆเดินลงไปโดยดีน้อยก็กล้ารับรองเหมือนกันว่าพวกมันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราเลย น้อยบอกแล้ ว, ว่าน้อยไม่อยากจะให้การเดินทางของเราต่อไปนี้ต้องหมายถึงการล้มตายของสัตว์ชนิดใดในป่า น, นี้อีกแล้วทั้งสิน้นมันเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราเหมือนกันเห็นไมเละจมกองเลือดอยู่นั่นเห็นเห็นอยู่ 3-4 ถึงี่ตัวแล้วใชายันเกาหัวไม่อยากจะโตเถียงอะไรอีกด้วยทั้งสิน้นพี่ใช้กลางขยี้จมูกยางหัวเสียเขาเกือบจะหลุดถ่อยคาอะไรแรงๆออกมาหลายคา ดีแต่ยั้งไว้ทันพยายามข่มโทสะลดเสียงลงเป็นปกติน้อยถ้าเธอคิดว่าเธอหมดกินเลสสลามหมดสิ้นแล้วจะสแสวงบุญอย่างแท้จริงมีชีวิตรอดกลับไปได้ครั้งนี้เธอจะบวชชีก็ไม่มีใครขัดขวางเธอหรอกนะเดี๋ยวนี้สิทธิในการตัดสินใจเพื่อความอยู่รอดของคณะของเรามันอยู่ที่พี่กับพี่ใหญ่ไอ้ลิงพวกนั้นมันอาจไม่ทาอะไรน้อยพี่เชื่อแต่พี่ไม่เชื่อว่า มันจะไม่ฉีกเนื้อหนังของพวกเราคนอื่นๆและก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าพวกเราส่วนใหญ่กำลังถูกโจมตีประชิดตัวน้อยจะยืนแผ่เมตตาให้แก่พวกมันแบบนักบุญหรือว่าจะช่วยพวกเรากันแน่โดยฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเราคนใดดารินกัดริฟิปากนิ่งตายังขวางอยู่พี่ชายใหญ่ช่วยพูดมาอีกคน สถานการณ์เมื่อกี้นี้มันไม่เข้าท่าสําหรับฝ่ายเราอยู่มากนะน้อยพวกมันช้าขึ้นมาแล้วเราเพียงแต่ยิงไล่มันไปเท่านั้นยอมให้มันตายสัก3ามตัวก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องถล่มมันเสียทั้งฝูงไม่ต้องกลัวว่าจะผิดสัตจะอะไรหรอกเพราะน้อยก็ตั้งปณิธานไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตาชีวิตก็จริงเว้นแต่เพื่อปกป้องชีวิตตนเองและพรรคพวกในคณะซึ่งเป็นความจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ น้องสาวคนเล็กถอนใจอีกน้อยคิดถึงวายาคิดถึงนิลาแห่งภูเขานิลการที่เราจะบ่ายหน้าไปพวกนั้นเป็นบรรพบุรุษของไอลิงเล็กๆพวกนี้และวายากับบริวารของเขาก็ล้วนเป็นวิธีดีที่สุด ข, ของเราเคยช่วยเหลือเราสารพัดเราไม่น่าจะไปฆ่าเจ้าลิงอันเป็นลูกหลานของพวกเขาเหล่านี้เลยตอนที่น้อยหลงไปอยู่คนเดียวน้อยพบลิงพวกนี้หลายฝูงหลายครั้ง และพวกมันก็ไม่เคยทำอะไรน้อยเลยเอาละค่ะน้อยจะลืมเหตุการณ์นี้เสียและจะไม่พูดอะไรอีกแล้วอย่าพูดหรือทำอะไรให้พี่ต้องหงุดหงิดหัวเสียมากกว่านี้นะน้อยพี่กับทุกคนเหนื่อยยากแล้วน้อยมามากแล้วจะเมตตาสัตว์เพื่อแสวงหามรรคผลอะไรพี่ก็ไม่ขัดแต่มันต้องวางฐานอยู่บนความปลอดภัยของชีวิตพวกเราทุกคนด้วยน้อยอาจมีบารามี มีสิ่งที่ตนเองเชื่อมั่นว่าสามารถคุ้มตัวได้แต่คนอื่นไม่มีสิ่งนั้นเหมือนน้อยจำไว้พี่ชายกลางพูดมาเรียบๆก็จริงแต่หางเสียงส่อความไม่พอใจชัดแจ้งดารินไม่พูดอะไรอีกสบัดหน้าไปทางอื่นหล่อนก็ไม่พอใจอย่างมากเช่นกันพลัดพรากเหมือนตายจากพอมาพบหน้ากันไม่ทันไรทะเลาะ ก, กันอีกแล้วสองคนพี่น้องนี่ชายยันบ่บนเบาๆ แล้วพยายามพูดไกลเกลี่ยแต่ทั้งดารินและอนุชาเงียบเฉยกันไปทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างไม่มองหน้ากันและกันเชษฐามไม่สนใจอะไรอีกพยายามใช้กล้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าลิงร้ายฝูงนั้นเพ่นนี้กันไปหมดจริงๆแล้วจึงโบกมือให้ขบวนเริ่มเคลื่อนที่ลงไปตามทิศทางนั้นคราวนี้ดารินทิ้งระยะไปเดินคุยอยู่กับขยินด้านหลังเสีย ไม่อยากจะเดินรวมกลุ่มไปกับพี่ๆทั้งหมดทุกคนไต่ทางลงไปอย่างระมัดระวังเปอื่นทุกกระบอกเตรียมพร้อมโดยไม่ประมาทอนุชา ย, ยังคงถือ M16 อยู่เช่นนั้นในขณะที่ชา ย, ยันยังไม่ยอมปลด M79 ออกจากมือและทั้งหมดก็ลงมาถึงตำแหน่งที่ระเบิด4 0ม mm เมของชา ย, ยันยิ่งลงมาที่นั่นมองเห็นชัดว่ามิซากลิงหางสั้นตัวโตๆนอนตายจมกองเลือดอยู่ ทั้งบนก้อนหินและที่กระเด็นลงมากลิ้งอยู่กลางทางเดินอยู่ประมาณ2ถึง3ตัวที่ยังไม่ตายแต่นอนแยกเคี้ยวพิการในลักษณะต่างๆอยู่ตามซอกหินจากการสำรวจของลูกหาบและก่อนที่ดารินจะเดินลงมาถึงที่นั่นเองอนุชาก็สั่งให้พวกลูกหาบยิงทําลายเสียให้หมดทุกหมดร้อนเนื่องจากเห็นว่าปล่อยไว้ก็เป็นการทรมานมันเปล่าๆ ดารินได้ยินปืนลั่นขึ้นอีก 3-4 นั้่นัดซึ่งลอยก็เข้าใจเหตุการณ์ดีที่สุดว่ามันหมายถึงอะไรเสียงวิทยุจากน้องสาวเล็กของคณะที่เดินทิ้งระยะห่างลงมาก็ดังขึ้นลอยลอยว่าพวกโขดเทียมหินชาติทั้งนั้นทั้งคนยิงและคนสั่งมีเหลืออยู่ตัวหนึ่งนอนใส้ทะลักังแงบผงแงบอยู่ในซอกหินข้างทางนี่มอดารินจะเอาไปช่วยรักษาพยาบาลด้วยไหมจะได้เก็บไว้ให้ เชียชายาถามขึ้นมามีใครอยากกินสมองลิงมั่งไหมล่ะถ้าอยากกินก็หิ้วออกไปด้วยอาหารเย็นมือนี้ขอให้เป็นลิงล้วนๆนะหลอนสวนตอบมาทันทีด้วยน้ำเสียงประชดหลังจากนั้นหลอนก็ได้ยินเสียงปืนระเบิดเปรี้ยงขึ้นอีกหนึ่งนัดแสดงว่าคงมีใครช่วยให้มันพ้นทรมานไปแล้วยิงสาวยักไหลยกวิทยุในมือขึ้นแต่ก่อนที่หลอนจะพูดอะไร เสียงเห่าๆของขยินก็ดังขึ้นมาว่าถ่านายหญิงจะสาบแช่งอะไรพวกเราที่ช่วยกันยิงลิงเจ็บไปไหนไม่รอดพวกนั้นล่ะก็อย่าแช่งเป็นอันขาดปากนายหญิงศักดิ์สิทธิ์ประเดี๋ยวพวกเราจะเคราะหร้ายไปตามๆกันเมื่อ น, นั้นหล่อนจริงชะงักชุกคิดขึ้นมาได้มันก็จริงของขยินที่รู้เท่าทันขยินขอบใจมากที่ห้ามไว้สัก่อนฉันกาลังหลุดปากแช่งพวกเขาอยู่เหมือนกัน แต่ไม่ได้แช่งให้เขาได้รับภายอันตรายใดๆหรอแค่แช่งให้คนที่ทำร้ายมันออกลูกมาหน้าตาเหมือนไอ้ลิงพวกนั้นเท่านั้นขยีนหัวร้อเ อ, อิบดังลั่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกและแล้วในบาดดนั่นเองจากเสียงหัวร้อชอบอกชอบใจของขยีนก็กลายเป็นเสียงร้องดังลั่นอย่างเจ็บปวดและตกใจขีดสุดดารินผู้เดินใต่ลงไปทางด้านขวามือหันขวับ ลอนใจหายว่าบเมื่อเห็นเจ้าลิงใหญ่ตัวหนึ่งเลือดเต็มตัวกระโดดออกมาจากที่ใดไม่ทราบได้แต่คงจะเป็นข้างทางที่ผ่านกันมานั่นเองบัดนี้มันเกาะติดหลังของขยินและกำลังขย่ำกัดลงไปบนไหล่เต็มเขี้ยวอย่างอาฆาตพยาบาทอดีตนายบ้านหลมช้างพยายามสะบัดแต่ไม่หลุดเพราะมันอยู่ด้านหลังรางสูงใหญ่ของขยินเซปัดหมุนติว้วโดยสมองมสั่งงานเลย แต่เป็นไปโดยสัญชาตญาณเคยชิดเสมากกว่าดารินเหวี่ยงผ่านท้ายไรยเฟิลในมือกระทบตัวไอ้โมลบาดเจ็บที่กัดติดหลังขยินกระเด็นหลุดลงไปคลุกอยู่กับพื้นและบัดดนปากลำกล้องไรเฟิลของหล่อนก็แย่ตรงตัวของมันพอดีห่างเพียงแค่สอกเดียวเท่านั้นนิ้วกระดิกดโดนไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่นิดเดียวเสียงจดสามศูเวมแผดราวกาแฟผ่า แลหินลูกกรังริมทางเดินกระจายเป็นบ่อลึกเท่าๆกับที่ร่างของไอลิงตัวนั้นแหลกยับแทบจะขาดออกเป็นสองท่อนตับไตไส้พุงกระจายเรียราาอยู่ตรงนั้นเองขยินเป็นยังไงบ้างหลอนร้องเสียงหลงวางไรเฟิลพิงหินกระโจนเข้ามาที่อดีตนายบ้านลมช้างซึ่งยืนแยกเขี้ยวสีน่าบูดเบี้ยวแสดงอาการเจ็บปวดอยู่ตรวจดูบาดแผลโดยเร็วโดยกดไหลให้มานั่งลงตรงแง่หินริมทาง เสียงร้องและเสีงยงไรเฟิลสนั่นวันไวจากเบื้องหลังทําให้พวกที่ล่วงหน้าเคลียร์ทางลงไปก่อนหันความขึ้นมายังตกใจและตะโกนถามขึ้นมาแทบไปหมดเร็วเอาหีบเวชภัณฑ์ย้อนกลับขึ้นมาที่นี่ก่อนขยินถูกกัดที่ไหลขวาเป็นบาดแผลฉีกมากต้องห้ามเลือดและเย็บเดี๋ยวนี้ดารินตะโกนระล่ำระลักลงไประยะมันห่างกันเพียงไว้มากนะักทุกคนได้ยินพร้อมกันทั้งหมด เชษฐาชัยยานและนานอินพากันวิ่งสวนทางขึ้นมาในทันทีส่วนอนุชาหันไปกระชากกระบะเวชภัณฑ์จากกองสำนระที่พวกลูกหาสะพายอยู่เดินใต่าทางขึ้นมาด้วยอาการเงียบขึมตามเดิมของเขาเมื่อทุกคนเข้ามาถึงเห็นหญิงสาว ก, กําลังสาละวนอยู่กับบาดแผลทางด้านหลังของขยินผู้นั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดอยู่ดารินร้องบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลิ้นพันกันแทบจะฟังไม่รู้เรื่อง ส่วนมือก็กําลังฉีกเสื้อกะเรียนที่เจ้านั่นสวมอยู่เพื่อให้มองเห็นบาดแผลถนัดทั้งหมดเข้ามารุมอยู่ที่ขยินโดยเร็วอนุชามาถึงทีหลังโยนหีบเวชพันไปให้ตนเองไม่ทำอะไรทั้งสิ้นยืนสืบบุรีและพักขาอยู่ตรงแง่ชะง่อนหินปล่อยหน้าที่การปฐมพยาบาลให้แก่น้องสาวและคนอื่นๆที่กาลังช่วยกันย่าชุลมุนอยู่นั้นการเดินทางชะงักลงชั่วขณะ บาดแพลที่หลายของขยีนจากคมเคี้ยวของไอลิงเจ้ากรรมตัวนั้นถึงจะไม่สาหัสแต่มันก็น่ากลัวอยู่มากเพราะเลือดไหลกระฉูดทีเดียวผ้าหลังการเย็บสดๆ 5-6 เข็มฉีดยากันบาดทะยักและพิษบาดแผลกับยากินอีกชุดหนึ่งซึ่งหล่อนบังคับให้มันกินในทันทีนั้นใช้เวลาประมาณ10นาทีในการปรถมพยาบาลโดยการช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ ขยินก็ยิ้มแย่ออกมาได้หันกลับไปมองดูซากกลิ้งตัวนั้นที่นายหญิงยิงไว้จนตัวขาดซากยังทายเห็นอยู่กับตาไม่ห่างออกไปนัดสะบัดอะไรพึมพำพ่อจัด ก, การกระบาดแผลของขยินเรียบร้อยโดยพันผ้ากอสไว้อย่างรัดกุมมั่นคงดารินวราริกรยกมือขึ้นลูบไปหน้ามีอาการคล้ายๆจะเป็นลมขณะนั้นเองสายตาของหลอนก็แลบไปส่กับสายตาของพี่ชายกลางเข้าพอดี เขากำลังสู่บุหรี่มองเงียบๆมาก่อนแล้วซึ่งตลอดเวลาไม่ได้เข้ามามุงอะไรด้วยนอกจากกึงนั่งกึงยืนพิงหินอยู่ห่างๆไม่นานะคนใจบุญไม่น่าจะไปยิงไอ้ลิงที่น่าสงสารตัวนั้นเลยควรจะปล่อยให้มันฟัดขยินเสียให้คอหอยทะลุไปเลยแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้ทั้งลิงและทั้งขยินไปพร้อมๆกันน้องสาวน่าเสีย กล่อมกลืนอะไรบางอย่างลงคอยอย่างฝืดๆและยกมือขึ้นไหวพี่ชายกลางเอาละค่ะน้อยกราบอภัยพี่กลางหาจะพูดหรือทำอะไรที่ไม่สมควรออกไปเมื่อครู่ใหญ่นี้พี่กลางอยากโกรธหรือประชดประชันอะไรน้อยเลยถึงอย่างไรพี่ก็มีน้องสาวอยู่คนเดียวนะคะอนุชาวราริษยักไหลนิดหนึ่งอาการของเขาไม่ถือสาอะไร เดินเข้ามารูปที่ศึกษาของดารินแล้วตบที่ไหลอีกข้างหนึ่งของขยินเบาๆเฮ้ย <Hey, S 1> เจ็บนิดหน่อยแค่นี้เองทำใจดีๆไว้ไอขยินเอ็งไม่เป็นอะไรมากหรอกวะนายหญิงน่ยเป็นหมอเทวดาเย็บแผลแล้วฉีดยาแล้วกินยาแล้วเดินต่อไปได้พี่กลางน้อยว่าเรื่องขี้ผงแค่นี้เองขยินน่มันทนยิ่งกว่าควายอีกถูกกัดแค่จึงเดียวเท่านั้น อา้าส่งย่ามของเองมาให้ข้าประเดี๋ยวข้าจะให้พวกนั้นช่วยคอนไปให้ต่อไปนี้เองถือปืนอย่างเดียวไม่ต้องแบกอะไรจนกว่าแผลจะหายว่านแล้วอนุชาหรืออดีตพรานชดซึ่งมีความคุ้นเคยกับขยินดีมาก่อนใครในพวกก็ฮิ้วปีกอดีตนายบ้านหลงช้างให้ลุกขึ้นยืนพรางบอกให้ทุกคนเดินลงต่อไปตัวเขาเองประคองปีกข้างที่ถูกกัดของขยินลงมาด้วย ทั้งหมดพากันเดินลงมาตามเส้นทางนั้นอีกครั้งหลังจากดารินทำแผลให้ขยินเสร็จแม้แผลจะค่อนข้างฉีกและลึกแต่ก็โชคดีที่ไม่ถูกเส้นโลหิตใหญ่หรือเส้นเอ็นรอะไปถูกเอาบริเวณกล้ามเนื้อหนาคองสะบักขวาและฤทธิ์ยาไม่ทำให้เจ้าอดีตนายบ้านลมช้างต้องปวดมากนักถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเชษฐาเดินสอบถามน้องสาวมาถึงสาเหตุก็ได้รับคาอธิบายว่า เจ้าลิงร้ายตัวนั้นไปลิงบาดเจ็บไปไหนไม่รอดแอบซุกซ่อนอยู่ข้างก้อนหินอย่างมิชิดพอพักพวกส่วนใหญ่ล่วงหน้าไปหมดแล้วเหลือเฉพาะขยินกับหล่อนเดินเคียงคู่กันลงมาเว้นระยะห่างจากคณะพักพวกส่วนใหญ่ขยินคงจะผ่านมันใกล้ที่สุดมันจึงกระโจนเกาะติดหลังแล้วฝังเขี้ยวเต็มแรงอาคาดพยาบาทอย่างสัตว์ลำบากโชคดีที่มันซ่อนอยู่ทางด้านที่ขยินเดินผ่าน ไอ้นั่นเลยรับเคราะห์ไปถ้าโดนเอาน้อยเข้าแล้วก็ยุ่งทีเดียวพี่ชายใหญ่บนพร้อมกับจุ๊ปากเบาๆที่มีการยิงทิ้งให้มันพ้นท ร, รมานไปเสียเมื่อตะกี้นี้ก็เพราะเราสำรวจพบพวกมันสามถึงสี่ตัวถูกสะเก็ดระเบิดไปไหนไม่รอดแล้วคืนปล่อยไว้ก็ตายแต่กว่าจะตายก็ทรมานไปอีกหลายชั่วโมงถ้าตัวไหนมันถูกเพียงเล็กน้อยและยังพอจะหนีไปได้คล่องแคล่วเราก็ปล่อยให้มันหนีไป ไม่ได้ตามราวีอะไรมันอีกประโยคหลังเป็นการพูดเพื่อปรับความเข้าใจกับน้องสาวดารินไม่กล่าวอะไรอีกนอกจากยิ้มจืดๆเพราะเหตุการณ์มันได้พิสูจน์ชัดแล้วถึงตัวหล่อนเองก็ยังจำเป็นจะต้องยิ่งสังหารไอ้ลิงตัวที่กระโดดกัดขยินตัวนั้นแม้ครั้งแรกจะตะโกนร้องต่อว่าพรกพวกลงไปก็ตามเชษฐาเตือนให้หล่อนบรรจุกระสุนไรเฟิลให้เต็มอัตราตามเดิม และสั่งให้เดินรวมกลุ่มกับพี่ชายกลางโดยบอกว่าตนเอจะเดินคุมหลังคู่กับขยินเองดารินอิดเอื้อนอยู่ครู่ก็ขาดคำสั่งไม่ได้จำใจต้องปฏิบัติตามพอต่าทางลงไปใกล้ชิดกับอดีตพรานชดเห็นเขาเอี้ยวคอหันมาดูก็พูดอ่อยๆว่าพี่กลางอย่ากโกรดน้อยนะคะถ้าคิดจะโกรกกับเธอแล้วก็มีเรื่องที่จะโกรทะเลาะ ก, กันได้ทุกๆสิบนาทีนั่นแหละอา้าวจับมือพี่ไว ทางมันลาดชันมากถ้าเสียหลักแล้วก็หัวจะทิ่มกลิ้งหลุนหลุนลงไปทีเดียวเดินลงเขาหรือทางเทลาดชันแบบนี้ดูว่ามันผ่อนแรงและน่าจะง่ายก็จริงแต่ปลายนิ้วเท้าของคนที่ใส่รองเท้าจะทรมานมากสู้พวกชาวป่าที่เดินตีนเปล่าไม่ได้แล้วพี่ชายกลางก็ส่งแขนไปให้เกาะทางด้านเชษฐาและชัยยานผู้เดินหลังขนาบมาข้างขยิน อันบัตรนี้ถือว่าเป็นผู้บาดเจ็บเคราะร้ายกว่าคนอื่นสังเกตเห็นมันยังแข็งแรงดีแต่อาการเคลื่อนไหวเชื่องช้าลงกว่าเดิมเล็กน้อยก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเจ็บมากไหมขยินตอนแรกเจ็บมากหน้าใหญ่แต่พอนายหญิงฉีดยาให้กินยานแล้วมันก็ชาๆไม่รู้สึกอะไรมากแค่ขัดๆที่แขนเท่านั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะขยินอีกสองสาวันก็หายมีนายหญิงมาด้วยแบบนี้ เรื่องเจ็บไข้ได้แผลไม่ต้องกลัวเองมันเซเนื้อเอลิวาตอนที่เดินลงมาไม่ดูให้ดีเสียก่อนชายยานปลอดใจมาอีกคนข้ายินเห็นแล้วมันซุกตัวอยู่ริมซอกหินข้างทางแต่ไม่ได้บอกนายหญิงนึกว่ามันจะหลบตัวอยู่เฉยๆดานกระจนกัดได้หาแรกกว่าจะยิงซ้ำแล้วแต่กลัวนายหญิงด่าเอาเจ้าองคุริมานแห่งลมช้างพูดอูอี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 ลงมาถึงพื้นราบของป่าใหญ่เบื้องล่างได้และหยุดชุมนุมพักเหนื่อยกันชั่วคราวอีกครั้งตรงตำแหน่งเชิงเขานั้นทุกคนเหงื่อท่วมกายเหมือนอาบน้ำไม่มีวี่แววว่าฝูงเลงหางสั้นเหล่านั้นจะไปรวมตัวคุมเชิงอยู่ในละแวกใกล้เคียงให้เห็นป่านนี้มันคงจะเผ่นกันไปไกลลิบแล้วจากความตกจใจเสียงระเบิดของ m อ9ที่ชยยานยิงไล่ลงมาหยุดดื่มน้า พักขากันที่ชายดงระหว่างที่นานอินขยินและทุกคนกำลังมองหาภัยจากฝูงลิงที่อาจดักคอยอยู่ใกล้ๆได้ความไม่ประมาทดารินกลับพยายามมองหาร่องรอยของเจ้าด้วนซึ่งตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้หล่อนยังไม่ได้เห็นมันอีกเลยส่วนอนุชาล้วงเอาแผนที่ประจำตัวเก่าแก่ของเขาออกมาพิจารณาใคร่ครวนโดยเทียบกับเข็มทิศใช้อาการไตรตรองอย่างทีถ้วนระมัดระวัง แล้วเรียกนานอินเข้ามาซุบซิบ ป, ปรึกษาพอพี่ชายใหญ่และสหายชายยานเดินเข้ามาสมทบด้วยเขาก็เงยหน้าขึ้นเอาอยัางไงเชษฐาอย่างความเห็นสั้นๆเราจะตัดเข้าดงนี้โดยตีขึ้นเหนือไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้จะอย่าสังเกตอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากอาศัยเขมทิดและมุ่งเรื่องทิศอย่างเดียว เธอกำหนดไว้แล้วหรือยังว่าจะมุ่งเข้าหาที่สังเกตไหนเป็นจุดแรกถ้าเราไม่ผิดเส้นทางเกินไปนะสิ่งที่ต้องการเป็นจุดแรกคือเขาครุตอันจะช่วยให้พบหลุงอุกาบาต ท, ที่สามเมื่อได้ที่หมายหลุงอุกาบาต ท, ที่สมกมบ่ายหน้าเข้าเทือกเขานิลการได้เร็วขึ้นอีกคราวนี้ก็สบายแล้วแม้จำเป็นจะต้องเดินต่อไปจนถึงเทือกเขาพระศิวะดูสีหน้าของแกยังไม่มั่นใจะอะไรบางอย่างนะ ใช่ยานเอ่ยเบาๆมองหน้าเพื่อนขมงไม่ใช่บางอย่างหรอกหลายๆอย่างทีเดียวคือเราจะใช้เวลาสักกี่วันจึงจะค้นหาเขาครุฑได้พบและจะมีโอกาสได้พบหรือไม่ขุนเขาใหญ่ทั้งลูกมันคงหาไม่ยากนักไม่ใช่หรือเพื่อนของเขาบอกมาอย่างให้ความเห็นอดีตพรานชดเอาผ้าขนูเล็กๆเช็ดเหงื่อที่ก้านคอใช่เขาทั้งลูกก็จริง แต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราอยู่ทางด้านไหนของเขาลูกนั้นได้แต่เสียงเสียงเดาเอาในการงมไปทางด้านเหนือและด้ยวยความหวังว่าเรายังไม่ถึงเขาลูกนั้นซึ่งมันควรจะอยู่ทางด้านเหนือเบื้องหน้าที่เราจะบ่ายหน้าไปนี่แหละแล้วลุงอินแกให้ความเห็นยังไงเชษฐาถามอีกปากถามน้องชาแต่ตามองไปยังครูพรานผู้เท่าซึ่งแกนั่งเงียบเฉยในทันทีที่เชษฐาและชยัยยานเข้ามาถึง อนุชาตอบมาให้แทนว่าแกก็บอกให้เราเดินไปทางด้านเหนือก่อนอย่างที่ผมบอกแล้วนี่แหละครับพอเวลาค่ำให้หาที่พักบริเวณที่มองเห็นท้องฟ้าได้ถ้าทัศนวิสัยดีพอจะมองเห็นดาวประสุกร์ที่ขึ้นตอนหัวค่ำครั้งหนึ่งและจะขึ้นเป็นดาวรุ่งอีกครั้งแกก็พอจะกำหนดทิศทางได้แน่นอนขึ้นอีกแต่ถ้าท้องฟ้ามีเมฆหมอกบงังมองไม่เห็นดาวประสุก แกก็ให้ความเห็นอะไรต่อไปไม่ได้มากนะักเอาหน้าไม่มีอะไรจะต้องวิตกวิจารณ์มากนักหรอกถึงยังไงพี่ก็ไว้วางใจเธอและลูกอีกเสมอหายเหนื่อยกันยังละ่ะจะได้เดินต่อไปเลยเราออกเดินทางสายบ้าสําหรับวันนี้ขอให้ทำเวลากันหน่อยเอาไว้พักอีกครั้งตอนบ่ายสองโมงกินอาหารกลางวันตอนนี้ยังไม่มีใครหิวไม่ใช่หรอ ทั้งคณะเริ่มเคลื่อนที่ต่อไปโดยตัดเข้าบริเวณป่าทึบดงดิบอันมืดครึม้มทันทีภายหลังพักกันประมาณ20นาทีตรงเชิงเขาที่ไต่กันลงมาดารินเดินเกาะกลุ่มไปอย่างสงบโดยไม่สแสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นความกังวลใจของหล่อนมากที่สุดยามนี้คือยังไม่เห็นเจ้าด้วนแต่ก็ไม่กล้าจะพูดบ่นออกมาจากสภาพที่แห้งแล้งบนยอดเขาที่ล้วนเต็มไปได้วยก้อนหิน กลายเป็นป่าชื้นแฉะอัดอับทึบของดงดิบที่ล้วนแล้วไปด้วยอันตรายจากภูมิประเทศแต่ทุกคนเคยชินเคยมีประสบการณ์มาแล้วคราวนี้ทั้งหนานอินและพรานชดรวมทั้งขยินเป็นผู้สำรวจนำไปเบื้องหน้าโดยให้คณะทั้งหมดเดินตามไม่ยอมให้เดินเกะกะแยกแถวเรียงสองออกไปเพราะไม่แน่ใจว่าภายใต้พื้นใบไม้ที่ทับถมกันอยู่จนมองไม่เห็นพื้นดินเหล่านั้น จะมีหล่มโคลนดูดหรือสัตว์มีพิษที่ขุดหลุมพรางซ่อนตัวเพื่อรอให้เหยื่อเดินผ่านมาตกลงไปหรือไม่รวมทั้งภายจากพืชพันไม้ต่างๆซึ่งผู้ที่ชำนาญที่สุดก็คือหนานอินทั้งดงเงียบสงัดไม่ได้ยินแม้แต่เสีย ง, งริงรีเรไรบางตอนที่ผ่านเข้าไปแสงตะวันก็ยังส่องลอดลงมาไม่ถึงและบางแห่งก็ต้องย่ำลุยไปในใบไม้แห้งเน่าที่ลึกลงไปเกือบถึงหัวเขา่า และเมื่อจะลึกลงไปกว่านั้นนานอินก็จะทำสัญญาณให้เลี่ยงหลีกไปเส้นทางอื่นครั้งแล้วครั้งเล่าด่งเถาวัลย์บางแห่งหรือต้นไม้ที่มีรากห้อยย้อยลงมายาวผิดปกติลักษณะเหมือนรากไส่กรูพรานพูดเท่าก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะนําเดินเข้าไปใกล้หรือบางทีก็ทาสัญญาณให้หลบห่างออกไปเสียซึ่งเชษฐาชัยยันดาริน ตลอดจนทุกคนเข้าใจได้ดีว่ามันหมายถึงน่าสงสัยว่าจะเป็นพืชกึ่งสัตว์ที่คอยดักจับสัตว์ที่ผ่านเข้ามาเป็นเหยื่อประเภทต้นไม้กินคนซึ่งในเรื่องสังเกตดูพืชพันชนิดนี้ดูเหมือนว่านานอินอันอยู่ในโดงมหาภัยมาตลอดทั้งชีวิตของแกและบุกผ่านมานับเขตแดนไม่ถ้วนแล้วจะมีความชำนาญตรวจดูได้รอบคอบกว่ารพินไพรวันเะอีก อีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปซึ่งต่างเดินกันไปอย่างช้าๆระมัดระวังเต็มที่สภาพของพื้นดินเริ่มแข็งขึ้นเดินสะดวกมากขึ้นเมื่อ น, นั้นเองทุกคนก็สะดุ้งสุดตัวเพราะในความเงียบนั้นตานได้ยินเสียงช้างร้องแปรนขึ้นครั้งหนึ่งในระยะที่ไม่ห่างออกไปนักทางด้านขวามือที่เดินไปปืนทุกกระบอกปลดวูบลงจากไทันทีแต่แล้วก็ถอนใจออกมาอย่างโล่งอก เมื่อได้ยินเสียงกระดึงผูกคอที่ลั่นโกรกเกรกดังตามหลังมาเจ้าด้วนดารินร้องเอ็ดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างดีใจขีดสุดถูกแล้วเจ้าพลายหางด้วนของหล่อนนั่นเองมันกำลังยืนทะมึนอยู่ใต้โคนไม้ขนาดสิบคนโอบชูงวงขึ้นเหมือนจะเป็นการทักทายตอบเชศฐาชัยยันอนุชาและทุกคนของคณะพากันยิ้มออกมาได้ ไอ้คุณเวนด้วนหากันแทบตายมาดั ก, กรออยู่ตรงนี้เองชายยันร้องตะโกนออกไปโดยไม่ปรึกษาใครทั้งสิ้นดารินเปลี่ยนทิศทางทันทีเพราะใจหล่อนจดจ่ออยู่แล้วบายหน้าเดินตรงไปยังเจ้าพลาแสนรู้ของหล่อนซึ่งกำลังยืนแกวงงวงชูอยู่นั้นมันก็ยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนคงหยุดยืนอยู่ตำแหน่งนั้นเหมือนจะรอคอย อนุชาโบกมือกับทุกคนเป็นเครื่องหมายให้เปลี่ยนทางไปด้านที่ดารินมองเห็นเจ้าด้วยอยู่ตำแหน่งที่มันโผล่มาให้เห็นนั้นสภาพอันทึบของป่าเริ่มจะโปร่งขึ้นบ้างแต่เมื่อตรวจดูกับเข็มทิศมันเฉียงไปทางด้านตะวันออกอีกประมาณสิบก้าที่ดารินเดินตรงเข้าไปก็จะถึงร่างมะฮืมาที่โบกหูพึบภาพอยู่หลนก็ร้องบอกออกไปด้วยเสียงใสกังวลว่า ด้วนเจ้ารู้ใจพวกเราทุกคนดีอยู่แล้วว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปพบใครที่ไหนและเจ้าก็น่าจะรู้ดีด้วยว่าเขาควรอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นนาทางพวกเราเดี๋ยวนี้เจ้าด้วนหมุนการใหญ่โตของมันอย่างเช่มช้าแล้วเริ่มออกเดินทันทีมันก้าวนำไปเหมือนช้างเลี้ยงได้รินหัวเราออกมาได้เป็นครั้งแรกหันมาทางทุกคนที่กาลังเดินตามหลังเข้ามา มีใครจะแย้งบ้างไหมถ้าหากฉันจะขอให้พวกเราทุกคนเดินตามหลังเจ้าด้วนไปก <_ C> <"G> ็ถ้ามีการแย้งละ่ะชา ย, ยันถามมาถ้าแยง้งเราก็แยกทางกันได้เดี๋ยวนี้เลยใครจะไปทางไหนก็ไปแต่ฉันคนเดียวจะเดินตามเจ้าด้วนตามลำพังเรา อ, อาจพบกันอีกในหวนทางข้างหน้าหรืออาจไม่พบกันอีกเลยฉันบอกแล้วว่าฉันแน่ใจของฉันอย่างนี้ แทนคําตอบหรือพูดใดๆให้มากเรื่องอนุชาโบกมือมาเป็นเครื่องหมายให้หล่อนเดินตามเจ้าด้วนไปได้และคณะทั้งหมดก็ตามดารินชูมือขึ้นอย่างดีใจแล้วออกสาวเท้าตามรอยเจ้าด้วนที่ดุ่มเดินเลาะลัดไปตามโคนไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่เบียดเสียดเรียงรายนั้นทันทีทั้งคณะก็ตามกันมาทั้งหมดโดยเปลี่ยนเส้นเดิมโดยประยายตรวจเข็มทิศกลางตอนนี้เจ้าด้วนนำเราบ่ายหน้าไปทางไหน ตะวันออกเฉียงเหนือครับและรู้สึกว่าจะเป็นแนวป่าที่เดินสะดวกกว่าหนทานที่เราจะมุ่งไปในตอนแรกไม่ผิดเส้นทางเดินมากนักนะตรวจดูให้แน่เบี่ยงออกนิดหน่อยเท่านั้นครับผมตั้งเข็มไว้เหนือตลอดในระยะแรกนี่แต่ตอนนี้ถ้าตามมันก็เบี่ยงไปทางตะวันออกบ้างแล้วประมาณ10ถึง15าดีลองตามมันไปดูซักระยะหนึ่งก่อนและต้องสังเกตไปเรื่อย เบื้องหน้าเจ้าด้วนหยุดตรีรอยอีกครั้งอากาศของมันเหมือนจะมอบลงเพื่อให้ดาริขึ้นไปนั่งบนคอโดยอุทิศตนเองเป็นพานะสำหรับหล่อนแต่ยญิงสาวหัวเราะอย่างดีใจและรักใคร่เอ็นดูตบที่ขาหลังของมันแล้วบอกว่าไม่ต้องฉันจะไม่ขึ้นขอเจ้าไปเป็นอันขาดเพราะมันเป็นการเอาเปรียบพวกเราทุกคนและไม่ต้องห่วงฉันเพียงแต่นาทางไปให้ดีที่สุดเท่านั้นนำเราไปสู่โชคชัย อย่านำไปสู่หายนาวิบัติฉันจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับพวกเราทุกคนจำไว้ถึงแม้มันจะไม่เข้าใจภาษามนุษย์แต่เจ้าด้วยก็เข้าใจได้โดยกระแสจิตหรือสัญชาตญาณมันออกเดินดุ่มดุมไปโดยไม่พยายามที่จะเชื้อเชิญให้หล่อนขึ้นคออีกการเดินของมันทอดระยะห่างประมาณ10เมตรเบื้องหน้าเป็นการเดินอย่างสบายและสภาพลักษณะของมันยามนี้ก็สมบูรณ์ดีทุกอย่าง จริงอย่างที่นานอินบอกไว้แต่แรกมันคงจะไปหาอาหารของมันกินอิ่มเรียบร้อยแล้วและมาดักรอคอยคณะของดารินอยู่ในระหว่างทางขณะที่ทุกคนกำลังงงว่าจะบ่ายหน้าไปยังทิศ ท, ทางด้านใดดีซึ่งถ้าจะตามแนวทางของอดีตพรานชดตลอดไปก็แปลว่าคงจะบุกฝ่าเข้าไปในดงทึบมองไม่เห็นแสงตะวันโดยยังไม่รู้ว่าตลอดทั้งวันนี้จะไปโผล่ออกที่ไหนหรือไม่อย่างไร การมีเจ้าด้วนมาเป็นมักคุเทศในเฉพาะช่วงนี้แม้อนุชาเล่นานอินเองก็ยอมรับว่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดจากอันตรายทั้งมวลเพราะสัญชาตญาณสัตว์ป่าย่อมรู้จักสภาพของป่าที่มันจะมุ่งหน้าไปได้ดีกว่ามนุษย์ไม่ว่ามนุษย์ผู้นั้นจะช่ำชองป่ามาแล้วสักเพียงไหนก็ตามการนะมัระวังเตรียมพร้อมชนิดที่ปืนทุกกระบอกที่จะต้องลงมาประจํามือในท่าเตรียมพร้อมทุกคนก็ป ล, ดปลอดโปร่งใจขึ้น สามารถที่จะตะวัดขึ้นไปสะพายไหล่ไว้ได้เพราะแน่ใจว่าถ้าพยอันตรายใดๆมันเกิดจะพรวดพราดจู่โจมเข้ามาเจ้าด้วยจะต้องสำเนีกได้ล่วงหน้าและแสดงอาการเตือนภัยให้ทราบเมื่อมัน่านำเดินไปในสภาพปกติของมันก็ย่อมแปลได้ว่ายังไม่มีอันตรายใดๆอยู่ในละแวกใกล้เคียงและสภาพของมันเองก็ไม่ได้ชล่าใจหรือประมาทเลยเพราะสังเกตได้ว่า เป็นครั้งคราวที่มันจะหยุดชูงวงสูงสายร่อนไปมาในอากาศเพื่อสูดหากลิน่นแล้วก็นำเดินต่อไปลักษณะาการนำทางของมันนั้นคณะของเชษฐาเชื่อมั่นใจอยู่เต็มที่แล้วจากความสำเร็จผลอย่างงดงามที่มันเคยนำคณะทั้งหมดให้ไปตามจนสามารถค้นพบดารินวราฤทธิ์ได้ในสภาพที่ปลอดภัยสายังฉลาดและแม่นยมต่อเป้าหมายที่สุด เส้นทางเดินของมันไม่ได้ตรงดิ่งเหมือนขี่เส้นแต่จะเลี้ยวเลาะคดเคี้ยวไปมาหลีกต้นไม้บางแห่งเลี้ยงพงถาวันบางพงเหมือนเหมือนกับการนำของนานอินไม่มีผิดเหนือกว่าเส อ, อีกในกรณีที่หนานอินนั้นจะต้องหยุดพิจารณาไคร่กรนอยู่นานก่อนจะตัดสินใจเลือกทางแต่นี่มันพาเดินหลบหลีกไปได้อย่างคล่องแคล่วเพราะช้ำนาญจัดเจนเหนือกว่ามนุษย์หลายช่วงตัวนักที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือ บางขณะมันก็เดินแกว่งกระดึงที่ดารินสั่งให้ทำคล้องคอไว้เพื่อลั่นโกรกเกรกไปตามสบายและบางขณะมันก็ใช้งวงมาจับสายผูกคอไว้เพื่อไม่ให้เกิดเสียงและเดินช้าลงแทบไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนจะย่องเพื่อเลี่ยงหลบไม่ให้เกิดเสียงดังขึ้นคราวใดที่มันเริ่มย่องเดินช้าลงและใช้งวงจับกระดึงไม่ให้มีเสียงยามนั้นดารินจะปลดไรเฟื่อจากไหลมาถือในท่าเตรียมพร้อม และสอดสายสายตาไปรอบด้านตามเงาป่าที่เคลื่อนผ่านมันเริ่มนําเดินออกสู่ป่าที่มีต้นไม้ยืนทางหางกันเพิ่มขึ้นทุกขณะแสงตะวันที่ถูกบดบางไปเริ่มทอดแสงลงเป็นจุดพราวตามพื้นอีกครั้งโดยส่องลอดเงากิ่งไม้ลงมาสัตว์ประเภทกระรอกใหญ่และชนีเริ่มจะมองเห็นได้ปราปลายขึ้นบ้างแล้วโดยทิศทางนั้น แล้วก็เข้าสู่ป่าที่เดินสะดวกขึ้นตามลําดับใบไม้ไม่หล่นลงมาทับถมมากนะักมีแง่โคดหินผุดโผล่ขึ้นมาจากตินให้เห็นบ้างบางระยะเจนในที่สุดก็เลียบไปตามขอบเหวเบื้องล่างอันต่ําลงไปและเห็นยอดไม้เขียวคลึ้มอยู่ด้านล่างและเส้นทางที่เดินไปนั้นราบโล่งเตียนพอสมควรลักษณะเป็นด่านช้างที่ทอดเป็นแนวถนนสูงๆต่ําๆไปในระหว่างฟากหนึ่งเป็นดงทึบ เล่กากหนึ่งเป็นหุบเหวได้ยินเสียงนกยูงร้องอยู่ยังยอดไม้ด้านต่ำลงไปมองไม่เห็นตัวแล้วบัดนั้นเองก่อนที่จะผ่านซอกหินผาขนาดใหญ่เจ้าด้วยก็หยุดชงะงักกึกชูงวงร้องแปร้นยาวขึ้นกึกกล้องพร้อมกับเสียงคำรนโหกกระหึ่มไปทั้งฝ่าอันเงียบกริบทั้งหมดของฝ่ายมนุษย์ที่เดินติดตามหลังมาไว้กายพร้อมกัน ดารินผู้เดินล้ำอยู่เบื้องหน้าทุกคนบัดนี้ซุดกายวูบลงนั่งคุกเข่ากับพื้นในพริบตาในเมื่อตัวหลอนเองตั้งปณิทายไว้แล้วว่าจะไม่เป็นผู้ลั่นกระสุนปืนก่อนเป็นคนแรกหากไม่จำเป็นจริงๆแต่หลอนก็เฉียบไวพอที่จะไม่ขวางทางปืนของพักพวกเบื้องหลังในสิ่งที่พอจะเดาถูกแล้วว่ามันกาลังจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านี้พร้อมกับเสียงคารนกระหึ่มป่านั้น เงาของอะไรชนิดหนึ่งสีเหลืองเหมือนฟางก็ลอยวูบออกมาจากชั้งน้อนหินเตี้ยๆบริเวณเบื้องหน้าเยื้งไปทางด้านขวามือของเจ้าด้วนเพียงเล็กน้อยลอยละลิ่วอย่างมุ่งหมายที่จะเกาะลงไปบนคอของโคจฉาสันใหญ่ให้ได้แต่เจ้าด้วนซึ่งไหวตัวเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วอย่างเลือดนักสู้ได้ตวัดเวียงวงเสยขึ้นรับโดยแรงปรากฏเสียงดังพลักใหญ่กระทบเข้ากลางลำตัวของสิ่งที่กระโจนลอยเข้ามานั้น พงอะกระเด็นทั้งในสภาพที่กระโจดลอยอยู่ไปกลิ้งคลุกใบไม้แห้งกลางทางด่านเบื้องหน้าและโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้เจ้าสัตว์ร้รายชนิดนั้นได้ตั้งตัวติดอีกเลยเจ้าโดยก็วิ่งปรีเข้าใส่ในระหว่างที่มันยังดิ้น ง, งายท้องเพื่อจะตะกายทรงตัวขึ้นเวลาเดียวกันอีกเงาหนึ่งซึ่งเห็นชัดว่าเป็นการจับคู่ทางานกันเป็นทีมเวริร์ที่หมอบซุ่มอยู่อีกด้านก็พุ่งเี้วเข้ากลางทั้งเขี้ยวและเล็บ หมายเข้าทางตะโพกด้านหลังของช้างนำทางทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหน้าขนาดนั้นมันรวดเร็วชุลมุนเสียจนดูไม่ทันเสียงไรายเฟิลจากด้านหลังของดารินดังประสานติดต่อ ก, กันขึ้นเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันสองนัดหัวกระสุนผ่านสิสารหล่อนพร้อมไอความร้อนที่เป่าวูประมาณสอกเศษสิ่งที่เห็นเจ้าเสือเหลืองตัวที่ผลเข้าไปทางตะโพกด้านหลังของช้างอันทำหน้าที่เป็นมารคุเทสอยู่ในขนาดนี้ กระโจนตัวลอยหงิกงออยู่กลางอากาศแล้วหล่นลงไปกระทบแง่โคดหินข้างๆกลิ้งสะบัดไปสามสี่ทอดเศษหินดินบริเวณที่มันดิ้นชักกระจุยกระจายไปหมดดารินพังภาพกับพื้นเพื่อทำตัวเองให้ต่ำลงไปอีกเพราะไม่แน่ใจว่าวิธีกระสุนจากพระพ่วงเบื้องหลังจะกินแนวต่ำลงมาถูกหล่อนเข้าเมื่อไรก็ย่อมได้ท่ามกลางการชิงเวลาอย่างฉุกระหุดนี้ ทันทีที่หล่อนทำตัวแนบพื้นราบตามลงไปอีกอีกนัดหนึ่งก็สะท้านสะเทือนซ้ำมาจากเบื้องหลังอำนาจแรงอัดของคลื่นอากาศเป่ากิ่งไม้ใบเฟิร์นในบริเวณใกล้เคียงกับที่หล่อนหมอบติดพื้นอยู่ปลิวสวัยหัวกระสุนมันพุ่งเข้าอัดถล่มไปยังตัวแรกที่ถูกเจ้าด้วนใช้งวงตวัดกระเด็นลงไปหมุนปัดอยู่กับที่ทะลุผ่านเข้าสะบักขวาออกซอกขาหน้าซ้าย แล้วงัดก้อนหินบริเวณนั้นให้แตกกระจายเป็นสเก็ตฟุ้งขึ้นก่อนหน้าที่เจาดวนผูกลาหารจะแล่นเข้าไปถึงและทำให้มันต้องหยุดชะงักอยู่ตรงนั้นแผ่เสียงร้องแหลมยาวก้องขึ้นเอ็ดอึงเสือใหญ่ขนาดเบงกอลแต่มีพื้นของขนเป็นสีฟางแก่ๆทั้งสองตัวนบัตนี้ยุติการดิ้นลงแล้วตัวแรกนอนตะแคงเหยียดขาเกรงอยู่กลางทางด่านส่วนตัวที่ถูกกระหน่ามาด้วยนัดติดตาม หายท้องอยู่กับที่ตรงนั้นเองเลือดกําลังทะลักออกมาทางบาดแผลรอยกระสุนเจาะนองพื้นตรงบริเวณที่มันนอนอยู่ด้วยอํานาจกระสุนชนิดหยุดช้างดาลินหันกลับมาทางเบื้องหลังหล่อนเห็นอนุชาเชษฐาและนานอินกําลังกระชากลูกเลื่อนของไรเฟิลในมือตนซึ่งบัดนี้เงยขึ้นสูงในมุมสี่สองศาและปลอกกระสุนกระเด็นลงไปตกอยู่กับพื้นยังส่งควันอยู่กรุ่นกรุน ส่นชัยยันนั้นอยู่ในสภาพประทับไรเฟิลของตนเองค้างเข้าใจว่าคงจะยังไม่ทันได้ลั่นเลยแม้แต่นัดเดียวพวกลูกหาบทุกคนยืนรวมกลุ่มกันอยู่กับที่กำลังจ้องขเขมงมาแต่สีหน้าของแต่ละคนดูจะเรียบปกติดีที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยพอหล่อนพยุงกายจะลุกขึ้นคนเหล่านั้นทั้งหมดก็พากันเดินไต่าทางขึ้นมาบนเส้นทางด่าน เชษฐาเข้ามาถึงหลอดเป็นคนแรกอย่างรวดเร็วหิวปีกช่วยให้ยืนทรงกายถนัดขึ้นบอกเรียบเรียบว่าไวดีมากน้อยที่หลบทางปืนซะก่อนขอให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์อย่างนี้ตลอดไปด้วยอนุชานั้นไม่กล่าวอะไรตรงเข้าไปก้มลงมองดูเสือเหลืองตัวที่เขายิงพร้อมกับนานอินไปตัวแรกส่วนเชษฐาและชายยันตรงเข้าไปยังอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ เจ้าด้วนใช้งวงเสรยรับการกระโดดเข้าใส่ของมันเพื่อให้แน่ใจว่าตายสนิทพวกลูกหากทั้งหลายพากันขึ้นมาชุมนุมอยู่บนเส้นทางนั้นแต่ละคนไม่มีท่าทีว่าจะตกใจอะไรมากนะักกับสิ่งที่ชาชินและเห็นว่าเป็นเหตุเพียงเล็กน้อยสําหรับเจ้าด้วนนั้นมันยังคงส่งเสียงร้องอย่างโกรธแค้นล่านป่ายอยู่เช่นนั้นหันรีหันขวางทาท่าจะเข้าไปกระทืบซ้ำที่ซากเสือทั้งสองตัว แต่ก็เชงนะเมื่อดารินปราดเข้าไปขวางหน้าและลูกมวงของมันพร้อมทั้งกล่าวอ่อนหวานปลอบโยนมันจึงมีท่าสงบลงได้ยืนตระงง g a หูพึ่งอยู่เธอกล้าหาญและมีเลือดนักสู้ทุกหยดอย่างน่าสรรเสริญหลอนกล่าวกับมันอย่างชื่นชมและในครั้งนี้ขอให้เป็นบทเรียนของเธอด้วยระลึกไว้เสมอว่าอย่าพยายามห่างฉันและพวกเรามากนะัก เกิดอะไรขึ้นแล้วจะช่วยหรืออะไรกันไม่ทันฉันดีใจที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรจากเขี้ยวเล็บของมันเลยแต่ถ้าพวกเรายิงสกัดไว้ไม่ทันแม้เธอจะสู้ได้เธอก็จะต้องเจ็บบ้างแน่ๆส่วนชัยยานนันจุป่าจิกจักสบดด่างงึมไอเวนเอ้ยไม่ดูตาม้าตาช้างมั่งเลยช่วยกันโจมตีช้างพลายตัวเบอ้อความจริงถ้ามันดักริมทาง คอยต่ครุบพวกเราคนใดคนหนึ่งที่เดินอยู่ข้างหลังน่าจะง่ายกว่านานอินหัวรอดหึหึอบอกมาว่าเสือนั้นนายทหารก็น่าจะรู้ถ้ามันกําลังหิวมันก็เห็นช้างตัวเท่าหมูมันเอาทั้งนั้นแหละและความจริงมันก็ฉลาดไม่ใช่งโง่รองมันรู้ว่าถ้ามันเล่นคนมันจะเล่นได้ยากกว่าเพราะถึงกระโดดกัดพวกเราคนใดคนหนึ่งตายมันก็ลากศพไปไม่ได้ ที่มันเล่นงานไอ้ด้วนมันรู้ว่าถ้าโดดขึ้นหลังกัดติดให้เจ็บก่อนไอ้ด้วนก็จะตะเตลิดแกล่นเข้าป่าแยกทางจากพวกเราไปแล้วมันก็ไปรวมกัดซ้ําอีกตอนที่ไอ้ด้วนแยกจากเราไปแล้วเมื่อตะกี้ถ้ายิงกันไม่ทันไอ้ด้วนเจ็บแน่โชคมันดีที่มันเดินไม่ห่างพวกเรานะักน้อยบอกให้ด้วนนําต่อเดินอีกสักชั่วโมงแล้วค่อยพักกินข้าวตอนนี้คงจะสะดวกขึ้นมาก เราเดินตามด่านช้างอดีตพรานชนหันมาเพียกหน้าบอกกับน้องสาวเบาๆหล่อนจึงหันไปออกคำสั่งทาสัญญาณกับช้างคู่บารมีซึ่งมันก็ปฏิบัติตามในทันทีไม่ได้หันมาใส่ใจพวงอะไรกับซากเสือทั้งสองตัวที่โดดเข้ารุมเล่นงานมันอีกออกเคลื่อนไหวดุมเดินนำต่อไปอนชชาเดินขนาบเข้ามาใกล้น้องสาวทาอย่างเมื่อกี้นี้เนะ่ดีแล้ว ถ้าคิดว่าตัวเองจะไม่ยิงก็อย่าไปขวางทางปืนคนอื่นเขาไม่ใช่ไม่ยิงหรอกค่ะแต่ไม่ได้มุมถนัดก็เลยหมอบลงซะก่อนเพราะเชื่อมือของลุงอินและพี่ๆทุกคนข้างหลังดีอยู่แล้วและขอขอบคุณไรเฟิลทั้งสากระบอกที่ไม่มีกระบอกไหนตะลีตะเหลือกยิงส่งเดชไปถูกเอามัคกคุเทศนำทางเข้าเลยมุมที่น้อยอยู่ในขณะที่เกิดเหตุนั้นยิงไม่ได้ถ้ายิงก็ต้องถูกเจ้าด้วนด้วย ดีอนุชา ค, ครางสั้นๆพร้อมพยักหน้าไม่เอ่ยอไรอีกพี่ชายทันความคิดอ่านน้องสาวเสมอเพียงแต่จะพูดหรือไม่เท่านั้นหนทางบนด่านช้างที่เรียบคดเคี้ยวไต่ขึ้นไต่ขึ้ น, นลงไปในระหว่างด้านหนึ่งเป็นเชิงเขาและอีกด้านหนึ่งเป็นหุบเหวนั้นเป็นเส้นทางที่สะดวกในการเดินทางยิ่งกว่าทุกแห่งที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่เริ่มออกเดินทางในวันนี้อนุชาพยายามจับตรวจสอบทิศทางอยู่เป็นระยะระยะว่า โดยเส้นทางนั้นจะเบนพ้นจากที่เตือออกไปมากน้อยเท่าใดตลอดระยะ 3-4 ชั่วโมงที่เริ่มต้นเดินทางกันมาสิ่งที่พอจะพิสูจน์ได้นแน่ๆก็คือไม่มีวี่แววหรือร่องรอยของเจ้าพวกอนมนุษย์หรือช้างป่าอันมีสภาพตกอยู่ภายใต้มนสะกดใดๆเข้ามาสำแดงอาการคุกคามเป็นอุปสรรคอีกทั้งสิ้นสิ่งลีลับน่าสยองกล้าวเหล่านั้นประาศนาการณ์ไปรอย่างสนิท มีอยู่เพียงครั้งเดียวระหว่างที่ไต่ลงจากเนินสูงของเส้นทางด่านนั้นทั้งคณะมองต่ำลงไปเห็นช้างโคลงหนึ่งประมาณ3าถึงสตัวกําลังจะเดินสวนขึ้นมาระยะห่างลงไปประมาณ150เมตรแต่เมื่อเจ้าด่วนซึ่งเดินนําอยู่เบื้องหน้าส่งเสียงร้องก้องขึ้นเหมือนจะเป็นการข่มขวัญขับไล่ช้างโคลงเล็กๆ เ, เหล่านั้นก็รีบหลหนีลงจากทางด่านหลบเข้าป่าข้างทางไปนในทันที โดยไม่มีท่าทีว่าจะสวนทางขึ้นมาประจันหน้าหรือแสดงอาการมุ่งร้ายอะไรทั้งสิ้นนอกจากจะเป็นไปโดยสภาพของช้างป่าธรรมดาที่เห็นกลุ่ ม, มนุษย์ในระยะไกลซึ่งเดินเข้าขาบวนกันมาเป็นจํานวนมากอาถรรพ์มันตรัยสุดสิ้นลงแน่นอนแล้วแต่สภาพของป่านรกดําก็ยังเป็นป่าลึกลับอยู่ตามเดิมของมันไม่มีใครสามารถทํานายถูกว่ามันมีเหตุเพศภายในลักษณะใ ด, ดแผ่ผ่านเข้ามาอีก ภูมิประเทศทิวทัศน์สภาพต้นไม้พืชพันก้อนหินที่แต่ละคนใช้ความตรวจตราสังเกตอย่างใคร่ครวนรอบคอบมันชี้บ่งให้เห็นถึงความเป็นป่าโบราณดึกดำบรรเหมือนเช่นที่เคยผ่านพบกันมาก่อนแล้วในครั้งนั้นมีทั้งความสวยงามและความอ้างว้างดูดก้าวเข้าไปสู่โลกในยุคอดีตไกลแสนไกลก่อนที่เจ้าด้วนจะนำแยกจากเส้นทางด่านที่มันยึดมาโดยตลอดเพื่อ น, นำโลสู่เส้นทาง ลงโตรกฝั่งซ้ายมืออณุชาก็สั่งให้ขบวนทั้งหมดหยุดพักกินอาหารมื้อที่สองของวันซึ่งเป็นเวลาบ่ายจัดเข้าไปแล้วและเมื่อมนุษย์หยุดพักชั่วขณะเจ้าด้วนก็หยุดลงด้วยไม่เพนผ่านออกนอกลู่นอกทางพ้นจากสายตาไปโดยท่าทีการนำของเจ้าด้วนมันกำลังจะพาเราลงสู่ดงทึบข้างล่างอีกครั้งอณชาบอกกับทุกคนขณะที่บุ้ยปากลงไปยังเงาทมืนของยอดไม้เบื้องล่าง ต่ำกว่าระดับขอบทางด่านบนส่วนหนึ่งของสันเขาเชษฐายกนาฬิกาเข็มทิศของเขาขึ้นเทียบจับก็แปลว่าเริ่มตีวกขึ้นเหนืออีกครั้งถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ำนี้เราจะต้องพักกันในป่าดิบข้างล่างนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างไหนที่ใดก็ได้สำคัญอย่างเดียวคือเราต้องการแหล่งน้ำที่พออาศัยกินได้ ขณะนี้น้ําของเราเกือบหมดแล้วเชษฐาบอกง่ายๆคงไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกครับตราบใดก็ตามที่เรายังอาศัยเจ้าด้วนเป็นปตัวนําทางเพราะช้างก็ต้องการน้ําและอาหารเช่นเดียวกับเราเหมือนกันมันประทังชีพได้ก็แปลว่าเราประทังชีพได้เหมือนกันขอให้ข้อคิดหรือข้อแย้งสักนิดได้ไหมบางทีมันอาจเป็นข้อแย้งหรือข้อคิดที่โง่เกินไปก็ได้ในความเห็นของแก่ ชายันเอ่ยขึ้นเคร่งครึม น, นานๆสักครั้งอดีตนายทหารปืนใหญ่สหายร่วมตายจึงจะตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้ว่ามาเราหารือกันได้เสมอทุกสิ่งทุกอย่างจะวางรากฐานอยู่บนเหตุผลหลายหัวคิดย่อมดีกว่าหัวคิดเดียวอย่าปักใจเชื่อเฉพาะชั้นหรือนานอินหรือแม้แต่เจ้าด้วนเราต้องช่วยกันในเส้นทางที่เราผ่านกันมาแล้วครั้งก่อนเสียงของชายันแผ่วต่ำ ดวงตาทอดมองไกลข้ามดงทึบอันกว้างใหญ่ไพศาลเบื้องล่างตรงไปยังทิวเขาครึมที่มองเห็นท่าบู่กระขอบฟ้าเหมือนฉากวาดเบลเอลสัตว์ป่าธรรมดาทุกชนิดผ่านพ้นเข้าไปไม่ได้แต่พวกเราก็สมสารผ่านเข้าไปแล้วบางทีสามวันเต็มๆหาอาหารหรือน้ำไม่ได้เลยมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเดียวแม้แต่พวกมแมลงในสภาพของเส้นทางเดินแบบนั้นคิดกันไว้ล่วงหน้าหรือยังว่า เจ้าด้วนมันจะกล้า น, นาเราเสี่ยงผ่านเข้าไปในเมื่อตัวมันเองก็ยังต้องการอาหารระน้ำอยู่และมากกว่าเราเสียด้วยการมุ่งเทือกเขานีละกานก็ดีหรือการมุ่งเทือกเขาพระศิวะก็ดีมันก็เหมือนกับที่เราจะต้องยิงจรวดให้ผ่านพ้นจากชั้นบรรยากาศเข้าไปสู่ชั้นอวกาศด้วยยานพิเศษคิดกันให้ดีๆในสิ่งที่ฉันพูดนี่นะมันเป็นแต่เพียงสิ่งเปรียบเทียบเท่านั้น สมมติว่าเจ้าดวนซึ่งเป็นสัตว์ป่าธรรมดาสมรรถนะของมันจะมีมากแค่ไหนก็อยู่ในชั้นแค่เครื่องบินธรรมดาที่จะบินในเพดานบินไม่เกินชั้นบรรยากาศเท่านั้นมันไม่สามารถจะล่วงพ้นเข้าสู่ชั้นอวกาศได้แน่นอนเราผ่านกันไปได้ใ น, นครั้งนั้นเราไปกันด้วยอำนาจปาฏิหาริย์หรืออะไรก็ตามทีแต่เราก็ดันโดนฟันฝ่นากันไปจนได้ ทีนี้ถ้าเราฝาทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางไว้กับเจ้ารืวน อ, อย่างเดียวแกแน่ใจหรือว่ามันจะพาเราไปได้ไม่ใช่พาเดินวนอยู่ในแถบที่มันสามารถจะดํารงชีพอยู่ได้เท่านั้นฉันอาจพูดเหมือนคนเพ้อไร้าสาระราเกินไปแต่ทุกคนรวมทั้งตัวแกเองกับนานอินก็เคยได้ผ่านพอจนกันมาแล้วคงไม่ต้องให้อธิบายอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ เชษฐาดารินและอนุชามองศบตากันและเปลี่ยนสายตาไปจับนิ่งนานอยู่ที่ชัยยันซึ่งยังอยู่ในสภาพเมินลอยไม่ยอมศบตาใครทุกคนทุกคนเข้าใจคำพูดเชิงปรารภของอดีตนายทหารปืนใหญ่ดีที่สุดพักใหญ่ทีเดียวที่ต่างคนต่างเงียบกริบแล้วเชษฐาก็พยักหน้าไปทางอนุชาและดารินใครมีเหตุผลที่จะค้านหรืออธิบายในข้อกังขาของชั ย, ยันบ้างไหม สิ่งที่เขาพูดเราพบเห็นกันมาแล้วเช่นนั้นจริงๆพี่เองก็ยังจำได้แม้กระทั่งเราขาดน้ำจนเกือบตายกันหมดทุกคนแต่ก็ได้อาศัยว่านยาบาลชนิดของแง่ทรายที่ช่วยผ่อนปลนในเรื่องขาดน้ำของพวกเราทว่าก็ต้องทรมานกันเหมือนตกนรกทั้งเป็นและถึงแม้กลางกับลุงอินก็ยังซึ้งอยู่แก่ใจดีแล้วขออนุญาตให้น้อยพูดบ้างได้ไหมคะน้องสาวคนเล็กของคณะ เอ่ยขึ้นแผ่วเบาแต่เน้นหนักในความหมายพูดสิน้อยบางทีมันอาจตรงกับความคิดของพี่ในขณะนี้ก็ได้พี่ชายกลางพยักหน้าบอกมาสิ่งที่ชายยันพูดเมื่อตะกี้นี้น้อยยอมรับว่าเป็นเหตุผลที่ฟังได้และไม่ได้มีความคิดที่จะคัดค้านโต้แย้งใดๆทั้งสิน้นเรื่องนี้มันก็เข้าไปอยู่ในหัวข้อที่เราได้เคยพูดกันไว้ก่อนแล้ว เกี่ยวกับเรื่องที่เจ้าด้วนจะไม่สามารถนำทางเราไปได้ตลอดรอดฟังอย่างเช่นแค่เทือกเขานิลการมันก็คงนำเราไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ในชั้นแรกนี้น้อยเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดมันจะเบิกเส้นทางหรือนำเราไปสู่ดินแดนเห็นการณเริ่มต้นอันมันเองไม่สามารถจะนำต่อไปได้และเมื่อ น, นั้นมันก็คงจะต้องหยุดเองเราจะสังเกตเห็นต่อไปในอนาคตข้างหน้าว่ามันนำเราไปสุดสิ้นอยู่แค่ไหน เท่าที่มันจะนําไปได้แล้วต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องเลือกตัดสินใจบุกบั่นไปเองโดยไม่ต้องให้มันนําทางอีกต่อไปส่วนเรื่องที่มันจะนำเราเดินวนเวียนอยู่แต่ในเฉพาะป่าที่มันเข้าไปได้โดยไม่คืบหน้านั้นเจ้าด้วนคงไม่ทําเช่นนั้นหรอกเชื่อว่ามันจะต้องพาเราไปส่งจนถึงตําแหน่งที่ตัวมันเองหมดความสามารถจะล่วงล้ําเข้าไปได้คือ สุดปลายแดนของสมรรถนะมันเพื่อให้เราเริ่มต้นลําพังพวกเรากันเองจุดไหนตําแหน่งไหนที่มันไม่อาจนําเราไปได้ต่อไปอีกแล้วมันคงจะแสดงอาการให้ทราบแต่ก่อนอื่นในระยะนี้มันเต็มใจที่จะไปส่งเราและเราก็ยังหวังอีกประการหนึ่งว่าก่อนจะพ้นเข้าเขตที่มันล่วงเข้าไปไม่ได้เราอาจพบระพินท์เสียก่อนก็ได้อนุชาติด่นี้เรงๆออกมาครั้งหนึ่งก้มศรีรษะลง ถูกต้องน้อมีความคิดอย่างเดียวกับพี่ในเรื่องนี้เราจะตามมันไปเพียงแค่ระยะทางที่มันจะนําไปส่งได้เท่านั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะถ้างั้นก็ได้ผลสรุปแล้วมีอะไรข้องใจอีกไหมชา ย, ยันพี่ชายใหญ่ของกณาหาันมาถามเพื่อนรักของเขาชา ย, ยันยิ้มให้แก่เพื่อนร่วมตายทุกคนถ้าบทสรุปมีเช่นนี้ก็หมดข้อปัญหา สิ่งจะแนะนําก็มีอยู่อีกอย่างเดียวเท่านั้นคือทั้งกลางและลุงอินจะต้องช่วยกันพิเคราะห์สังเกตที่ดีว่าเจ้าด้วนมันนําเรารุดหน้าเพื่อไปยังปลายแดนหรือว่านําเราเดินป่าเล่นแบบวนเวียนจะได้ไม่เสียเวลาเรื่องนี้รับรองได้เจ้าด้วนมันหลอกต้มฉันกับลุงอินไม่ได้หรอกและที่สําคัญที่สุดมันคงไม่หลอกน้อยใช่ใชยันเจ้าด้วนจะไม่กระล่อนหลอกฉันแน่นอนมาคอยดูกันไปก็แล้วกัน ดารินวราริตกล่าวอย่างหนักแน่นเชื่อมั่นเต็มเปีย่ยนชา ย, ยันสุดหาลมหายใจลึกหวังว่าทุกคนคงไม่เข้าใจฉันผิดนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรราชสกุลสาวขมวดคิ้วนิดหนึ่งถามโดยเร็วก็คิดว่าฉันเกิดลังเลปอดแหกอะไรขึ้นมาแล้วน่ะสิไม่มีใครบางอาจมีน้ำใจของเธอถึงเพียงนั้นรอกชา ย, ยานันและเป็นการดีแล้วที่เธอพูดเรื่องนี้ขึ้น เราจะได้กำหนดใจเตรียมพร้อมกันไวล่วงหน้าก่อนในแผนการเดินทางข้างหน้าต่อไปถ้าเธอไม่พูดขึ้นฉันก็ยังไม่ได้เฉลียวใจคิดไปถึงเรื่องนี้ฉันก็อยากดูพรมแดนการนาทางของเจ้าด้วนเหมือนกันว่าวีซ่าของมันจะไปสิ้นสุดเอาที่จุดไหนและมันจะแสดงอาการอย่างไรให้เรารู้ในกรณีที่มันไม่สามารถจะนาเราต่อไปได้แล้ววีซ่าของพวกเราล่ะ คราวนี้เพื่อนชายถามขึ้นยิ้มยิ้มอย่างให้เห็นเป็นเรื่องขันไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นฉันจะให้มรุตยูหรือท่านทามาจุราต์ประทับตราต่อวีซ่าไบพาสปอร์ตผ่านแดนให้แก่พวกเราทุกคนเองท่านคงไม่รังเกียจที่จะแตม์ให้รอกเพราะคราวก่อนท่านก็ยอมให้เข้าไปได้ทีหนึ่งแล้วนี่หวังว่าท่านคงจะจำหน้าพวกเราทุกคนได้คงไม่ต้องสอบสัมภาษณ์อะไรกันมาก ครานี้ทุกคนหัวรอกกันขึ้นพร้อมๆกันทําเอาหนานอินขยินและพวกลูกหาทั้งหลายที่นั่งรวมกลุ่มกันไม่ห่างออกไปนะพากันหันมามองด้วยความแปลกใจว่าพวกเจ้านายมีเรื่องขาขันอะไรสําหรับดารินนั้นลึกลงไปกลางก้นบึ้งของหัวใจหล่อนเสียงที่เคยปลอดโยนของใครคนหนึ่งยังกังวานซ่านไปทุกเส้นเลือดเป็นข้อความว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืน เมื่อชีพชื่นบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาใช่เขาพูดนั้นก็คือรพินไพรวันนั่นเอง